เป็นข้าราชาการทหารตำรวจแหละระดับศาสตราจารย์จากต่างประเทศจำนวนไม่น้อยก็ยอมรับว่าเรื่องความลึกลับนามธรรมเนี่ยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ต้องรับวังไว้เพื่อพิจารณาค้นคว้าวกันต่อไปจะปฏิเสธซะเลยทีเดียวก็ไม่ได้ผูหลังกาเป็นตำนานเรื่องพระเจ้าห้าพระองค์คือณโมพุทธายาและเป็นเมืองหลวงของชาวบังบดรับแลอันมีเมืองอพญานาครวมอยู่ด้วย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 หลวงปู่เสากันตะศิโลหลวงปู่สิมพุทธาจารุครูบาวังทิติสาโร و, พระอาจารย์สมชายเขาสุกิมพระอาจารย์ชาวัดหนองป่าพงพระอาจารย์โงโนนโสระโยแล้วก็ยังมีรูปอื่นๆ อ, อ, อ, อ, อ, อีกเยอะครับตามตำนานพระเจ้าห้าพระองค์นั้นกล่าวว่ากาบเผือกเนี่ยได้ตกไข่ห้าฟองที่ภูลังกา วันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่หอบเอาไข่ปลิวไปตามลมไข่นั้นก็กระจัดกระจายไปในสถานที่หลายแห่งต่อมาไข่นั้นได้ฟักออกมาเป็นพระเจ้ากกุสันโทพระเจ้าโกนาคมโนพระเจ้ากาัสโปพระเจ้าโคตโมและองค์ต่อไปก็คือพระศรีอริยเมตตาโยที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทลกัปนี้ ยังมีความพิสดารแถมไทยอีกว่ากาทั้งหลายไม่กล้าบินผ่านจะต้องถูกอำนาจอาถรรพ์ลึกลับที่ภูลังกาถ้าตัวไหนบินขึ้นไปเนี่ยจะเจอพายุใหญ่พัดพากาตัวนั้นให้เซถลาปลิวว่อนไปทางป่าเซกาคือเขตอำเภอเซกาในปัจจุบันนว่ากันอย่างนั้นภูหลังกาในอดีตเมื่อ50ปีก่อนโน้น เป็นดงหนาป่าทึบว้างใหญ่ไพสาลชุกชุมได้เสือสิงกระทิงแรกแล้วก็โขลงช้างเถือนแต่ในปัจจุบันนี้ป่าหายหมดแล้วกลายเป็นทุ่งโล่งรกร้างแล้วก็ไรนาจะพอมีป่าเหลืออยู่ก็รอบรอบภูรังกาบ้างเล็กน้อยพอเป็นยากระใสเท่านั้นเองอเห็นแล้วก็เศร้าใจรอบรอบภูลังกามีวัดป่าตั้งอยู่ประมาณสิบวัดมีทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธ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 มีวิทยุทรานซิสเตอร์ไปด้วยเปิดเพลงเปิดเทพกันดังสนันสนุกสนานครองจีวรก็ไม่มีสังคติเพราะไม่ได้เอาสังขติมาด้วยหลวงปู่ตองเห็นแล้วก็ได้แต่นึกในใจว่าพระผีบ้าพวกนี้ไม่ได้ฉันข้าวเช้าแน่แน่พรุ่งนี้แล้วก็เป็นจริงเสียงเพลงหมอลำซิ่งจากเทพทรานซิสเตอร์ดังลั่นสนันวันไหวอยู่พักหนึ่งก็เงียบไปเปลี่ยนเป็นเสียงทะเลาะวิวาทกันไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไร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 ความอาถรรพ์ของภูลังกาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของหลวงพ่อบุญมาทิตะเปโมพระอริยเจ้าอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประสบการ์ผลเฉิญวิญญาณของหลวงปู่บุญมา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 ถูกควายไล่าตามแล้วก็พุ่งเข้าจนต้นจานหลายครั้งจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นตกลงมาตกลงมาที่วางเขาควายถูกควายกิดถึงกับขาขาดสิ้นใจตา ย, ตายอย่างน่าอนาถที่โคนต้นจานนั่นเองมีคนในหมู่บ้านเอาปืนมายิงควายแม่หมันตัวนี้หลายคนแต่ว่าควายกลับไม่เป็นอะไรทั้งๆ ท, ที่ถูกยิงหลายนัดแล้วมันก็หนีกลับเข้าป่าไปอีกเมื่อเหตุการณ์สงบหลวงปู่บุญมากับสามเณรก็เข้าไปในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวภูไทย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 แทนที่จะมีใครช่วยตักน้ำมาเติมใส่บาดให้เนนผู้หญิงพวกนี้กลับเมินเฉยเหมือนกันหมดทั้งยังพูดจากระแนะกระแหนะแสดงความรังเกียจซึ่งซึ่งหน้าหลวงปู่เดินตามมาแล้วก็บอกให้เนนเอาเชือกขึงกรดมาผูกมัดบาดให้แน่นแล้วหย่อนลงไปตักน้ำในบ่อเองคนมีอายุคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกับชายทุ่งเห็นพระกับเนนกาลังตักน้าด้วยบาดดูทุลักทุเลก็เลยเอาน้าใส่ถังหิ้วมาถวาย พอดีเนรตักน้ําขึ้นมาได้แล้วก็นํามาถวายให้หลวงปู่บุญมาฉันหลังจากฉันน้ําเสร็จแล้วหลวงปู่บุญมาก็สนทนากับคนมีอายุคนนั้นด้เขาเรียกว่าพ่อออกเนี่ยตามภาษาชาวบ้านได้ความว่าที่หมู่บ้านนี้มีวัดเหมือนกันแต่ไม่มีพภิกษุสามเณรจำมรนสาอยู่เลยก็กลายเป็นวัดร้างไปนานแล้วสาเหตุที่ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำมรนสาก็เนื่องจากชาวบ้านชาวภูไทยนี่ไม่ให้ความอุปถัมป์ตามสมควร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 หลวงปู่ก็อนุโลมตามวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านคนหนึ่งรับอาสาพาหลวงปู่บุญมาไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมโยมคนนี้ก็พาลูกชายฝาแฝดตัวเล็กๆอายุสักห้าขวบติดตามไปด้วยไปดูกันหลายแห่งหลายที่ทั้งในเขตป่าช้าอันสงบสงัดแต่ก็ไม่ไม่ตกลงเนื่องจากไม่มีแหล่งน้าพออาศัยจะใช้สงฆ์ใช้ฉันได้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 หลวงปู่ก็บอกกโยมว่าเอาที่ตรงนี้แหละเป็นที่ภาวนาโยมผู้นั้นแสดงท่าทีอึดอัดไม่ค่อยพอใจนักที่หลวงปู่บุญมาเลือกสถานที่ใกล้กับต้นบกอาจจะเนื่องจากเกรงว่าการมาปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสมัมมเนนจะทำให้ผีต้นบกไม่พอใจก็ได้แต่เมื่อหลวงปู่ตกลงใจไปอย่างนั้นแล้วก็จาเป็นต้องตามใจท่านก็ลงมือทาแคร่ด้วยไม้ไผ่ซึ่งมีอยู่มากมายใกล้ๆบริเวณนั้น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 อย่างนั้นก็อธิษฐานจิตน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตเพื่อปกป้องอันตรายทั้งหลายไม่ให้กลั้มกลายต่อเด็กทั้งสองแล้วเจริญภาวนาเข้าสู่สมาธิประมาณชั่วโมงต่อมาเด็กสองคนก็รู้สึกตัวผิวเนื้อเย็นชียเอนี่เริ่มอบอุ่นกระทั่งเป็นปกติในที่สุดก็ลืมตาขึ้นลูกพรวดพลาดขึ้นมานั่งอย่างไม่หายตกใจ หลวงปู่บุญมาต้องพูดปลอบกอนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็อึกอกักอึกอักอยู่นานก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าทั้งสองคนเนี่ยอยากจะกินลูกบอกก็เดินมาเก็บลูกบอกเอาไปกินพอกัดลูกบอกเท่านั้นไม่มีคือมีใครไม่รู้หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเอื้อมมือมาบีบคอจนสลบไม่รู้สึกตัวหลวงปู่บุญมาก็บอกกับเด็กว่าไม่ต้องกลัวอะไรแล้วคราวนี้อยากจะกินลูกบอกก็กินไปเถอะตามสบาย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 การมาบำเพ็ญธรรมที่นี่เห็นทีจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพูดผีไม่ได้จะแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเฮี้ยนแค่ไหนเท่านั้นคืนนั้นหลวงปู่และสามเณรแยกย้ายกันปฏิบัติธรรมพอสมควรแก่เวลาก็จำวัดพักผ่อนหลับนอนตลอดคืนก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นป่าช้าก็สงบสงัดเงียบเชียบเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อไดอรุณหลวงปู่บุญมากับสามเณรก็อุ้มบาตรเดินเข้าไปในหมู่บ้าน มีคนมาคอยใส่บาตไม่มากแต่ก็พอเพียงที่จะพระภิกษุจะหล่อเลี้ยงสังขารไปได้ระหว่างที่หลวงปู่บินทบาทมีชาวบ้านหลายคนสแสดงกิริยาแปลกๆถามท่านว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกไม่ได้ยินอะไรชาวบ้านก็ทำท่าไม่เชื่อบอกท่านว่าเมื่อคืนนี้มีเสียงดังมาจากต้นบกตลอดคืนเป็นเสียงคล้ายคนหลายคนพูดคุยกันถกเถียงอื่นแต่ฟังไม่ได้สับไม่รู้เรื่อง หลวงปู่อยู่ใกล้ในน่าจะได้ยินหลวงปู่บุญมาท่านก็นเฉยเสียไม่รู้จะโต้อตอบยังไงเพราะท่านกับเนนไม่ได้ยินจริงๆหลังจากกลับถึงที่พักในป่าชาแล้วก็ทําพัฒกิจเรียบร้อยหลวงปู่บุญมากับสมณะลูกศิษย์ก็เข้าที่ปฏิบัติภาวนากระทากิจกรรมฐานของท่านเป็นปกติเวลาผ่านไปหลายวันหลวงปู่ก็ยังไม่ได้เดินทางต่อไปที่อื่นเ น, นเื่องจากเห็นว่าบริเวณป่าชาสงัดเงียบไม่มีใครเข้ามารบกวนเหมาะที่จะบําเพ็ญธรรมสักระยะหนึ่ง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 ลงส้นดังหนักหน่วงได้ยินถนัดคล้ายๆคนคนนี้สวมรองเท้าส้นเป็นเหล็กเวลาโดินเสียงปรบตับหลวงปู่บุญมามองไปยังที่มาของเสียงก็ไม่เห็นมีใครท่านก็ไม่สนใจคงเดินจงกรมนัม้นไปเรื่อยๆสักครู่เสียงนั้นก็หายไปเวลาผ่านไปพักใหญ่ท่ามกลางแสงเทียนที่จุดอยู่มีเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่เยือย่างออกมาจากเงามืดส่งเสียงครางกระหึ่มในลาคอ หลวงปู่บุญมาเห็นเสือเต็มตาแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นโนกตกใจแต่ประการใดจิตยังควบคุมสติไว้อย่างมั่นคงท่านหยุดเดินชั่วขณะแล้วก็แผ่มเมตตาให้จิตในยามนั้นห้าวหานไม่หวั่นไหวคิดอยู่ว่าหากจะถึงที่ตายเพราะเขี้ยวเหลบของสัตว์ ร, ร้ายนะี่ก็ขอยอมตายตามกรรมละเสือตัวนั้นไม่ได้แสดงอาการดุร้ายกระหายเลือดมันหยุดจ้องมองหลวงปู่สักครู่ก็หมุนตัวย่างเท้าหายไปในความมืด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 ตั้งใจระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีใครทำอะไรเน้นได้หรอกเนนตอบกลับมาบอกว่าได้ยินเสียงโดนไม่เห็นตัวคนแล้วเนนก็เดินจงกรมต่อพยายามไม่สนใจแต่ว่าเสียงที่ชวนให้หวันไหวเนั่นอ่ามันก็น่ากลัวมากจะเน้นก็ใจแข็งทำจนครบกำหนดเวลาจึงเข้าที่พัก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 ถ้าเราเคยเป็นศัตรูคู่อริกันในชาติไหนก็ตามก็จงทําเราเถอะเราไม่ว่าอะไรหรอกเราขอบอกว่าอย่าไปทําให้สั ม, มนเนนน้อยในว่าตัวสั่นนะจะทําจริงๆก็ให้ทํากับเราเนี่ยจะทําให้เราตายก็จะถวายชีวิตนะเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มารบกวนเรามาทําความเพียรของเราต่าหากไม่ได้มาบดเบียดเบียนข่มเหงใครไม่ได้มายื้อแยงเอาภูมิสถานบ้านเมืองของใคร เรามาบำเพ็ญสมณะธรรมชำระกิเลสตัณหาของเราตหากแม้เราจะทนทุกข์ทรมานสักปานไหนก็ตามเราก็จะไม่ลดละความเพียรของเราไป น, น, นั่นค่นเพราะว่าเราได้มอบ ก, กายถวายชีวิตอุทิศ ต, ต่อพระศาสนาแล้วพูดจบท่านก็สงบจิตแผ่เมตตาออกไปยังผู้ลึกลับแล้วก็มีอำนาจเหนือมนุษย์ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูเพิงพักที่โยกไหวเอ็งเอียงไปมาก็พลันสงบนิ่งและตั้งตรงเหมือนเดิม หลวงปู่ท่านคิดว่าสิ่งลึกลับที่ยังไม่รู้ว่าเป็นพูดผีวิญญาณตนไหนมากลั่นแกลง้งในอาจจะเลิกลาไม่รังควานท่านต่อไปอีกเพราะท่านแผ่เมตตาให้ไปแล้วแต่ท่านคิดผิดเพราะว่าวิญญาณร้ายเนี่ยไม่ยอมเลิกลาง่ายๆนตอนที่หลวงปู่บุญมากำลังภาวนาเพื่อเจริญสมาธิผู้ร้ายอสุรกายซึ่งมี ริดกล้าแข็งก็ปรากฏรูปร่างเป็นชายไัยชราแต่ว่ามีกายสูงใหญ่สูงถึงยอดไม้ตรงเข้ามายังเพิงพักของพระตุดงแล้วยกเท้าถีบเพิงพักหลังน้อยพังพล่มโครมครืนหลวงปู่บุญมาถึงก็พลัดตกลงมาจากแคร่บาดผ้ารองนอนมุ้งกรดกระจายกันว่อน หลวงปู่บุญมากล่าวกับอสุรกายตัวร้ายที่ยืนจังก้าหน้าเกลียดหน้ากลัวบอกว่าเหตุชันไหนถึงได้ทําหยาบช้าถึงป่านนี้หากเราได้รับบาดเจ็บไม่สามารถปฏิบัติกิจของสมณะได้เนี่กรรมหนักจะบังเกิดแก่เจ้าเท่านั้นนะการมาปรากฏของผู้ร้ายใจหยาบอยู่ในสายตาของสมณเณรลูกศิษย์โดยตลอดแม้จะเห็นหลวงปู่ลงไปนั่งอยู่บนพื้นดินแต่ว่าเณนก็ไม่รู้จะทํำยังไงไแต่จะยืนตัวสั่นด้วยความกลัว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 คิดแต่ว่าแม้ชีวิตจะปิดปงลงไปก็ช่างมันชีวิตนี้มอบถวายพระราชกรณยหมดสิน้นแล้วจะอยู่จะตายก็ช่างมันพระจิตคิดได้อย่างนี้จิตก็บังเกิดความหานกล้าไม่กลัวต่อสิ่งใดทั้งสิน้นหลวงปู่ก็ลุกขึ้นเก็บอับริขารที่ลนกระจายเกลื่อนกราดไปวางบนบนแคร่ตามเดิมเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งภาวนาด้วยจิตอันสงบวางเฉยนั่งอยู่นานโดยไม่สนใจใยดีว่าอสุรกายจะอยู่หรือว่าจะไป แทนที่ผีร้ายจะเลิกราถอยห่างมันกลับย่วจับยาบช้าก้าวเข้ามาจับกรดที่ห้อยอยู่หมุนวนเป็นวงหลวงปู่จะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังกลับหมุนกรดแรงขึ้นเรื่อยๆเยจือกกระทั่งม้งนกรดม้วนตลบขึ้นไปบนหลังขากรดหมดหลวงปู่ท่านก็รู้สึกสังเวชใจในโมหะของอสุรกายตัวร้ายเป็นอย่างยิ่งท่านคิดว่าเมื่อมันอยากแสดงสักดาอำนาจฤทธิ์บ้าของตัวก็ปล่อยให้มันแสดงจนเต็มที่ สิ่งใดจะพังสิ่งใดจะถูกทำลายก็ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเถอะคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ลงจากแคร่มาเดินจงกรมต่อคราวนี้ผีรายหยุดแกล้งโดยการหมุนกรดแต่ว่าใช้พลานุภาพปีศาจเข้าข่มขวัญพระทุดงดนบรรดาได้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วป่าที่ลายล้อมอยู่รอบด้านเป็นเสียงพายุฮือโหมเข้ามารอบทิศ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 หลวงปู่บุญมายังคงเดินจงกรมต่อไปโดยไม่กลัวจิตตั้งสงบตั้งมั่นวางเฉยต่อสปปรรพสิ่งที่รู้ว่าเป็นมายาจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าตีหนึ่งเสียงก็ค่อยๆแผวจางเงียบหายไปจนหมดสิน้นพื้นที่ป่าช้าก็คืนกลับสู่ความสงัดเงียบอีกวาระหนึ่งหลวงปู่ท่านก็เดินกลับมาที่เพิงพักของท่านหน้าประหลาดเพิงพักที่พังทลายเกือบทุกส่วนกลับคืนเป็นปกติเหมือนเดิม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 ตั้งใจว่าคืนนี้จะละเว้นการนอนหลับทั้งคืนเพราะเชื่อแน่ว่าอสุรกายมันต้องมาอีกเพราะความมืดครอบงำเข้ามาเต็มที่หลวงปู่ก็จุดโคมไฟขแขวนไว้ตรงเพิงพักแล้วท่านก็ออกไปเดินจงกรมตรงทางเดินล่วงประมาณตีหนึ่งผีรายก็เริ่มสแสดงเด็ดปรากฏเสียงพายุมาอีกทีแรกก็ไกลแล้วก็เคลื่อนใกล้เขามาเรื่อยๆ เ, เสียงต้นไม้ใหญ่น้อยก็หักกระเนนระนาดโรมคลื่นเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องน่ากลัว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 หัวท้ายทางเดินจงกรมแล้วก็ต่อไม้ใกล้ๆกับทางเดินจงกรมอย่างนั้นท่านก็ปฏิบัติเรื่อยไปคาดคะเนว่าผีไร้คงจะต้องมาแสดงอิทธิฤทธิ์ก็เป็นไปอย่างที่ท่านคาดการเอาไว้ยังไม่ทันเที่ยงคืนมันก็มาปรากฏเป็นเงาทะมึนดำมืดแล้วก็แยกย้ายกันบงังแสงเทียนไขเอาไว้ทุกจุดความสว่างซึ่งพอจะมีอยู่ก็ก ล, กลายเป็นความมืดครอบงาไปทั่วน า, าบริเวณ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 ท่ามกลางแสงสว่างซึ่งมีเพียงเล็กน้อยพูดผีวิญญาณแสดงรูปกายอันหน่าพรานพรึงของพวกมันต่อหน้าพระทุดงกรรมฐานภาพนั้นถ้าไม่ใช่พระภิกษุผู้มีจิตมั่นคงเห็นทีจะตกอยู่ในความหวาดหวั่นก็ทั้งครองสติอยู่ไม่ได้เพราะว่าร่างกายที่ปรากฏอยู่เวลานั้นมันคือร่างร้ายสุดจะพรณาบางก็หัวขาดเลือดอาบลงมาแดงฉานบางก็ล้ตัวขาดหายไป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 หลังจากหลวงปู่จงกรมแล้วก็กลับมายังเพลิงพักนั่งลงเตรียมเจริญสมาธิท่านก็มองเห็นบรรดาพูดผีวิญญาณมาปรากฏร่างอีกแต่คราวนี้มีรูปกายเป็นคนธรรมดามายืนนิ่งเงียบรายรอบเพลิงพักของท่านไม่ได้แสดงกิริยาการข่มขู่คุกคามแด่อย่างใดปรากฏกายอยู่เงียบๆนานพอสมควรก่อนจะหายไปแล้วตลอดคืนนั้นเหตุการณ์ก็สงบราบเรียบจนถึงรุ่งเช้าเพราะถึงคืนที่ห้า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 ได้ท่องเที่ยวสู่เมืองขูขันจังหวัดสีสเกตเพราะเป็นเขตแห่งสัพปพปสารมนตราจึงได้ขอเข้าศึกษากับครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งคารวาดก็ดีเป็นผู้ทรงศรีลสมณะก็ดีจนเป็นที่พอใจแล้วจึงขออนุญาตลากลับเพื่อจะริทุดดงสู่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาสือไปเมื่อทุดดงข้ามขาเข้าเขตประเทศกัมพูชาอันเป็นที่ตรหนักอยู่แล้วว่าเป็นดินแดนแห่งอาณาจักรขอม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 กำบังภัยทั้งคุ้มครองแคล้วคลาดกันอาวุธปืนหอกดาบธนูหน้าไม้เขี้ยวงาช้างเสือหุงขี่พึ่งกันยาเบื่อทั้งขุนสายทำน้ำมนตรถอาบบ้าใบาจิตหลอนก็อ่อนโยนจนลุเลยข้ามดงสู่จังหวัดสารพัดไต่เขาและภูผาอาศัยหุบเขาข้างห้วยเอน็นกาย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 ทันใดนั้นทหารเวียดกงก็แห่กันมาประมาณห้าสิบคนล้อมรอบโกรดของหลวงปู่หงเพื่อจะจับนําตัวไปฆ่าแต่เมื่อเปิดผ้าคลุมมุ้งกรดดูก็เห็นแต่กรดว่างเปล่าคงมีแต่ก า, าน้ําใส่น้ําตั้งอยู่กับบาดแล้วก็ถุงย่ามเท่านั้นแต่องค์หลวงปู่นั้นได้หายไปแล้วจึงทําให้นึกย้อนเหตุการณ์สมัยหลวงปู่หงพะจนกับนางพญาจรที่พาลูกสมุนโดดลงขันน้ํากลางบ้านหายไปกันหมด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 ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาโคงกระพันของท่านเมื่อทหารเวียดกงจะฆ่าอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจฆ่าได้ทุกคนต่างก็จนใจผลสุดท้ายก็เข้ารุมจับหลวงปู่แล้วนำมาใส่กรงเหล็กนำเดินทางมาถึงท่าเรือจากนั้นก็ยกกรงเหล็กใส่เรือตังเกอออกสู่กลางทะเลสักครู่ต่อมาเวียดกงก็นาเชือกผูกกรงเหล็กแล้วยกกรงเหล็กท่วงทะเลประมาณสิบนาทีต่อมาจึงได้สาวเชือกดึงกรงเหล็กขึ้นมา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 ทหารเวียดกงก็ต้องช็อกอีกเพราะว่าปรากฏว่าหลวงปู่ยังคงนั่งสมาธิเฉยดูดเดิมอยู่ในกรงเหล็กทําให้พวกทหารเวียดกงน้ำหมดความสามารถที่จะประหารเข็นฆ่าพระภิกษุรูปนี้ได้จึงได้สั่งคน่าคนเรือหันหัวเรือกลับสู่ฝั่งของเมืองมีผู้กลับเรียนถามหลวงปู่ว่าเ อ, อหลวงปู่ทราบได้ยังไงครับว่าเป็นมหาสมุทรไม่ใช่ทะเล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 งอกยาวได้ใสบ้างเป็นเม็ดใสก็มีประการที่สามอันว่าธาตุขันภายในกายของหลวงปู่เช่นเกษาเล็บน้ำลายผสมอยู่กับชานหมากก็ตามเหล่านี้ละมังที่มาประชุมธาตุจนทำให้พระพิมพ์ขุนแผนชัยวรมันกับพระพิมพ์พระพิคนเนศเนื้อผงชานหมากเหล่านี้ปรากฏเป็นทาคขึ้นมาหรือแม้แต่พระผงรุ่นแรกพิมพนิยมพิมไกเสือก็ดีพระพิมพสมเด็จพระประธานก็ดีรุ่นฉลองชัยที่กดพิม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 เหล่านี้คือน้ำจิตน้ำใจอันเยือกเยน็นแผ่ไฟสารไปรยังสรรพสัตว์ตั้งหลายของโลกให้อยู่กันอย่างร่มเยน็นเป็ น, ปนสุขละเลิกจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันและสิ่งนั้นก็ยอมทําให้เป็นสุขหลวงปู่หงได้เมตตาให้กั้นรวดหนามเพื่อป้องกันสัตว์ลงไปเล่นเป็นที่น่ายิยนดีที่ทํางานเสร็จภายในหนึ่งวัน ด้วยการใช้กำลังแรงงานเพียงแปดสิบคนซึ่งรวมระยะเวลาร้อมประมาณเจ็ดไร่ ข, ขวาวหลวงปู่กล่าวว่าปลื้มใจที่ทุกคนตั้งใจร่วมใจกันทำงานอย่างขมิ้ขมันมีความรับผิดชอบใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จผลได้ในกิจการนั้ น, น, นงานสิ่งใดก็ตามเรามีความตั้งมั่นมีความมุ่มนะมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักอดออมเก็บความรู้สึกไว้ให้ใหใหใหได้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 หาว่าคนโบราณแต่งเรื่องผีผีสงังสางหลอกให้คนกลัวเพื่อผี่จะได้ปกครองกันง่ายๆเท่านั้นแหละแต่แล้วในที่สุดหลวงปู่ก็มาเจอผีแม่ชีเข้าให้ที่ภูลังกาเป็นการเจอผีตอนเป็นพระกรรมฐานซะด้วยที่นี่เหมือนถูกล้างสมองครั้งใหญ่ให้หายโง่ไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วเพราะเห็นอย่างจะแ จ, จ, จ, จ, จ, จ้งกับตาเลยได้ยินกับหูด้วยแถมยังถูกผีแม่ชียื่นคำขาดให้ฉันมังสวิรัต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 แล้วจิตก็กลับเข้าไปอยู่ในผวังต่อไปประสาทหูมันดับไม่ยอมรับเสียงแปลกจริงๆมันเหมือนกับไม่ใช่จิตตัวเองจิตเป็นตัวหนึ่งต่างหากแล้วก็ตัวอาตมาก็เป็นตัวหนึ่งต่างหากจิตกับตัวเรามันแยกจากกันอาตมานั่งเข้าสมาธิอยู่ทั้งวันเหมือนกระสือสีเข้าฌานจะลุกขึ้นก็ตอนใกล้ค่าฉันน้าแล้วก็เดินจงกรมการอดอาหารเนี่ยทำได้ แต่ว่าน้ำจะต้องฉันจะขาดไม่ได้อันนี้เป็นกฎตายตัวสำหรับพระธุดงค์ในป่าที่อดอาหารหลายๆวันเนอย่าให้ขาดน้าเป็นนันค่ะเพราะว่าน้ำช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้อาตมาบําเพ็ญความเพียรอย่างอุกฤษที่ภูลังกาหลายเดือนได้รู้ได้เห็นสิ่งลึกลับมหัศจรรย์หลายอย่างด้วยอำนาจของศีลอานาจสมาธิที่อาตมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องในพระธรรมวินยัย หลวงปู่ตองกลับไปจำพรรษาที่วัดเดิมคือวัดตานเทพมงคลใกล้ๆ ก, กับบึงขงหลงได้เกิดความคิดว่าจะยับยเป็นพระธรรมยุทธเพื่อจะได้เข้าสู่สายพระกรรมฐานเป็นพระป่าอย่างแท้จริงครั้นปรึกษากับญาติโยมชาวบ้านก็ไม่มีใครเห็นด้วยเลยชาวบ้านเขาอยากจะให้อยู่พัฒนาวัดเดิมไม่เจริญรุ่งเรืองถ้าหลวงปู่ตองไปเสแลว้วพระเนนก็จะสึกกันหมดวัดก็จะร้าง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 เข้าสู่สายปฏิบัติกรรมาฐานเมื่อปี2530แต่ว่ายังจำมันสายอยู่ที่วัดเดิมเพราะว่าญาติโยมยังไม่ยอมให้ท่านไปทุดงอยู่มาคืนวันหนึ่งยังไม่ดึกนักขณะที่หลวงปู่ตองนั่งเข้าสมาธิอยู่ที่กุฏิวัดตาลเทพ ม, มงคลริมบึงโขงหลงอากาศคืนนั้นค่อนข้างเย็นจนท่านรู้สึกหนาวปรากฏมีลมพัดแรงมาจากบึงโขงหลงจนต้นไม้ใหญ่น้อยนี่เอนลูสู่ซาเหมือนพายุฝนจะมา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 ท่านปั้นพระพุทธรูปได้ไหมหลวงปู่ตองก็ตอบในสมาธิบอกว่าเออเกอิเคยปั้นมาแล้วแต่ไม่เก่งเราจะให้ท่านขึ้นไปอยู่ถ้ำชัยมงคลบนภูลังกาไปปั้นพระพุทธรูปหลายองค์มีเจดีย์ธาตุอยู่บนยอดภูลังกาใส่อัฐิธาตุของเราแต่เวลานี้เจดีย์ธาตุนั้นได้ถูกคนร้ายใจบาปทุบทิ้งปนปี้ไปหาสิ่งของเงินทองเราต้องการให้ท่านช่วยสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ด้วย นิมิตภาพของอาจา ร, รย์วังบอกกล่าวแล้วก็หายไปอีกคราวนี้หลวงปู่ตองก็ชักเอจใจสงสัยเพราะว่านิมิตอาจา ร, รย์วังมาหาอย่างมีความมุ่งหมายขึงขังจรงิงจังเป็นการออกคําสั่งให้ทําเลยทีเดียวบ่งบอกถึงอํานาจบังคับบัญชาดูแล้วน่ากลัวหากขัดขืนสงสัยจะเกิดเรื่องแน่หลวงปู่ตองจึงได้ออกสืบถามชาวบ้านว่าอาจารย์วังภูลังกานะี่ยมีประวัติความเป็นมายัางไงก็ได้ความว่าพระอาจารย์วังทิติสาโร เป็นพระกรรมฐานผู้มีชื่อเสียงเรื่องหรืออยู่ถ้ำชัยมงคลบนยอดเขาปูรังกาสมัยปี2480ถึงปี2496เกือบ20ปีท่านเป็นศิษย์คนสำคัญของหลวงปู่เสากันตาซิโลแล้วต่อมาได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตะเทระจึงได้เป็นสหธรรมิกกับพระอาจารย์ดังๆในสมัยนั้นเช่นพระอาจารย์พันอาจารพระอาจารย์สีหูเขมกพระอาจารย์อ่อนญาณนาสริเป็นต้น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 พอนับถึงปี2534ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่ตองได้นิมิตเห็นพระอาจารย์วังนั่นเป็นเวลายาวนานถึง38ปีทำให้หลวงปู่ตองเข้าใจว่านับตั้งแต่พระอาจารย์วังบรณภาพไปเหตุใดจึงไม่แสวงหาคนที่มีบุญวาสนาบารมีให้มาปฏิสังขรณ์ถ้ำชัยมงคลภูลังกาทำไมปล่อยให้เวลาผ่านไปถึง38ปีจึงมาบอกให้ท่านไปบุรณะ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 คนร้ายคงจะค้นหาเหล็กหลายในองค์พระพุทธรูปก็ยิ่งทำให้หลวงปู่ตองเกิดความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งว่าโอ้หนอคนเราทำไมถึงได้ใจร้ายใ จ, จยต่ำสามถึงขนาดนี้กล้าทำลายปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาไม่เกรงกลัวบาปกลัวนรกมหาอเวจีหลวงปู่ตองได้บอกกับตัวเองบอกว่าทำชัยมงคลก็ดีผู้ลังกาก็ดี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 เช่นมหิตทิเปรตแล้วก็เปรตอีกหลายอย่างจำพวกที่มีริษเป็นผีปีศาจดุร้ายแสดงกายหลอกหลอนได้ต่างๆนานาสามารถทำร้ายมนุษย์และสัตว์ได้นั้นมีริษเดชได้ด้วยผลกรรมเขาเรียกว่ากรรมมวิปากชาฤิตพวกโอปติกะหรือว่าวิญญาณต่างๆที่มีบุญน้อยและเทวดาบางพวกที่มีบุญญริษน้อยแต่ว่ามีเทวธรรมดีงามจะแสดงกายหยาบไม่ได้เลย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 เกี่ยวกับพวกขยานาคพระอาจารย์วังได้ตักเตือนพระเนนที่อยู่ด้วยบนภูลังกาในสมัยแรกๆได้แก่พระอาจารย์โงโนโสระโยพระอาจารย์คำพระอาจารย์วันอุตโมสามเณรคำพันก็คือพระครูอดุลธรรมพันเนี่ยสามเณรสุบันสามเณรใสสามเณรอุทยัยมีความว่าภูลังกาเป็นแดนอาถรรพ์เกี่ยวเนื่องผูกพันอยู่กับภพภูมิผีสางเทวดาสิ่งลี้ลับมีทั้งฝ่ายดีคือสามมาทิฏฐิและฝ่ายชั่วคือมิจฉาทิฏฐิ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 ยานึกคิดชั่วชั่วลามกจ ก, กเปรตคึกขนองเปนอันขาดหลังจากที่พระอาจารย์วังกล่าวตักเตือนแล้วไม่กี่วันก็ปรากฏว่ามีพวกงูจํานวนมากได้เลื้อยเพ่นพ่านอยู่ทั่วไปเป็นต้นว่างูหา่างูจงอางูงสิงดงงูเขียวงูเหลือมงูสีสันแปลกแปลกงูเหล่านี้เลื้อยเข้าๆออกๆถ้ำชัยมงคลทําให้พระเนนหวาดกลัวกันมากแต่งูก็ไม่ขบกัดใคร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 หัวนหน้าชาวรับแลได้บอกกับพระจารย์วังว่าเจ้าหนุ่มบวรเนี่ยมาอยู่เมืองรับแลถูกต้องตามจารีตประเพณีจะกลับออกไปไม่ได้จะต้องดําเนินชีวิตเหมือนชาวรับแลทุกอย่างหากทําผิดกฎจารีตประเพณีก็จะถูกขับไล่กลับเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้จะให้บวรกลับถ้าชัยมงคลไม่ได้พระอาจารย์วังก็อับจนปัญญาไม่รู้จะช่วยบวรได้ยังไงจะอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังเขาคงจะไม่เชื่อเพราะเมืองรับแลนั้พิสูจน์ไม่ได้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 กลับพื้นคืนชีวิตมาได้อย่างเหลือเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญา น, นาคยังคงมีประจักษ์พยานหลักฐานที่จะนํามาเล่าเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยอดจะพยายามทยอยนำเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะจากประสบการณ์จริงของท่านเหล่านั้นเป็นที่ยืนยันถึงความพิสดารของพญา น, นาคว่ามีมากมายแล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกของความเป็นจริงซึ่งทุกคนอาจจะพิสูจน์ให้รู้เห็นได้ในยุค ป, ปัจจุบัน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 เมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้ไวชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกให้หรือไทยถอนจะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นมวยมอนทุกมีทวีคูณพระพิพัฒน์ปริยติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติ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 ดังนั้นแม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่อีกในประเทศไทยแต่ว่าตามจุดต่างๆตามเส้นทางมุกดาหารเข้าดงหลวงแล้วออกอำเภอเขาวงกุจินารายในเขตจังหวัดกาลสินนั้นก็ยังมีป้อมทหารรักษาการอยู่ตามแนวทางเพื่อความปลอดภยัยเนื่องจากสภาพทั่วไปล้วนแล้วแต่เป็นป่าเป็นดงทั้งสิน้นเรื่องของเรื่องเริ่มจากการที่ได้มีชาวบ้านจานวนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขา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 แต่ว่าได้ขึ้นมาทํากิจการเกี่ยวกับป่าไม้อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร น, นานหลายปีมาแล้วจนเป็นที่รู้จักกันดีก็เป็นที่รู้กันว่าการทําไม้เนี่ยในบางครั้งก็ต้องมีการซิกแซกกันบ้างนั่นก็คือการทําไม้เถือนเลี้ยงภาษีซึ่งข้อนี้ก็มีอยู่ทั่วไปซึ่งโรงงานของนายบุญมาเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากของใครๆแล้วก็ในครั้งนั้นลูกน้องของบุญมาคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า ในเทือกเขาภูพานที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างสกลนครกาลสินและนะครพนมมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งป่ายังใหม่แล้วก็มีไม้พอที่จะแอบชักลากลงมาได้เพราะว่าเส้นทางของป่าแถบนี้มีบริเวณกว้างแล้วก็มีทางออกหลายทางด้วยกันดังนั้นในวันหนึ่งบุญมาก็มอบหมายให้ในสีทาลูกน้องคนสนิทสีทานี่เป็นคนลาว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 เหมือนกับพวกที่เล่นของเล่นคุณใสซึ่งก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปของคนฝั่งลาวอยู่แล้วสีธาเล่าให้ฟังบอกว่าเขากับลูกน้อง18คนพร้อมอาวุธและเครื่องมือทำไม้ส่วนหนึ่งอันได้แก่เลื่อยไฟฟ้าได้ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะได้ค้นไม้ต้นใหญ่เตรียมเอาไว้ก่อนที่จะลงมาให้ทางโรงไม้ได้จัดการขึ้นไปชักลากลงมาต่อไปในการเดินทางของพวกเขานั้น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 ร้องแหวกราวไพรมาให้ได้ยินบ้างสักครั้งกลับเงียบสนิทจนทำให้สีทารู้สึกว่ามันเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เขาเคยเข้าดงมาด้วยเหตุนี้เขาก็เลยจัดให้ทุกคนได้อยู่เวยนยามกันตลอดเวลาโดยที่ปกติแล้วนั้นจะอยู่ยามกันผลัดละสองคนแต่ว่าคราวนี้สีทาสั่งให้ลูกน้องตั้งเวยนยามผลัดกันสี่ผลัดผลัดละสามคนเพื่อความสบายใจ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 เสียงกูร้องที่ดังวีดเข้ามานั้นมันทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกข่าอ่อนย่อบลงเหมือนกับคนที่บทแรงหัวใจจะวายเอาเสียดือด้อศรีทายกสองมือขึ้นอุดหูขณะที่ก้าวออกมาที่กลางลานมองเห็นลูกน้องของเขาบางคนกำลังส่องไฟฉายวูบวาบไปมาบางคนก็ชูคบเพลิงขึ้นเหนือหัวสุมไฟในกองจนลุกโชนส่องสว่างสวัยในขณะที่คนที่อยู่ยามก็กระชับปืนในมือเอาไว้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 ผมเองผมก็ถือว่าสิทธิมีครูคนหนึ่งเหมือนกันผมลุยมาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุธรรมดาอย่างแน่นอนในศีทาหนุ่มลาวผู้สักรางจนดำพฤุดไปทั้งตัวก็ขู่ควายธนูขึ้นมาสามตัวจากนั้นก็ทำจิตให้สงบระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ให้ท่านมาช่วย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 ที่เป็นต้นเสียงประหลาดมาจากในหมู่บ้านนั้นแล้วสีทาก็บอกให้ลูกน้องทั้งหมดที่มีปืนเตรียมตัวพร้อมจากนั้นเขากับพวกเหล่านั้นก็ค่อยๆย่ อ, ยยองตามเข้าไปในหมู่บ้านช้าๆโดยปล่อยคนที่เหลือเอาไว้สี่ห้าคนเพื่อจะดูแลข้าวของที่วางกองไว้ในที่พักอากาศยามดึกค่ำรุ่งนั้นเยือกเย็นจนทาใหท้ทุกคนรู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่สีทายืนยันว่า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 แต่ก็ดิ้นทุรนทุรายไปพักใหญ่เหมือนกันจนกระทั่งมันแลเห็นเงาดําเหมือนกับควายวิ่งผ่านประตูกระต้อเข้ามาแล้วก็ตรงเข้าไปขุิดมันเขาบอกว่าควายธนูนะตัวแรกปราดก็ไปใช้เขาขุิดเข้าที่คอของมันมันโมโหมากก็เลยใช้สองมือจับเอาไว้แล้วหักเขาแต่ปรากฏว่ายังมีควายอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วก็ไล่ไล่กันนั้นควายธนูที่เข้าไปต่อสู้กับมันก็มีถึงสามตัวด้วยกัน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 แต่ด้วยความรกทึบของป่าก็ทำให้ทุกคนหันหรีหันขวางเพราะว่ามองไม่เห็นทางที่จะแทรกผ่านเข้าไปได้เลยซีทาบอกว่าในตอนแรกเขาคิดว่าลูกธนูสับสนก็เลยทดลองเสี่ยงถึงสามหลด้วยกันก็ปรากฏว่าชี้ไปทางเดียวกันทุกครั้งจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเอามีดสปาต้ามาจากเอวของลูกน้องแล้วฟันถาวรถางทางบุกเข้าไปเพราะมั่นใจว่าไม่มีทางไปอีกแล้วนอกจากทางนี้ หลังจากที่ช่วยกันฟันช่วยกันถางเพียงแค่ให้มันแหวกออกเป็นช่องเพื่อจะมุดเข้าไปได้ทีละคนก็ทําให้เสียเวลาอยู่นานถึงสองสามชั่วโมงเพราะว่าถาวนมันรกมากจนยากที่จะฝ่าเข้าไปง่ายๆแต่เมื่อขั้นรอดเข้าไปถึงข้างในได้ทุกคนก็ต้องตกตะลึงจังงังกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นกระดูกสัตว์มากมายที่กองสุมกันอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งซากเก่าซากใหม่ต่างทร ง, งกลิน่นเหม็นหืนจนแทบจะอาเจียนออกมา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 แต่เมื่อหอบเอากิ่งไม้มาทําฟืนเป็นหมอนรองแล้วก็จุดไฟก็ปรากฏว่าจุดเท่าไหร่ไฟก็ไม่ติดสักทีคราวนี้ศรีทาจึงรู้แน่แก่ใจแล้วว่าไอ้ผีร้ายตัวนี้มันยังมีฤทธิ์เดชที่จะลองดีกับพวกเขาอยู่ผมไม่รู้จะทํำยังไงดีตอนนั้นโมโหก็มโมโหก็เลยหยิบลูกธนูขึ้นมาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็แทงลงไปบนตัวมันยังไม่ในตั้งใจคือทําไปด้วยความหงุดหงิดมากกว่าแต่ว่าพอลูกธนูปักลงไปปรากฏว่าหนังหนาของมัน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 ลูกเมีายญาติพี่น้องเขาเอาเงินทองของมีค่าใส่ลงมาในโลงเป็นจำนวนมากกองไว้ข้างข้างศพแล้วก็ของมีค่าที่เขารักเช่นสร้อยคอเส้นเบรอร์นาฬิกาเรือนทองแหวนที่ติดนิ้วอยู่ก็ไม่ได้ถอดออกที่นี้พอตกดึกสงัดก็มีมือดีมาเปิดโลงศพชกเอาทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นไปไม่มีใครรู้ว่าว ข, ของหายไปหมดแล้วแต่เมียเท่าแกน้ฝัน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 ก็โดนหมารุมก็หนีลงไปในน้ำอีกเมียเท่าแก่ออกมาดูเห็นแล้วก็เรียกตารวจจับตัวได้เขาก็เล่าว่าเขาเห็นตอนสับ ป, ปะเลอยกศพลงโงเห็นข้าวของมีค่าแล้วอยากได้ก็เลยลักเอาไปขายเอาเงินกินเหล้าหลังจากที่ติดคุกไปพักหนึ่งแล้วออกมาทีนี้บ้าเลยบ้าบอพูดกับใครบอกกับใครว่าตัวเขาเองแหละ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 ตอนเมื่ออายุ17ปีในท่านบัพพชาเป็นสมณเนยอยู่ที่วัดแก้วโกวรารามจังหวัดกระบี่เมื่อเดือนมิถุนายนปี2517หลังจากที่สอบได้นักธรรมตรีมีความรู้ทางปริยัตและบาลีอันเป็นภาษาหลักของพระคำพีต่างๆในพระพุทธศาสนาแล้วก็ฝ่ายหาความสงบในฝ่ายปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ครั้นมีโอกาสฟังการบรรยายธรรมของหลวงปู่จำเนียนศรีละเศษโถ ท, ที่วัดพุกเรีจังหวัดสุรา ธ, ธานีแล้วท่านก็เกิดความเลื่อมใสอย่างแก่กล้าก็ติดตามไปศึกษาธรรมะปฏิบัติที่วัดธรรมเสือหลวงปู่จำเนียนก็เมตตาสอนการทาสมาธิแบบสติปัฏฐานสี่กำหนดกายเวทนาจิตธรรมกาหนดกายเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในกาย เมื่อปฏิบัติถึงขั้นแยกจิตแยกกายออกจากกันได้ความหลุดพ้นก็ย่อมรออยู่ไม่ไกลมีโอกาสกำจักดกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติพอสมควรแล้วก็ร่วมกับคณะพระจุดงติดตามไปแสวงวิเวกยังป่าใหญ่ภาคเหนือซึ่งคงความเป็นดงดิบยิ่งกว่าปัจจุบันอีกทั้งเมืองเหนือเมื่อครึง่งศตวรรษก่อนยังมีพระอริยเจ้าจำมัณฑาอยู่หลายรูป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 ระหว่างทางก็ผ่านเมืองเก่าแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสีสำมรงจังหวัดสุโขทยัยก็ปักกรดพักแรมใกล้ๆซ า, ากปักพังของเมืองเก่าบำเพ็นเพียรที่นั่นอยู่สามคืนกลางดึกคืนแรกนั่งสมาธิอยู่ในกรดก็เกิดนิมิตในสมาธิเห็นแสงสว่างพุ่งจากเนินดินคล้ายๆเจดีเก่าแล้วตรงมากระทบท่านจนรู้สึกเย็นวูบไปทั้งเนื้อทั้งตัว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 เนื่องจากคนโบราณผู้ลึกลับกันชับท่านว่าให้เห็นนิมิตเสก่อนแล้วถึงจะสร้างสำเร็จปีพุทธศักราช2520อายุท่านครบบวชท่านเดินทางกลับไปอุปสมบทที่วัดแก้วโกวารามเหมือนเดิมโดยมีท่านเจ้าคุณพระสุตาวุฒิวิสิตเป็นพระอุปชามีฉายาในทางธรรมว่าบุรินทะโกบวชเสร็จแล้วก็กลับวดัดธรรมเสือ ศึกษาธรรมปฏิบัติอีกปีหนึ่งก็กราบลาหลวงปู่จำเนียนไปบุกเบิกก่อตั้งวัดรรมเสือน้อยที่อำเภออ่าวลึกร่วมกับภิกษุที่เป็นศิษย์หลวงปู่จำเนียนโดยท่านรับเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นวัดเล็กๆสร้างใหม่ระยะแรกก็เทศนาธรรมโปรดญาติโยมอย่างเดียวจนโยมคนหนึ่งพูดอย่างน้อยใจบอกท่านน่ะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แค่ให้พรก็ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ไม่ต้องทำพิธีอะไรก็ได้คือหมายความว่าเป็นพระดีอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นพระขลังด้วยตอนเป็นคารวาทท่านเคยร่าเรียนพุทธาคมกับคุณตาก็เลยนำมาลงเลขเสกยันให้ชาวบ้านด้วยความเมตตาและทั้งบรรึงผู้นำท้องถิ่นมาร้องเรียนกับท่านเรื่องลูกศิษย์ได้ของดีไปแล้วหึกเหิมมากที่วปลนสะดมลักขโมยก็เป็นการใหญ่ เมื่อก่อนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังพอจะปราบปรามโจลผู้ร้ายได้แต่พอผู้ร้ายได้ของดีจากท่านก็ทำให้ปราบยากมากบางก็หนังเหนียวยิงพันไม่เข้าบางก็เหยียบกลับระเบิดก็ไม่เป็นไรมิจฉาชีพเหล่านี้โกยเงินได้เยอะแล้วบางรายก็ซื้ออิดหินปูนทรายมาถวายให้สร้างวัดผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่งโกรธมากถึงกับตะวาดใส่ท่านท่านเป็นพระประเภทไหนอะ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 ถ้าพบป่าลึกแห่งไหนมีธรรมชาติน่ารื่นรมเป็นป่าใหญ่หลายหมื่นไร่สงบสงาัด จ, จากผู้คนและอรารยธรรมแผนใหม่ท่านก็จะพักแรมนานหน่อยยิ่งมีแหล่งน้ำฉันน้ำชใช้อยู่ใกล้ๆก็ยิ่งสะดวกต่อการเจริญสมณธรรมเป็นอย่างมากระหว่างปักหลอดทำความเพียรอยู่บริเวณใต้ร่มไม้ใกล้เขาสะที่เป็นสระน้ำโบราณคืนหนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่หน้าหลด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 ได้ยินบุรุตลึกลับพูดอะไรออกมาฟังไม่ได้สับจับใจความได้เพียงบุรุตร่างมหืมมาร่างนี้เป็นผู้อารักขาผืนป่าที่ท่านมาบำเพ็ญเพียรอยู่แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองชื่อตัดจัน์การมาของตัดจัน์นี่มาอย่างประสงค์ร้ายมีรังสีอมตหิตแผลซ่านมากระทบจิตท่านอย่างรุนแรง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 ช่วงที่ปักรลดพักแรมอยู่บริเวณเขาสะแอ่งน้ำโบราณกลางป่าลึกเชิงเขาท่านอิ่มเอิบในธรรมสามารถอดอาหารได้ครั้งหนึ่งเป็นสิบวันเวลาออกบินทบาตรในหมู่บ้านใกล้ที่สุดซึ่งไกลามากเนี่ยท่านจะแวะรับบาทที่บ้านคนยากคนจนมีพ่อบ้านชื่อในเขียดมีศรัทธาในทางธรรมแก่กล้าบางวันไม่มีอะไรก็เอาข้าวเปล่ากับเกลือใส่บาตให้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 ท่านก็ไม่คิดจะเป็นพระบอกใบให้หวยกับใครทั้งสิน้นกระทั่งออกมาบินธบาตรที่บ้านในเขียดก็เกิดเวทนาที่บ้านของเขาทั้งเล็กทั้งซอมซ่อผุพังเต็มทีลูกๆ ก, ก็เริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวแล้วก็ถามเขาว่าทำไมไม่ทำบ้านให้ดีกว่านี้เขาก็บอกว่าแต่ละวันเนี่ยยังแทบจะไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อหาได้เท่าไหร่ก็ใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปวันๆไม่มีปัญญาจะซ่อมแซมบ้านหรอก รุ่งขึ้นท่านยะไปบินธบาตรที่บ้านหลังนั้นอีกคราวนี้ลูกสาวในเขียดออกมาตักบัตรยึงบอกเลขสามตัวให้รู้พร้อมกําชับว่าให้ซื้อเพียงยี่สิบบาทแล้วก็อย่าไปบอกต่อให้ใครรู้นะได้เงินมาแล้วจะได้ทำบ้านให้ดีขึ้นลูกสาวก็รีบไปบอกพ่อแม่ซึ่งดีใจในเมตตาจิตของท่านแล้วก็ทําตามที่ําชับไว้ทุกประการได้เงินมาซ่อมแซมบ้านสมเจตนารมณ์ของท่าน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 ควรจะสร้างพระาธาตุเจดีย์บนยอดเขาลานใกล้กับวัดบางเหลียงองค์พระาธาตุเจดีย์จึงอุบัติขึ้นด้วยพุทธานุภาพและบุญบา ร, รมีของพระอาจาย์ชยัยซึ่งถือมติว่าบารรพชิตเนี่ยสำคัญอยู่ที่พระวินยัยหากไม่ปฏิบัติตัวให้อยู่ในวินัยสงฆ์ก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านห่มจีวรภูมิชากำเนิดของพระาจารันชัยนี่ท่านเกิดปีพุทธศักราช2500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 รู้วิธีลงเลขเศกยันอีกทั้งสามารถนั่งสมาธิได้นิ่งครั้งละนานๆนนพออายุได้สิบเจ็ดปีจึงบัพชาเป็นสมณเณรดังที่ได้กล่าวไปแล้วจากการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเอาจรงิงเอาจงังและมีประสบการณ์ต่อมาได้เป็นสิทธิหลวงปู่นิรนามทางจิตตลอดจนเป็นสิทธิสายปฏิบัติของหลวงปู่จำเนียนศีละเศธโถแห่งวัดถ้ำเสือ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 นานแสนนานความรักความหวงแหนดอยอินทนนท์เช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ท่านสั่งแก่คณาญาติของท่านไว้ว่าถ้าหากว่าท่านสิ้นพระชนไปแล้วก็ขอให้แบ่งอัติส่วนหนึ่งของท่านไปบรรจุไว้บนยอดดอยหลวงด้วยเมื่อพระเจ้าอินทรวิ i ย y นน o สิ้นชีพตักใสคณาญาติทั้งหลายจึงตอบสนองคาสั่ง้วยแบ่งอัติส่วนหนึ่งขึ้นมาขึ้นช้าง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 สังเกตดูว่าคงจะกินเหล้ากันมาไม่น้อยทั้งผู้หญิงผู้ชายเสร็จแล้วขุนเสถียรพาข้าพเจ้าเดินหลีกจากคนกลุ่มนั้นขึ้นไปเคารพเจ้าพ่ออินทนนท์บนเนินเตี้ยๆที่มีพระสถูปสถิตอยู่เราสองคนก็พูดคุยกันบนนั้นชั่วครู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นต้นไม้ใหญ่หลายต้นมีตะไคร่น้าเกาะเขียวคล้ำไปหมดตามซอกหินผามีน้ำที่มีฝาบางๆเหมือนกับแผ่นน้าแข็ง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 นายทหารผู้ควบคุมสั่งการนทหารที่แข็งแรงล่ำสันไตลงไปตามเชือกอย่างรวดเร็วคุณสเสถียรพาข้าพเจ้าไปยืนชิดริมหน้าผามุมหนึ่งแล้วชะโงกหน้าลงไปดูข้างล่างข้าพเจ้าหยิบกล้องสองทางไกลออกจากกระเป๋าเสื้อส่องดูท่ามกลางหมอกสีขาวจางแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นระเกะรกะกะก็มองเห็นเศษเหล็กของรถสองแถวกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ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 ท่านบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องพญา น, นาคเรื่องเมืองรับแลเรื่องเหล็กไหลต้องไปหาหลวงปู่ตองวันนี้ภูลังกาถ้มชัยมงคลมีหลวงปู่ตองเฝ้าถ้ำอยู่กับเนนน้อยชื่อเนนเคนหลวงปู่ตองในท่านอายุ66แล้วยังแข็งแรงมีวิชาตัวเบาหรือว่าลุกเบาท่านแบกปูนหนักถุงละ25กิโลกรัมขึ้นไปสร้างพระเจดีย์บนยอดเขาภูลังกาวันละหลายเที่ยวสบายมาก ถ้าอยากจะรู้เรื่องลึกลับผีสางเทวดาปีศาจยากักษ์มานหรือว่ายาสมุนไพรก็ต้องถามท่านถามหลวงปู่ตองถ้าเป็นพระกรรมฐานปฏิบัติธรรมมีศีลเสมอกันท่านถึงจะเล่าให้ฟังเป็นคารวะาญาติโยมชาวบ้านท่านจะปิดปากเงียบไม่ยอมพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าขืนพูดไปก็จะเป็นความผิดเข้าขายอวดอุตริมนุษยธรรมอนะ่ไปเห็นในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่เห็นไปรู้ในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่รู้จะถูกปรับเป็นอาบัต หลวงปู่ตองเนี่ยเป็นคนบ้านน้ำเที่ยงตําบลบ้านซ่ง อ, อําเภอคำจาอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อตอนที่เรียนหนังสือจบป .4 พ่อแม่ก็อพยพครอบครัวหนีความกันดานแห้งแล้งมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านโนนสวนปออยู่ใกล้บึงโขงหลงเขตจังหวัดหนองคายแล้วท่านก็บัพชาอุปสมบทเมื่อปี2522ตอนนั้นอายุได้47ปีแล้วบวชเมื่อเข้าสู่วยชาราแล้ว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 ร่างกายก็เน่าเหม็นกลายเป็นอาหารของปุง๋งหนอนชอนชายกัดกินหน้าขยะขยงหน้าหวาดเสียวเหลือเกินใครคนไหนคิดว่าตัวเองรูปสวยรูปงามนั้นพอตายลงไปนอนขึ้นอืดอยู่ในโลงก็ต้องเน่าเปื่อยเละเทะเป็นปร า, ราปราเจ้าอะไรยังไงอย่างนั้นชีวิตคนเราเกิดมาด้วยล้วนหลงผิดอย่างที่พระศาสนาได้กล่าวไว้ว่าการร้องเพลงอนะดูไปแล้วก็เหมือนร้องไห้ การพอร้อนรำเต้นรำดุดเป็นอาการของคนบ้าเสียงหัวรเราะเฮาเห็นเหงือกเห็นพรานเป็นเหมือนอาการของเด็กทารกอมมือที่ทำอยู่ในบอกหลวงปู่ตองบวชในฝ่ายมหานิกายเป็นพระอยู่ในบ้านในเมืองไม่ค่อยจะถือเข่งในธรรมวินัยเท่าไหรนะ่นักเป็นที่รู้กันไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นพระฝ่ายศึกษาเล่าเรียนปริยติธรรม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 มีลานหินกว้างเหมาะที่จะเดินจงกรมดินฟ้าอากาศก็ดีลมเย็นพัดเย็นสบายกลิ่นดอกไม้ป่าก็หอมชื่นใจบรรยากาศสปายะวิเวกเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมมากเมื่อขึ้นมาอยู่บนภูลังกาแล้วหลวงปู่ตองก็ปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤตถือแข้งในข้อวัดปฏิบัติทุดงสิบสามเหมือนพระป่าทุกประการนั่นก็คือกินน้อยนอนน้อย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 และในช่วงนี้แหละที่ทำให้หลวงปู่ตองได้ประสบเข้ากับมิติเปรนลับกายของอกายลกจิตของท่านที่เป็นกายวิเวกจิตวิเวกเชื่อมโยงเข้าหาโลกวิญญาณหรือว่าโลกอันเป็นทิพย์คือโลกของพูดผีปีศาจยักษ์กษมาร น, นาคครุฑคนทันหรือว่าพวกบางบทรับแลเทพเจ้าเหล่าพรหมทั้งหลายหลวงปู่ตองเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าตอนนั้นประมาณสักทุ่มหนึ่งมืดสนิท อากาศเย็นกําลังสบายสบายท่านกําลังเดินจงกลมอยู่ที่พลานหินบนภูลังกาเสียงมแมลงกลางคืนจั ก, กจัน่นอ่าแล้วก็ไอตัวแม่ไม้ลองในเนี่ยส่งเสียงร้อง ก, องก้องกังวานกันไปทั่วขุนเขาท่านก็แหงนดูท้องฟ้ามืดตอนนั้นมีดวงดาวเกลื่อนกลาดเต็มท้องฟ้าไปหมดเป็นคืนที่น่าดูมากเบิกบานใจเสร็จแล้ว เสียงจักจรจันและแม่ไม้ลองในก็หยุดทรงเสียงกระทันหันหยุดปุ๊บเลยเกิดความเงียบสงัดอย่างแปลกประหลาดความมืดก็ทวีมากยิ่งขึ้นเดินไม่เห็นทางจงกรมเอ๊ะทาไมมันมือดอย่างนี้วันนี้แงนมองฟ้าก็ยังเห็นดาวส่องแสงระยิบระยับไม่ได้มีเมฆฝนปิดบังไว้แต่อย่างใดขณะที่ท่านกาลังยืนงงๆอยู่นั่นท่านจะเห็นแม่ชีนุ่งหม่มสีขาวเดินเข้ามาหาทั้งหมดห้าคน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 แต่ว่าไม่กลัวเพียงแต่ขนลุกเท่านั้นเพียงแค่นึกรู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองเสร็จแล้วหัวหน้าแม่ชีก็พูดชี้แจงพวกเราไม่ใช่ผีหลอกหลวงพ่ออย่าเข้าใจผิดพวกเราเป็นพรหมสมัยเป็นมนุษย์เป็นแม่ชีสำเร็จฌานพรหมนะ่ะไม่มีเพศหญิงพวกเราเพียงแต่แสดงร่างที่เคยเป็นแม่ชีให้ดูเท่านั้นเองผูหลังการนะ่ะเป็นแดนบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ดึกดาบรรลวงพ่อมาอยู่ที่นี่จะต้องฉันมังสวิรัต ขออย่าได้ฉันเนื้อสัตว์นะเจ้าคะหลวงพ่อก็พูดอะไรไม่ออกแต่จะยืนนิ่งเจ้ว่าถูกสะกดจิตก็ไม่เชิงนึกอยากจะถามแต่ก็ไม่รู้จะถามอะไรในที่สุดแม่ศีลลึกลับทั้งห้าคนนั้นก็ลาจากไปทั้งการมาและการไปนี่สวยงามมากย่อตัวลงคุกเข่ากราบแบบเบญจางข้าประดิษฐ์ลอยตัวอยู่เหนือพื้นตอนเข้ามาหาแต่ตอนนี้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 แต่ว่าบางท้องที่ก็ขาดขาดหายหายไปบ้างเพราะความไม่พร้อมในหลายๆอย่างคุณสวงเป็นคนบ้านนอกก็เลยได้คลุกคลีกับงานประเพณีมาตั้งแต่เด็กมีทั้งงานเศร้างานรื่นเริงแต่ไม่ว่าจะเป็นงานเศร้าหรืองานรื่นเริงก็ตามมักจะนำมาซึ่งเห่ร้ายแล้วก็จบลงด้วยความเศร้าซ้ำซ้อนเสมอโดยเฉพาะการทะเลาะวิวาทหรือว่าคอม็่นกันในงานแล้วก็ทําร้ายกันจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงตาย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 ชนิดได้ยินแล้วขนลุก ข, ขนชันเคยมีพระธุดงมาปักกลดบ่อยๆบางรูปก็เพ่นหนีจนจีวรเปลิววันคืนนั้นแหละแต่ก็มีหลายรูปที่อยู่ได้นานหลายวันหากไม่เกี่ยวกับเรื่องศพแล้วชาวบ้านก็ไม่อยากจะเข้าไปในป่าช้ากันนักหรอกเพราะมีแต่ศพคนตายหวงทั้งนั้นเรื่องความดุร้ายไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีคนหลายคนเจอมาแล้วคุณสมบงเคยไปร่วมงานฝังศพญาติญาติบ่อยครั้ง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 บุญบ้านของแฟนคุณสวงจัดก่อนบุญบ้านคุณสวงประมาณหนึ่งเดือนตอนแรกก็ว่าจะนอนค้างที่บ้านพ่อตาแม่ยายเหมือนกันแต่ก็เป็นห่วงวัวควายอ่าที่เลี้ยงเอาไว้ห้าหกตัวยิ่งขมโมยก็ชุมขนาดกลางวันแสกๆพวกมันยังต้อนเราไปเฉยเลยเมื่อไปถึงบ้านพ่อตาแม่ยายแล้วก็ต้องช่วยทำงานบ้านทั้งปัดกวาดทั้งทาความสะอาดอะไรที่รกรุงรัง รกหูรกตาเขเก็บเก็บไปทิ้งซะบ้างอะไรที่เผาได้ก็เผาทิ้งไปคุณสวงศ์ก็อยู่ช่วยงานพ่อตาแม่ยายจนกระทั่งครบคำ่ำถึงได้ขอตัวกลับและพ่อตาก็ได้เอาข้าวที่พึ่งไปเอามาจากโรงสีใหม่ๆให้คุณสวง์เอาใส่ท้ายรถกลับไปกินหนึ่งกระสอบปุ๋ยเย็นนั้นคุณสวง์ก็กินข้าวร่วมกับพ่อตาแม่ยายและญาติญาติของแฟนอีกหลายคนนอกจากข้าวปลาอาหารแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหล้า และเหล้าที่เอามาประดับวงข้าวก็คือสาโทที่พ่อตาหมักเองแล้วเพิ่งจะผ่าน้ำเมื่อเช้านี้เองพ่อตาทาไว้หลายไหยเพื่อตอนรับคนที่จะมาร่วมงานวัดและไหที่แกเอามาฉลองก่อนก็เพื่อจะชิมดูว่าได้ที่หรือเปล่าแต่รสชาติของสาโทคือนั่นก็ถือว่าเยี่ยมเพราะว่าออกหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆคุณสมงเองไม่เคยนานสาโทเท่าไหร่เพราะเคยกินแล้วเมาค้างอยู่สองาวันแทบจะลุกไม่ขึ้น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 ก็เลยดื่มแต่พอเหมาะพอควรตอนแรกก็กาว่าสักทุ่มวกว่าก็จะกลับแต่ทำไปทำมาก็เกือบสามทุ่มแล้วพอ่อตาแม่ยายก็บอกให้นอนด้วยกันแต่ว่าคุณสวงเป็นห่วงวัวและควายก็ขอตัวกลับและแฟนก็ตามลงมาบอกให้คุณสวงขับไปตามถนนใหญ่ไม่ให้ขับผ่านหน้าประชาเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วนั่นเองแฟนคุณสวงออกจะเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน ตอนที่ลงมาส่งก็สองจิตสองใจว่าจะกลับไปด้วยหรือเปล่าแต่คุณสวงศ์ก็บอกว่าจะกลับคนเดียวได้ไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้เช้าต้อนบัวต้อนไฟไปเข้าปูงแล้วจะแวะมาอีกทีซึ่งแคฟนแกก็พยักหน้าเอาตามนั้นคุณสวงศก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตามลําพังแต่เมื่อพ้นท้ายหมู่บ้านก็ตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางลัดเพราะถ้าออกไปทางถนนใหญ่ก็ต้องขับเลยไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้ววกกลับมาทําให้เสียเวลาปเปล่า แล้วแถมยังเปลืองน้ำมันซะอีกด้วยก็เลยตัดสินใจใช้ทางลัดแม้ว่าจะต้องผ่านป่าช้าก็ตามในใจนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเส้นทางนี้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาตั้งแต่เล็กจนแต่งงานก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรตอนออกมาจากหมู่บ้านก็ฮัมเพลงอยู่ในใจมาตลอดแต่พอใกล้จะถึงป่าช้ากลับทำไม่ออกเอาดือด้อๆแถมทําท่าขนลุกขนชันขึ้นมาอีกต่างหากแต่ไหนๆก็ตัดสินใจมาทางนี้แล้วแล้วก็เหลืออีกไม่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 เล่นเอาคุณสวงถึงกระจายหายว่าเบรกเยียบเกียบยยมั่วไปหมดก่อนที่จะเสียหลักล้มคนไปทางรถไปทางและกระสอบข้าวสารก็ขาดหลุดจากท้ายรถมอเตอร์ไซค์ล่นไปกองอยู่ทางเข้าป่าช้าพอดีคุณสวงก็หลุดปากออกมาเฮ้ย hey, ใครวะบ้าจิบหายไม่มีเสียงตอบมีตะลมที่พัดกันโชคมาวูบใหญ่พร้อมกลิ่นเหม็นอับโชยเข้าจมูก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้กิ่นอย่างนี้มาก่อนเครื่องยนต์ยังดังกระหึมอยู่แต่พอแกกป้มลงจับจะตั้งขึ้นเท่านั้นแหละมันก็ดับเอาไปดื้อแกก็รีบยกขาคล่มไปอีกทางแล้วก็ดันคันสตาร์ทออกก่อนจะสตาร์ทอย่างรวดเร็วเหมือนหัวเทียนบอดเพราะว่าสตาร์ทเท่าไรเท่าไรก็ไม่ติดตอนนั้นคุณสวงก็เริ่มรู้แล้วว่ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่แต่ความโมโหมันกลับมีมากกว่าความกลัวก็หลุดปากออกไปอีก มังติดสักทีสุดวะหัวเทียนบ้าเพิ่งจะเปลี่ยนใหม่ไม่กี่วันนี้เองว่าแล้วออกแรงสตาร์จนเทาระบมไปหมดแต่สตาร์ยังไงก็ไม่ติดอ่าจนต้องลงจากรถมอเตอร์ไซค์ลกเข็นเอาไปเพื่อไปให้พ้นจากบริเวณนี้แต่เข็นได้หน่อยเดียวก็สะดุดกึกเหมือนกับมีใครมาแตะเกียร์จนกระทั่งคุณสวงแทบจะขำมําแต่ที่แน่ๆก็คือความระบมที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะมีบาดแผลที่ไหนด้วยหรือเปล่า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 ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งข้าวสารก็ละเนรนาดอยู่ใกล้ๆนั่นเองแล้วอย่างนี้จะให้คุณสวงคิดเป็นอื่นไปได้ยังไงล่ะครับถ้าไม่ใช่ผีตะทองหรือว่าพ่อใหญ่ทองที่ชาวบ้านก็เรียกเนี่ยแกมีอาชีพหาของป่าขายมีเมียที่ใหญ่พยอมสองผัวเมียไม่มีลูก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 แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเช้าค่อยว่ากันอาจจะหาทางกลับได้แกก็นั่งมวนยาสูบใบตองที่ติดตัวมาทุกวันน้ำในกระบอกก็จนยังหมดตาทองก็ยกมือไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาไหว้เทวดาฟ้าดินขอให้คุ้มครองอย่าให้มีสาร้ายมารบกวนเมื่อท้องฟ้ามืดมิดก็เห็นแต่ั้างคาวบินออกหากินแกนั่งอยู่โคนต้นไม้ใหญ่มีกองไฟสุมไลยุง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 แสงจากกองไฟทําให้เห็นใบหน้าผู้ชายคนนั้นชัดเจนหน้าตาเป็ น, น่าเกรงขามใบตองกับยาเส้นเหลือเยอะไหมขอคาสูบ ส, สักมวนสิอ้าวได้เลยได้เลย อ, อ น, นี่ไม่ขีดไปแล้วนี่ใบตองกับยาเส้นแม่กาลังเหงาอยู่พอดีมีพี่ชายมานั่งเป็นเพื่อนก็ดีหน่อยเออผู้ชายแก่คนนั้นก็หัวเราะฮือออยู่ในลําค อ, อ, อขอบใจนะที่แบ่งยาเส้นให้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 เองเป็นอะไรไอ้ทองอื้อ ฉ, ฉันเห็นพี่ชายมีตะโคลงกระดูกอะเฮ้ยตาฟาดไปแล้วข้าก็เป็นน้องข้าอย่างนี้ฮะแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าฉันชื่อทองก็ข้าได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกเองนอนเถอะตะทองนี่อดปวาไม่ได้นอนหลับหลั บ, ลบตื่นตื่นแต่พอใกล้สว่างก็ไม่เห็นชายคนนั้นแล้วทางด้านยายพยายอมกับญาติก็นําเครื่อง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 แล้วก็แกก็ยืนยันด้วยว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับเมื่อต้นปี2530 คุณปีดาได้รับข่าวสะเทือนใจข่าวหนึ่งซึ่งตอนนั้นคุณปีดากําลังศึกษาอยู่ที่กรุงเทพข่าวที่ว่าก็คือหลานวัยเก้าขวบของแกถึงแก่ความตายแกก็แทบช็อกเลยทีเดียวเพราะว่าหลานคนนี้รักแกมากหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูไปที่ไหนไหนก็มีแต่คนเอ็นดูมีขนมก็ให้กินมีเงินก็ให้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆก่อนนั้นประมาณหนึ่งปี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 ในกลางเดือนพฤศจิกายนปี2530ทั้งภาคใต้น้ำกำลังจะนองเพราะเป็นช่วงเดือนสิบสองหลานชายของคุณปีดาแสดงลักษณะแปลกหลายประการเช่นไปโรงเรียนก็ไม่เป็นอันเรียนหนังสือนั่งเมือลอยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปกติเด็กจะมีนิสัยร่าเริงเข้ากับเพื่อนุูงเก่งแต่วันนั้นหงอยเหงาเงียบขรึมไม่เล่นหัวกับเพื่อนอย่างเคย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 ทั้งๆ ท, ที่น้ำก็ไม่ลึกมากแต่ว่ามิสสิษะผู้ใหญ่ยืนชูมือเท่านั้นแม้ในปี2533ก็มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ทีเดียวสองศพก็ที่ตรงบริเวณนั้นนั่นแหละตรงนั้นวันนั้นวันที่หลานตายเนี่ยเพื่อนๆแกวิ่งมาบอกว่าหลานคุณปรีดาตกน้ำตายเวลาประมาณสี่มงเย็นทุกคนก็วิ่งออกไปช่วยเหลือค้นหาศพกัญจ้าระวัน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 คุ้งคลองหลังบ้านพักอำเภอเขาไชยสนนั้นก็ยังปรากฏว่ามีคนนั้งเด็กผู้ใหญ่ตกน้ําตายอยู่ทุกปีจนกระทั่งบัดนี้แล้วจะไม่เรียกว่าแรงริษเจ้าที่ได้อย่างไรถ้าไม่เชื่อก็ลองสอบถามชาวบ้านเขาไชยสนอำเภอเขาไชยสนจังหวัดพัทลงุงดูนะครับคุณปรีดาว่าอย่างนั้นครับเรื่องแรงริษเจ้าที่นี่ครับในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัดเก่าแก่เป็นจํานวนมากวัดบางยี่หุนก็เป็นวัดที่สร้างประมาณปีพศ2350มีชื่อเดิมว่าวัดบางชีหุนมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางยี่หุนเมื่อพศ2420เจ้าอาวาสองค์แรกมีนามว่าหลวงพ่อแดงจเจ้าอาวาสองค์ต่อมาก็คือหลวงพ่อม่วงหลวงพ่อวาดหลวงพ่อดาหลวงพ่อป่วนหลวงพ่อเลื่อนและปัจจุบันก็คือท่านพระครู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 พอรถหายไปแล้วหลานก็รีบไปแจ้งความตำรวจก็รีบตั้งด่านสกัดแต่ก็ไม่พบรถหลานชายเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอลุงแกก็บอกว่าลุงเข้าใจความรู้สึกของเขาคนอื่นๆหากเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ยากที่จะทําใจรถคันนี้หลานซื้อมาด้วยเงินสดราคาเกือบเจ็ดแสนบาทสู้อุตสาเก็บเงินเก็บทองมาตั้งหลายปี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 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาัจยาัยอดรายงานตัวครับถ้าป่าทุดงกรรมาฐานนี่ท่านบินธบาติหนเดียวขบฉันครั้งเดียวสแสวงวิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรอย่างสถานที่สงบสงัดในป่าลึกเพื่อที่จะขูดเกากิเลสอย่างหนักท่านรู้ว่าความหิวเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับปัญหาก็คือความอยาก ก็ค่าความอยากด้วยการงดการขบฉันวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างฉันแต่น้ำพอให้ร่างกายมีความสดชื่นและเมื่อกิเลสมันยอมแพ้มีก็ฉันไม่มีก็ไม่ต้องฉันเอาไงเอากันจิตใจจะเบาสบายเมื่อตัดตัวความอยากออกไปได้เวลาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนากายเบาจิตเบาก็เข้าถึงองค์สมาธิได้โดยง่าย เวลาอยู่ในป่าเขาโคจริญวิปัสนากำหนดอารมณ์ปัจจุบันเป็นตัวปัญญานำพาตัวเองไปสู่ความหลุดพ้นเชกเช่นที่พระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านบรรลุธรรมพิเศษเป็นอริยบุคคลองค์อรหันมาแล้วเหลือที่จะขนานับย้อนอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2463 หลวงปู่ท่านหนึ่งถือกำเนิดในตระกูลชาวนาจังหวัดมหาสารคามเป็นน้องคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหกคนท่านเกิดวันจันพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อให้ลู ก, กว่าจันดีซึ่งหลายสิบปีต่อมาก็คือหลวงปู่จันดีเกษวนั่นเองเมื่อเติบใหญ่พอรู้ความท่านสงสารบรรดาสัตว์ที่ถูกฆ่าแกงเป็นอาหาร เกิดอาการปฏิเสธในจิตใจเพราะว่ากินเลือดกินเนื้อพวกมันไม่ลงชอบกินข้าวเหนียวกับพืชผักในสวนครัวที่มารดาปลูกเป็นกับข้าวให้โดยเฉพาะเพราะว่ารู้ว่าลูกไม่ยอมแต่ต้องเนื้อสัตว์ทุกชนิดเส้นทางธรรมของท่านเริ่มในปีพุทธศักราช2475ปีที่มีการล้มล้างการปกครอง พี่ชายของท่านเป็นทหารแต่อยู่ฝ่ายพ่ายแพ้ก็เลยถูกปราหน้าว่าเป็นพวกกบฏถูกจับไปติดตารางบิดามันดาเป็นผู้เลื่อมใสในพระาศาสนาเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าท่านบัพพชาเป็นสมัมเนินถือศีลเจริญภาวานาไหว้พระสวดมนต์อนุภาพแผงกรรมอันดีงามจะเกิดเป็นกระแสกิจทรงแรงบุญกุศลไปช่วยพี่ชายให้พ้นโทษได้เวลานั้นท่านเรียนจบชั้นปถมศี ตามเกณฑ์บังคับของกระทรวงเห็นว่าข้อเสนอของพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดีทำได้ไม่ยากก็เลยตกลงให้พาไปบวชที่วัดโพในจังหวัดมหาสรารคามเริ่มศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยเพื่อความเจริญก้าวหน้าในฝ่ายปฏิบัติระหว่างนั้นก็แววข่าวปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระทุดงกรรมฐานคือหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสา สอนบรรดาศิษย์ให้เข้าถึงภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของสาธุชนชาวอีสานก็เร่งเดินทางไปเรียนกรรมฐานกับสองหลวงปู่อันเป็นเหตุให้ท่านชอบการปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาตั้งแต่บัดนั้นพอใจในการเป็นพระป่าฝ่ายอรั ญ, ญาวาสีจาริกทุดงไปตามป่าตามเขาสแสวงวิเวกเพื่อทาความเพียรให้เข้าถึงโมฆะธรรม ขณะที่ยังเป็นสัมมาเนนแววข่าวห้าพระอาจารย์ผู้มีอาคมขลังจะรอนแรมข้ามโขงท่องทุดงไปยังภูเขาควายฝั่งเมืองลาวท่านจึงไปเสนอตัวขอเป็นผู้ติดตามรับใช้เพื่อจะเรียนรู้การท่องทุดงของจริงห้าพระอาจารย์ก็อนุโลมรับไว้ไม่ขัดข้องการทุดงหนแรกในชีวิตก็เต็ ม, มไปด้วยความตื่นเต้นหน้าสีหยดสยอง เนื่องจากห้าพระอาจารย์ตั้งใจจะไปตัดเหล็กไหลในถรมสะบัวบนภูเขาควายแต่เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์สำแดงฤทธิ์ร้ายกาจเหมือนสายฟ้าฟาดปิดชีวิตห้าพระอาจารย์มรณภาพได้ในพริบตาเดียวทั้งที่ห้าพระอาจารย์จากห้าสำนักมีกิตติศัพท์เป็นที่เลื่องลือในความมีอาคมขลังเดชบุญที่ท่านเรียนพระกรรมฐานจากหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสา เข้าถึงการมีสมาธิจิตพอสมควรถึงแม้จะอกสันขวัญแขวนที่พบเห็นซากศพห้าพระอาจารย์บ้างก็ศีรษะขาดกระเด็นบ้างแขนขาดขาดขา ด, ขา ด, ขาดบ้างก็ตัวขาดเป็นสองท่อนแต่ไม่มีโลหิตไหลาจากร่างอย่างลึกลับท่านก็ยังคุมสติได้อยู่สามารถเก็บเครื่องบริขารของห้าพระอาจารย์ รอนแรมเดินทางไปส่งข่าวให้ญาติสนิทมิสหายของแต่ละพระอาจารย์ได้ทราบข่าวการมรณภาพสแสดงถึงความเป็นสนัมเณรใจสิงห์ไม่หวั่นไหวแม้แต่ความตายปรากฏอยู่ตรงหน้าต่อมาไม่นานท่านยังมีโอกาสติดตามคณะทุดงอันนำโดยองค์พระประมาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็หลวงปู่สาวกันตาสีโล ย้อนกลับไปยังสถานที่สยดสยองซึ่งยังฝังแน่นตราตรึงอยู่ในความทรงจํานั่นก็คือถ้ำสะบัวบนภูเขาควายแต่การมาเยือนคราวนี้เหล็กไหลามาหาการเจอกู่ปรับสําคัญที่สามารถกําราบมันได้อยู่หมัดปิดตํานานเหล็กไหลเพชฆาตบนภูเขาควายในถ้ำสะบัวลงแต่เพียงเท่านั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่าท่านเป็นสนัมมณนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่มีประสบการณ์ทุดงอันตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่ทันได้บวชเป็นภิกษุแม้แต่พรรษาเดียวลุถึงปีพุทธศักราช2485ท่านอายุ22ปีบริบูรณ์ก็เข้ารับการอุปสมบทณพัธสีมาวสีบุญเรืองอำเภอมันจาครีรีจังหวัดขอนแกน่นมีฉายาในทางธรรมว่าเกสาโวภิกขุ ปีนี้เองท่านเข้าสอบเป็นมหาอีกปรากฏว่าสอบได้ป ร, ริญญธรรมสามประโยคแต่ไม่ได้ทอดทิ้งการปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าการปฏิบัติให้ได้ผลดีจะต้องอยู่ในสถานที่อันตรายหน้าหวาดกลัวจิตซึ่งมันซุกสนเหมือนกับลิงเหมือนกับข้างจะถูกความกลัวคอยปรามจะยอมสงบนิ่งอยู่กับที่แล้สอนให้เชื่อในทางธรรมได้ง่ายขึ้น ระหว่างบวชเป็นภิกษุสองในภาษาที่สองที่สามท่านไปเรียนคำพีมูลกระจายที่สำนักวัดบ้านหนองกุงกระต่ายการศึกษาคำพีซึ่งทางพระศาสนาถือว่าอยู่สายปริยัตแต่ว่างเมื่อไรท่านจะแสวงที่สงบสงัดนั่งเจริญกรรมฐานอยู่เป็นประจำบริเวณบ้านหนองกุงกระต่ายมีโดงใหญ่อยู่ดงหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันว่าดงตะกวด ร่ำลือกันหนาหูว่าผีดุมากแทนที่จะหวาดกลัวท่านกลับเลือกเวลาปลอดคนหลบเพืาไปนั่งบำเพ็ญตบะสมาธิในดงผีดุอยู่เสมอกระทั่งค่ำคืนหนึ่งท่านก็เจอดีเข้าให้ขณะนั่งสมาธิอยู่ในความเปล่าเปลี่ยวเพียงรูปเดียวท่ามกลางความสงัดเงียบของผืนป่าชนิดเข็มหล่นสักเล่มอย่างได้ยินอยู่ๆก็มีเสียงไม้หักผงผัง ทั้งที่ไม่ได้เกิดลมพายุมีอาการเหมือนกับป่าจะถล่มทลายลงด้วยอำนาจสิ่งลึกลับที่บองไม่เห็นดูเหมือนกับยักษ์กำลังเอาตะบองมหือมาฟาซ้ายป่ายขวาแวกป่าให้พังใกล้เข้ามาทุกขณะจิตหากเป็นชาวบ้านทั่วไปจะตกใจคุมสติไม่อยู่ลุกขึ้นวิ่งหนีตือเติดเปิดเบิงจนแทบไม่รู้ทางไปครั้นเห็นท่านยังอยู่ในสมาธินั่งสงบเฉยอยู่ตามเดิม เจ้าของเสียงเออะอะอารวาดก็เปลี่ยนเป็นกองทัพม้าห้อตะบึงอยู่ในความมืดวนไปเวียนมาอยู่ในราวป่าอย่างประสงค์ร้ายทำท่าเหมือนจะยกขยโงงทัพม้าออกมารุมเหยียบย่ำท่านพร้อมกับกรดนี่ให้แหลกละเอียดไปแวววเสียงม้ากระทืบกีบกับพื้นดินดังอึงอื้อไปทั้งสองหูใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแต่จจตที่ฝึกมาดีแล้วในย่อมมีกาลังแกล้กลา อีกทั้งก่อนจะออกมาทุดงควัตได้อธิษฐานตายตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินพ้นสุมประตูวัดเมื่อตัดสินใจเผชิญกับความน่ากลัวโดยไม่อะไรในชีวิตท่านก็สงบนิ่งอยู่ในสมาธิได้ตามเดิมปรากฏว่าเข้าถึงสมาธิขั้นสูงสามารถอยู่ในอิริยาบถนั่งสมาธิกลางดงผีดุได้ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนออกจากสมาธิแล้วก็รู้สึกกายเบาจิตเบา ปลอดโปรงโลงไปหมดความรู้สึกครั้งนั้นอยู่ในความทรงจำของท่านไม่รู้ลืมทำให้เชื่อถือคำสอนงองหลวงปู่มั่นที่ว่าการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยสถานที่น่ากลัวเป็นครูอบรมจิตถ้าประวันจิตกับภัยอันตรายจิตก็เลิกสุขสนรู้ธรรมเห็นธรรมได้ง่ายขึ้นสิ่งที่น่ากลัวนี่ไม่ใช่มีแต่พูดผีปีศาจอย่างเดียว เพราะว่าป่าใหญ่สมัยก่อ น, นยังมีอยู่หนาแน่นจนมีคำพังเพยว่าคืบก็ป่าสอกก็ป่าป่าใหญ่ทุกผืนย่อมมีสัตว์ป่าทําตัวเป็นเจ้าของบ้านพระป่าก็คืออคันตุ ก, กะที่ไปเยือนปีพุทธศักราช2485ช่วงที่เกิดสงครามมหาเอเชียบุรพา เกิดการรบราคาปวันเงินเป็นขนาดใหญ่ทั่วโลกท่านต้องหลบภัยสงครามท่องทุดงอยู่กลางป่าเพียงลำพังรูปเดียวมีอยู่คราวหนึ่งทุดงไปทางถ้ำเผาไหวซึ่งตั้งอยู่กลางป่าเขาลำนาไพรได้เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์หลายอย่างท่านต้องผเผชิญกับผีป่ารุคเทวดาตลอดจนสัตว์ดุร้ายอันว่าถ้ผาไหวแห่งนี้อยู่บนภูกระดึงจังหวัดเลย ปากถ้ำมีขนาดเล็กแต่ใหญ่กว่าประตูบ้านคนลอดเข้าไปได้มีแต่ทางเข้าไม่มีทางออกทะลุไปที่อื่นมองจากปากถ้ำก็เห็นแต่ความมืดทมึนสมกับที่เขาพูดกันว่ามืดเหมือนเข้าถ้ำก็เลยไม่รู้ว่าข้างในถ้ำมีอะไรรู้เพียงเป็นที่อยู่ของผู้งูสรตพัดเช่นงูจงอางูงเหลือมแล้วก็งูอื่นๆที่เรียกไม่ถูก ท่านก็เลยนั่งบนหลังคาถ้ำอันเป็นสันเขาหันหน้าไปทางทิศเหนือถอนจิตจากสมาธิตอนใกล้รุ่งเสร็จแล้วก็ลงไปบินธบาต ท, ที่หมู่บ้านเชิงเขางูก็เลือ้อยจากถ้ำไปหากินของมันตอนขาลงปรากฏว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่มากสวนทางขึ้นมาพอดีพอเห็นท่านมันก็เลือ้อยหลบไปก่อนจะหลีกทางงูจงอางก็ผงกหัวให้แล้วแนบหัวติดพื้น พงโคกหัวก็คือไหว้และหมอบกราบเออเป็นสัตว์ที่รู้ภาษาอย่างน่าอัศจรรย์กราบเสร็จก็เลื้อยหลีกทางให้ท่านท่านก็บินธบากลับมาทำภารกิจคือขบฉันแล้วเสร็จก็นั่งกรรมาฐานอยู่ปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งเลื้อยไปอยู่บนต้นตะแบกและต้นตะเคียนซึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็เลื้อยลงมาบนบ่าท่านมาหยุดหายใจอยู่ข้างหูเสียงดังโครแคร์ครแครกคล้ายๆแมวหายใจ ครู่หนึ่งก็เลื้อยกลับขึ้นต้นไม้ไปตลอดเวลาดังกล่าวท่านกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เกรงมันตกใจจะฉกเอาพอขึ้นไปอยู่บนต้นไม้มันก็ส่งเสียงร้องงงงงงไฝยงูเหลือมเพื่อนน้องมันอยู่ข้างล่างก็ร้องขานรับเหมือนกับเสียงกระดิ่งยิงยิง้ิตัวที่อยู่บนต้นไม้ก็คืองูเหา่าตอนร้องทีแรกเนี่ฟังเหมือนกับน้ำเดือดปุดปุ ด, ปด ฟังไปอีกหน่อยเสียงใสก็ดังขึ้นงองงงงองแสดงว่างูก็มีภาษาเป็นของมันเองมันส่งภาษาคุยกันคุยกะงูเหลือมรู้เรื่องหากไม่ใช่พระธุดงผู้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบแผ่เมตตาอยู่เป็นนิสิจะไม่มีวันได้พบเห็นเหตุหนาอัศจรรย์เช่นนี้เป็นอันขาดส่วนเรื่องผีสางนี่ท่านเริ่มเจอตอนเป็นคาระวะอายุประมาณหกขวบจําความได้แล้ว อาศัยอยู่บ้านซึ่งปลูกอยู่ในป่าวันนึงอยู่กับพี่สาวคนโตรองจากพี่ชายซึ่งเป็นคนหัวปีเพราะตกค่ำช่วงเข้าใต้เข้าไฟกำลังพลเพละปรากฏว่ามีผีกองกอยพลจากราวป่าใกล้บ้านเห็นชัดว่าตัวมันมีขนาดเท่าเด็กอายุสักห้าหกขวบลักษณะของมันหัวแหลมหน้าแหลมคล้ายหัวลิงตัวผอมเรียวแต่ว่าขาตุปตุเป เวลาเดินกระโผูกระเพกพี่คนเดินเอามือกุม อ, อกมาด้วยกันสามสี่ตัวมาหาหอยขมที่ลำห้วยใกล้บ้านกินกันผีกองกอยเอาหอยขมในลาห้วยมาวางซ้อนกันเหมือนเจดีย์สูงประมาณหนึ่งศอกไม่ล้มคนเรานี่ทำอย่างมันไม่ได้หรอกมันวางเรียงสูงเป็นศอกก่อนที่จะกินท่านนั้นไม่เคยเห็นมันกินคนเห็นแต่มันเข้าสิงร่างผีกองกอยนะมันร้องวันัก วันสักแต่เวลาเจอเหยื่อถูกใจมันจะเอ่ยเป็นภาษาคนออกมาคำวันนั้นมันร้องเรียกชื่อพี่สาวคนโตของท่านว่าแดงแต ง, แตงพอพี่สาวได้ยินมันขานชื่อก็ล้มพับสลบเหมือดไปทันทีส่วนผีกองกอยตัวที่ขานชื่อพี่สาวก็หายวับไปกับตาต้องไปตามหมอผีมาช่วยไล่ หมอผีสมัยนั้นมีค dominate, าถาแก่กล้าทำพิธีไล่พักเดียววิญญาณมันก็ยอมออกจากร่างพี่สาวตปได้สายสินกระโดดยงยงออกไปในสภาพ osaic, เป็นผีกองก่อยตามเดิมเหตุการณ์พิลึกพิลั่นนี้มีท่านเห็นคนเดียวพวกชาวบ้านเป็นขยงที่แห่มาดูการไล่ผีไม่มีใครเห็นผีสักคนเออก็ were, อแปลกดีอันแสดงว่าท่านมีจิตสัมผัสตั้งแต่ยังเป็นเด็กอายุหกขวบ สำหรับผีปอบนี่ท่านเล่าว่าผีปอบเนี่ยมันเกิดจากผีเปรตเปรตก็คือคนทำบาปอย่างหนักเช่นคดโกงทรัพย์ของคนอื่นเขาจนสิ้นเหนื้อประดาตัวคบชู้สู่ชายชายก็คบชู้สู่สาวหรือว่าเคยเป็นนายทุนหน้าเลือดเรียนมนต์ดำศาสตร์มืดจนควบคุมไม่ได้คนพวกนี้ตายไปเป็นเปรตภาษาไทยว่าเปรตภาษาลาวว่าปอบเปรตกับปอบก็อันเดียวกันนั่นแหละ น้ำหนับเปรตที่จะเป็นผีปอบนี่จะชอบเข้าสิงคนเมื่อหมอผีใช้อัาคมบังคับให้สารภาพว่ามันเป็นใครหมายถึงเคยเป็นปอบเชื้อหรือว่าเป็นปอบอาคมที่ทําผิดครูจนมีปอบสิงอยู่ในร่างแต่อาศัยมีวิชาดีก็ส่งปอบจากร่างไปสิงคนอื่นเวลาถามว่ามันเป็นใครมันจะตอบทรงเดชอ้างว่าเป็นนายกอนายขอทั้งที่สองคนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย ท่านเองตอนบวชได้หลายภรษามีพลังจิตแก่กล้าเคยรับนิมนต์ไปช่วยญาติโยมเขาไล่ผีปอบที่บ้านเหล่าใหญ่บ้านหนองใส่บ้านป่าม่อบ้านอื่นๆอีกหลายแห่งพอไล่ออกจากคนนี้มันก็ไปเข้าสิงคนโน้นเว้นซะแต่ว่าตอนมันเข้าครั้งแรกสามารถบังคับให้สารภาพความจริงได้ว่าร่างจริงของมันเป็นใครก็ไปไล่ออกจากร่างคนคนนั้น ถ้าคนไหนรู้ตัวว่าเป็นผีปอบไม่พยายามหาทางรักษาให้หายก็จะกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจถูกขับออกจากหมู่บ้านถ้าไม่ยอมไปชาวบ้านก็จะทาร้ายจนกว่าจะยอมไปเองโดยดีย้อนอดีตสมัยรัชกาลที่ห้าถ้ามีใครเป็นปอบอาคมหรือว่าปอบผิดครูทางการเขาจะเอาตัวไปไว้ที่บ้านโคกทโรโออยู่ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดจนชาวบ้านอื่น เขาเรียกหมู่บ้านแห่งนั้นว่าบ้านโคกทะโร่ผีปอบทางการก็มีหมอผีไว้สอดส่องดูแลพวกปอบมันมีสั ญ, ญลักษณ์พิเศษมองปราดเดียวก็รู้ว่าคนไหนเป็นผีปอบก็ให้เจ้าพนักงานจับไปไว้รวมกันในที่แห่งเดียวใครไม่รู้เหนือรู้ใต้ถ้าไม่มีวิชาแก่กล้าพอคุ้มตัวผ่านไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นก็มีาตายอย่างเดียวสมัยก่อนอาจารย์ชมนเป็นคนมีวิชา ขณะจอมขมังเวทแต่ระหว่างเดินทางเอาควายไปขายทางใต้ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของอาถรรย์ยังต้องขอแรงพวกปอบหมู่บ้านนี้ไปเป็นเพื่อนเพราะว่าปอบบางคนเก่งเรื่องคาถาอาคมพอไว้ใจได้ตอนที่เกิดศึกห่อระหว่างที่มีพวกกินห้อยกมาทําศึกทางการเขายังเอาพวกที่เป็นปอบอาคมไปต้านศึกห่อแล้วก็สามารถปราบพวกห่อได้สําเร็จ รู้ถึงปีพุทธศักราช 2,500 หลวงปู่จันดีท่านมีอาวุโสสูงพรรษาแก่กล่าขึ้นก็คิดว่าเราแก่แล้วว่าจะไปหาที่สงบสงัดบําเพ็ญเพียร เ, เพื่อความเจริญทางธรรมให้ได้มรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งที่มีอยู่สี่ขั้นเช่นโสดาบันสกิทาคามีเป็นต้น ก็เลยเดินทางรอนแรงไปยังวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่มีชื่อวัดที่แน่นอนเขาเรียกกันว่าภูวัดมีมาก่อนบ้านภัยซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอชนบทที่นั่นเจ้าป่าเจ้าเขาแรงมากเขี้ยนขนาดหนักก่อนหน้าที่ท่านจะไปอยู่มีภิกษุรูปหนึ่งคือพระครูปลัดป้อเป็นผู้มาอยู่เป็นครั้งแรกท่านพระครูมานั่งทางใน คงจะเห็นของดีมีคุณค่ามากที่นี่เสร็จแล้วเกิดความอยากได้ก็เลยหอบพิ้วเครื่องอัฐิบริขารมาอยู่ประจํานั่งทางในเพ่งกันให้เป็นหลักเป็นฐานเอาจริงเอาจังจนเห็นของมีค่าด้วยตาเปล่าได้สมใจแต่ไม่กําหนดจิตถามไม่แน่นอนสัก่อนว่าเขามอบให้ท่านพระครูหรือว่าแสดงให้รู้เฉยๆว่ามีอยู่จริงทัานก็เลยเกิดความโลภอยากจะได้ของนั้นมาเป็นสมบัติของตัวเอง พอลุกขึ้นจากนั่งกรรมฐานไปหยิบขึ้นมาบังเอิญสะเรพ้าทาของหล่นจอมหายลงไปในบึงใหญ่ท่านพระครูเกิดความเสียดายอดรนทนไม่ไหวลงไปแหวกว่ายควานหาในน้ำทั้งที่น่าจ ะ, ะเฉลียวใจว่าอยู่กลางป่าใหญ่ไม่มีแหล่งน้ำเลยสักแห่งแต่ด้วยอำนาจเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่ทราบได้ท่านพระครูเห็นแต่น้าเจิงนองเป็นทะเลหรือว่าบึงขนาดใหญ่ลงไปไว่ายน้ากระเสือกกระสน ตามหาของมีค่าคืนยันรุง่งตกถึงตอนเช้ามีชาวบ้านผ่านมาเห็นท่านพระครูกำลังไหว้บกเนื้อตัวแขนขาถลอกปอกเปิกชาวบ้านก็เดินไปใกล้ๆไปถามว่าอาจารย์ทำอะไรอยู่วะเสียงทักของชาวบ้านทำให้ท่านพระครูได้สติมองซ้ายมองขวาหน้าหลังก็เห็นแต่ป่าดงพงพี ก็เลยลุกขึ้นมานั่งอย่างสะบักสะบอมแล้วก็เล่าความจริงให้ชาวบ้านฟังทํานองว่าวัดป่าแห่งนี้เฮี้ยนมากสร้างภาพลวงตาให้เห็นของมีค่าตกน้ำทําเอาท่านพระครูหลงไหว้น้ำอยู่บนบกแทบแย่เนื้อตัวระบมต้องทําแผลอยู่หลายวันกว่าจะหายขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ในหลวงปู่จันดีท่านอยู่ที่วัดบ้านโนนสานัก อำเภอมันจาเครีรีจังหวัดขอนแก่นมีชาวบ้านบ้านน้อยซึ่งตั้งอยู่ทิ่จีสารเขาวัดป่าพากันมานิมนต์ท่านให้ไปช่วยไล่ผีหน่อยพวกชาวบ้านกำลังมีทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเฮียนมากเล่นงานพวกเขาอย่างหนักชาวบ้านอยู่ๆก็ตายอย่างลึกลับแค่ปวดหัวนิดหน่อยตอนเช้าพอตกเย็นก็ตายเรียกว่าคุกคามกันถึงขั้นเป็นเช้าตายเย็นเป็นเย็นตายเชา้า อุสาย้ายจากที่เดิมมาทำหมู่บ้านอยู่ใหม่ชื่อหมู่บ้านน้อยเรื่องร้ายๆก็ยังตามมารังควาไม่หยุดยอนเมื่อหลวงปู่รัฐนิมนต์แล้วเดินทางไปช่วยเรื่องน่ากลัวก็สงบไปไม่มีการตายอย่างลึกลับเกิดขึ้นอีกส่วนท่านเองพอมาอยู่ได้ไม่นานก็รู้สึกว่าวัดป่าแห่งนี้สงบสงบดัดดีไม่ไกลหมู่บ้านมากนักออกบินทบาทได้สะดวกจัดเป็นสถานที่สปัปเะคืออยู่แล้วถูกจริต น่าจะเป็นที่นั่งกรรมฐานอ่ดีทุกอย่างก็เลยเอาช็อคไปเขียนตามก้อนหินทุกก้อนว่าเจ้าของมาแล้วพวกท่านทั้งหลายจงยินดีเถิดอาศัยเหตุที่ก้อนหินที่นี่ทุกก้อนมีลักษณะกลมๆเหมือนรูปพระจันทร์เมื่อท่านมาอยู่ดูแลวัดวัดก็เลยมีชื่ออย่างเป็นหลักเป็นฐานว่าวัดป่าหินเกลื่องวิปัสนาเกลื่องแปลว่าพระจันทร์หินเกลื่องก็คือหินพระจันทร์ แต่เวลาเรียกวัดหินพระจันทร์ฟังดูยังไงยังไงอยู่ไม่รู้ก็เลยเรียกกันว่าวัดป่าหินเกล้องวิปัสนามาตราเท่าจนถึงทุกวันนี้ตอนที่ท่านมาอยู่ดูแลพัฒนาวัดป่าแห่งนี้ระยะปีสองปีแรกไม่พบเห็นสมบัติพระสถานอะไรในสมาธิสักทีเลยสองปีแล้วก็ยังไม่เห็นเนื่องจากไม่มีความโลภแต่พออยู่ได้สองปีกว่าก็เกิดนิมิตในสมาธิ หรือที่ชา บ, บ้านก็เรียกกันว่านั่งทางในเห็นสิ่งต่างๆกันเช่นเทวดาหรือว่าเทพรักษ์ที่รักษาป่าแห่งนั้นอยู่คงเห็นท่านไม่มีความโลภโมโทสันก็เลยมาแสดงให้เห็นในนิมิสสมาธิเป็นห้องถงใหญ่เต็มไปด้วยทองคาแท่งบ้างพระพุทธรูปบ้างบางต่างๆทรงคุณค่ามากมายมหาศาลตีเป็นจานวนเงินไม่ถูก ระบริเวณวัดป่าหินเกลือในสมัยโบราณเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพเก่าเป็นพวกผีสางวิญญาณต่างๆสมัยยังมีชีวิตเป็นคนผิวขาวเหมือนสำลีไม่ทราบว่าเป็นชนเผ่าไหนกันแน่และมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ไปอยู่วัดป่าได้ไมน่นานท่านทําทางไว้เดินจงกรมสําหรับเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งกรรมาฐานโดยที่หัวจงกรมอยู่ทิศตะวันออกท้ายจงกรมอยู่ทิศตะวันตก ตกถึงตอนกลางคืนก็จุดเทียนปักไว้บนฝั่งหัวฝั่งท้ายของทางเดินเป็นกำหนดให้จำได้หมายรู้คืนนั้นระหว่างที่ท่านกำลังเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ๆก็มีปีศาจตนหนึ่งเดินจงกรมแข่งกับท่านมันมาเป็นร่างดำตะคุ่มตะคุ่มเดินเคียงคู่กันแบบก้าวต่อก้าวแล้วทรงเสียงถามขึ้นอย่างเย็นยเยือกถึงไขสหลังว่าทาอะไรอะ พอเดินไปใกล้แสงเทียนเล่มใหญ่ที่จุดสว่างอยู่เจ้าพิสตาภูริอ่านเดินจงกรมบ้างก็เดินตัดหน้าท่านก่อนจะหายวับไปกับตาเท่าที่ท่านเหลือบดูรูปร่างลักษณะก็เหมือนคนสูงสูงเท่ากับท่านพอเดินเข้าไปถึงท้ายทางเดินจงกรมทิศตะวันตกรลายเป็นว่าสูงกว่าคนธรรมดามากแต่เมื่อใกล้จะถึงเทียนซึ่งปักไว้ตรงนั้นก็เดินตัดหน้าเป็นซ้ำสองแล้วก็ถามขึ้นอีกว่า ทำอะไรอยู่อ่ะเดินมาคราวนี้เสียงร้องถามสแสดงว่าเกิดความสงสัยจนเต็มกลั้นท่านก็เลยบอกไปว่าเดินเพื่อเอามักผลนิพพานมันจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านอธิบายหรือเปล่าไม่รู้แต่มันหายวับไปแล้วก็ไม่มาไม่มาเดินจงกรมล้อเรียนท่านอีกเลยตลอดคืนวันั้นส่วนท่านการเจอผีเข้าอย่างจังก็ทําเอาสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวไปเหมือนกัน เพราะว่าปีนั้นบวชมาได้ประมาณ 14, 15, สาิบสี่สิบห้าพรรษายังตัดกิเลส ท, ที่ชื่อความกลัวไม่ได้อย่างเด็ดขาดคือไม่หวาดกลัวจนวิ่งหนีผีจีวรปลิวกบุญแล้วแต่ความตื่นเต้นระทึกใจก็ยังพอมีอยู่เพราะว่าคนต่างจังหวัดนี่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกประกอบกับผีเป็นอาสาธาณะคือสิ่งสยองไม่ใช่ของที่ใครจะพบเจอกันง่าย แต่ว่าท่านคุมสติได้มั่นปฏิบัติธรรมกรรมฐานต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะเดินจงกรมในตอนพลบค่ำของวันต่อมาท่านได้กวดน้ำคว่าขันแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศลผลบุญที่ได้ปฏิบัติธรรมถือศีลเคร่งครัดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพวิญญาณทั้งหลายไปร่างสยองก็หายสาบสูญโดยไม่มาปรากฏให้ท่านเห็นอีกเลย ยังไรก็ตามวัดป่าหินเกื่องวิปัสนาเมื่อหกสิบปีก่อนครับยังมีป่าใหญ่ห้อมล้อมทั้งสี่ทิศแปดทางบรรดาผีสางโดยเฉพาะผีดงผีป่านิจเฮียนมากขณะศรัทธายาโยมจากกรุงเทพในยกขบวนมากราบนำมัสการท่านตอนกลางวันแสกแสงแดดแผดจ้าไปทั่วผืนป่าผีดงก็ยังสำแดงร่างให้เห็น เป็นหมูป่าเกี้ยวงงเดินดุมดุมตรงมาอย่างกลุ่มคนแล้วร้องถามเสียงดังๆว่าหลวงพ่อหลวงพ่อมีพวกมาหาเหรอเสียงถามนี่ดังสะท้อนกลับไปกลับมาก้องอยู่ในป่าเออเหมือนกับเสียงเซนเซราวในหนังท่านก็เลยตอบมันไปว่าถามทำไมอ่ะที่นี่เป็นวัดนะไม่ใช่บ้านคน สิ้นเสียงตอบจากท่านหมูป่าพูดภาษาคนก็เดินอาจอ่านหายลับไปในป่าใหญ่ข้างวัดํำเอาศรัทธาญาติโยมชาวกรุงเทพตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่นึกว่าจะโดนผีหลอกกลางวันแสกๆเวลาปัจจุบันขณะที่ท่านนำประวัติตลอดช่วงอายุเจ็ดสิบกว่าปีมาเล่าให้บรรดาสิทธิ์ได้รับฟังท่านบอกว่าเรื่องมันมีอยู่อีกเยอะเล่ากันไม่รู้จบรู้สิ้นหรอก เหตุที่เมื่อก่อนนี้ท่านยังไม่เล่าก็เพราะเห็นว่าประวัติของท่านไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรถึงขั้นจะต้องไปเล่าให้คนอื่นรู้วันที่ตัดสินใจเล่าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสําคัญขึ้นมาแล้วเป็นแต่เห็นความปรารถนาดีของญาติโยมที่ประสงค์จะให้ประวัติของท่านได้ถูกบันทึกไว้เท่านั้นอย่างไรก็ดีครับไม่ว่าสรรพสิ่งใดๆในโลกย่อมตกอยู่ภายใต้กฎแห่งบัตรไตลักอณิจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุก์ อนัตตาในไม่จิรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติหลวงปู่จันดีเกษาโวได้เป็นพุทธบุตรช่วยประกาศพรศะสัจธรรมอย่างเนิ่นนานถึงอายุเจ็สิเก้าปีบวชได้ห้าสิบเจ็ดพรรษาท่านได้ละสังขารอันไม่เที่ยงสู่สัมปรายภพตามควรแก่ภูมิจิตภูมิธรรมซึ่งใครก็พยากรณ์แทนท่านไม่ได้ว่าท่านบรรลุ สู่คลองของถ้มขีดขั้นไหนเมื่อวันที่14เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2542ครับมีเรื่องแปลกๆที่เป็นประสบะการณ์ข้างในประเสริฐในสวยและในบุญเหลือ สิทธิ์ติดตามหลวงพ่อจุนอภินัท์โจากลบบุรีไปพิษณุโลกได้เล่าไว้ว่าเขาตามหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ที่พิษณุโลกตอนนั้นที่วัดใหญ่เขาจัดพิธีพุทธาภิเศษหลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปนั่งปลกปลุกเสกหลวงพ่อก็เตรียมตัวไปงานโดยขึ้นรถของลูกศิษย์ที่จัดถวายที่ลบบุรี ปลายทางก็คือพิษณุโลกขึ้นรถก่ตอนเช้าไปฉันเพนกลางทางแล้วก็ไปถึงวัดนางพญาก่อนวันงานวันหนึ่งหลวงพ่อนี่ยไปงานที่พิษณุโลกหลายหนมีลูกศิษย์ลูกหามากันมากมารู้ว่าหลวงพ่อจะมาร่วมปลุกเสกที่วัดใหญ่พิษณุโลกกุฏิที่พักก็เลยดูแคบไปถนัดใจเพราะว่ามีผู้คนแห่กันมานมัสการหลวงพ่อ มาขอของดีบ้างให้ท่านใช้เท้าเหยียบหัวบ้างให้ท่านไล่ผีให้บ้างหลวงพ่อท่านเป็นพระมีเมตตาก็ไม่ขัดใครแต่พอได้เวลาที่ท่านจะพักผ่อนทำสมาธิท่านก็จะยุติแล้วก็มาทำกิจของท่านคืนนั้นปรากฏว่ามีคนไข้มาคนหนึ่งเขาถูกหามมาหาท่านเพราะว่าหมดสติหลวงพ่อเอาน้ำมนต์พรมพอน้ำมนต์ออนนถูกตัวก็ลุกขึ้นนั่งหลับตา หลวงพ่อก็เอาที่ปัดน้ํมนต์คอหัวแล้วก็บอกว่าลืมตาขึ้นมาดูทีแล้วว่าแน่แค่ไหนคนไข้ลืมตาทันทีทุกคนเห็นแล้วสยองมีแต่ตาขาวไม่รู้ตาดำไปอยู่ไหนจ้องมองดูหลวงพ่ อ, อย่างประสงร้ายหลวงพ่อเอาที่ปัดน้ํมนต์จุ่มลงไปในขันน้ามนต์แล้วสวดเสียงดังขนไม้ปัดน้ามนต์เป็นวงเวียนจากซ้ายไปขวาเป็นทักษิณาวัด พอได้ที่ก็เอาปัดน้ํามนต์ซัดน้ำมนต์ไปที่ตัวคนไข้แล้วก็เอาปัดน้ำมนต์ตีลงไปกลางกระหมอ่อมสามสี่ครั้งโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนยังกระน้ําลวกโอ้ยเก่งก์ฮะเก่งนักกับพระองค์นี้อ่านึกว่าธรรมดาข้ามถิ่นมายังจะเก่งอีกแน่จริงไปเจอกันที่บ้านไทยขอดอนดิจะได้เห็นดีกันวันแน่จริงไหมหลวงพ่อจันัวเราะฮือ ก่อนจะโบกมือให้ทุกคนถอยห่างออกจากตัวคนไข้ท่านหยิบขันน้ำมนต์ขึ้นมาวางอ่าวางปัดน้ำมนต์ลงก่อนที่จะคว่ำปากขันน้ำมนต์ลงบนหัวคนไข้แล้วก็กดแช่เอาไว้ร่างนั้นดิ้นพลาดพลาดแต่ไม่อาจจะล้มตัวลงนอนได้เพราะหลวงพ่อกดขันน้ำมนต์ครอบไว้โอ๊ยหัวแตกเป็นเสียงเสียงแล้ว ใครเอารักคังมาครอบโอยโอ้ ย, อยตายแล้วไม่ไหวแล้วตายแล้วตายแล้วพอหลวงพ่อยก ข, ขันน้ามนต์ขึ้นร่างนั้นก็ล้มหงายลงกับพื้นส่งเสียงคลอกอกแล้วแน่นิ่งไปพอรู้สึกตัวก็เป็นคนธรรมดามองดูคนที่มามุงหน้าตาเหลือรลาเหมือนกับไม่รู้สึกตัวกำนันบุญดีพาคนไข้มาก็กา ร, ราบปรารถนาหลวงพ่อจุนไปที่บ้านไผ่ขอดอนกำนันก็บอกว่า หลวงพ่อช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเนะครับมีผีอยู่ห้าหกตัวเข้ามายึดประช้าผีดิบเดิมที่ท้ายบ้านไผ่ขอดอนไม่ห่างจากวัดไผ่ขอดอนเท่าไรนะแล้วก็เข้าสิงชาวบ้านกินเครื่องเส้นหลายรายที่หาหมอผีมาสู้ผีมันก็เล่นงานเอาจนตายคนที่พามาให้หลวงพ่อรักษาก็โดนเหมือนกันจนไม่มีใครกล้ามาช่วยมันก็กล้าท้าหลวงพ่อไปสู้กับพวกมัน หลวงพ่อจุนท่านไม่ว่าอะไรนั่งหลับตาอยู่ครู่ใหญ่ก็ลืมตาขึ้นรับปากกับกำนันบุญว่าจะไปช่วยกำนันบุญก็พาคนไข้กลับไปรอที่บ้านญาติเมื่อหลวงพ่อเสร็จกินนมูลแล้วจะมาพาหลวงพ่อไปที่บ้านไผ่ขอดอนหลวงพ่อเดินทางตามรถที่กำนันบุญนำทางไปชาวบ้านเขาเรียอะไรเงินกันถวายเป็นค่าน้ำมันรถ หลวงพ่อท่านจะไม่เอาแต่คำนันบุญบอกว่าหลวงพ่อมาช่วยก็ดีแล้วครับเติมน้ำมันให้ก็เป็นกุศลกับพวกชาวบ้านเขาด้วยเมื่อไปถึงวัดไผ่ขอดอนหลวงพ่อก็เข้าจำมันษาที่กุฏิรับรองที่จะเอาว่าจัดไว้ให้โดยหลวงพ่อบอกว่าพรุ่งนี้จะออกดูทำเลว่าจะทำยังไงกันดีคืนนั้นเองก็มีเสียงสุนัขหอนวนไปรอบรอบหมู่บ้านเหมือนกับผีออกสำรวจดูว่าจะเล่นงานใครบ้าง ทุกคนต่างก็หวาดกลัวว่าจะถูกทำร้ายก็เก็บตัวในบ้านเงียบสุนัขหอนออกจากหมู่บ้านไปยังรอบวัดจนทุกคนที่อยู่ในวัดผิดสังเกตหลวงพ่อจุนท่านนั่งภาวนาทั้งคืนจนรุ่งสว่างเมื่อหลวงพ่อฉันพระตาหารเช้าแล้วก็พูดจะกำนันบุญพวกมันมาทารบเมื่อคืนนี้มันบอกกับฉันว่าฉันแน่แค่ไหนพวกมันเป็นผีนายปรชาช้าเจ็ดวัด รวมตัวกันมาสิงอยู่ที่ป่าช้าท้ายบ้านไผ่ขอดอนหมอผีที่วันแน่ยังต้องลาถอยแน่จริงให้รับมือมันคืนนี้หลวงพ่อออกเดินดูป่าช้าผีดิบท่านให้เหลาไม่ไผ่ไปด้วยเป็นไม้ยาวประมาณสองคืบปลายปาดเป็นเหลาเมื่อท่านกำหนดที่ให้ตอกไม้ไผ่ลงไปทีละอันทีละอันจนครบแปดอันแปดทิศ ท่านบอกว่าเป็นการสกัดไม่ให้มันหนีไปไหนได้ไม่งั้นพอมันถูกอาคมเข้าก็หนีไปพักหนึ่งพอหลวงพ่อกลับไปแล้วมันก็จะมาอีกผีพวกนี้มันเป็นผีไม่ธรรมดาเหมือนผีทั่วไปเป็นผีหัวโจกที่มีฤทธิ์พอสมควรหลวงพ่อให้ปลูกประรัมพิธีขึ้นกลางป่าช้าผีดิบวงสายศีลไวรอบประรัมมีราชวัตรฉัดทงพร้อมสารเพียงตาหลวงพ่อ บอกกับกำนันบุญว่าให้จัดคนกล้ามาสิบคนมาอยู่กับท่านทำตามที่ท่านสั่งเมื่อทุกอย่างได้ถูกจัดทำเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจุนก็ให้นำเครื่องเส้นมาวางที่ศาลเพียงตาท่านก็ทาพิธีบวงสรวงขออัญเชิญท่านท้าเวสุวรรณและจะตุโลกบาลทั้งสี่องค์มาเพื่อบอกว่าบริวารของท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ที่เป็นมิจฉาทิฐิ ก่อกรรมทำเข็นกับชาวบ้านพระจะทำลายให้ย่อยยับไปก็ได้แต่ไม่ทำจะไล่ออกไปไม่หวนกลับไม่อีกเท่านั้นท่านสั่งให้ชาวบ้านอยู่ในบ้านพอพระทิตย์ตกดินให้ปิดบ้านจุดธูปสวดมนต์ทุกครัวเรือนแลว้วก็อย่าส่งเสียงตอบเสียงแปลกๆที่ได้ยินเพราะว่าพวกผีร้ายมันจะออกหลอกลวงชาวบ้านเพื่อสิงให้ไปขัดขวางการทาพิธี เพราะหากสิงร่างคนเข้าไปแล้วจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์มากขึ้นและหลวงพ่อจะทำงานได้ลำบากชายจกันสิบคนรวมทั้งคุณประเสริฐที่เล่าเรื่องเนี้ได้รับสายสินเสกท่านคล้องคอให้แล้วก็เอาเหล็กจานมาลงกระหม่อมเป่าพรวดพร ด, พรดท่านบอกว่าป้องกันผีเข้าสิงเมื่อท่านเข้าที่สวดมนต์ให้ทุกคนอยู่เฉยๆเห็นอะไรประหลาดก็ให้นิ่งเงียบขอให้เชื่อว่าท่านป้องกันได้ อย่าสะกิดตัวท่านอย่าขยาวตัวหรือว่าวิ่งออกไปจากปารำพิธีเป็นเด็ดขาดอันตารายมากหลวงพ่อจุดธูปเทียนเมื่อเวลาประมาณสามทุ่มเสร็จเริ่มบริกรรมคาถาทุกคนนั่งใจคอไม่ดีเพราะเวลาผ่านไปลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นทุกทีฝุ่นทุลีปลิววันหลายครั้งที่ลมพัดมาจนราชวัตรฉัดทงล้มลง แต่ที่ทุกคนอุ่นใจก็คือเทียนที่หลวงพ่อจุดกลับตั้งตรงเหมือนมีครอบทูบมีควันลอยขึ้นตรงๆไม่มีเขาว่าจะมีลมพัดมาหลวงพ่อสั่งให้ศิทธ์สามคนรวมทั้งคุณประเสริฐไปถอนไม้ไผ่ที่อยู่ทางตะวันตกออกคุณประเสริฐน่ะอิดออดแต่ว่าหลวงพ่อสำทับว่าถ้าไม่แน่ใจไม่ส่งออกไปตายหรอกก็เลยพากันไปถอนไม้ไผ่ออกแล้วกลับมาที่ปรัมพิธี ลมพัดแรงอีกครั้งคราวนี้มาทางจากตะวันตกสายศีลถูกลมพัดลู่ไปตามลมแต่ควันทูปกับเทียนเหมือนเดิมหลวงพ่อภาวนาเร็วขึ้นเสียงดังขึ้นลมก็พัดจับพุ่นคลุ้งไปหมดหลังคาปา ร, รำถูกลมตีเหมือนจะหอบขึ้นไปหลวงพ่อลืมตาขึ้นเอาไม้เท้าที่วางไว้ข้างตัวยกขึ้นตวัดปลายตัดทางลมสองสามทีลมก็สงบ หลวงพ่อออกจากที่ภาวนาเดินออกไปตวัดไม้เท้าหัวซ้ายปลายขวาออกจากปรรมพิธีไปโดยมีชายชะกันทั้งหมดสิบสามคนเดินตามหลังท่านออกไปทั้งหมดทุกคนใจกล้าเพราะว่าหลวงพ่อออกนำหน้าลมสงบแล้วก็มีเสียงผีเท้าหนักๆของคนวิ่งออกไปทางทิศตะวันตกที่หลวงพ่อให้ไปถอนไม้ไผ่ออกดังได้ยินกันทั่วเหมือนกับว่า มันกำลังวิ่งหนีสิ่งที่ไล่หลังไปมองเห็นผุนลอยไปตามเสียงฝีเท้าที่วิ่งไปหลวงพ่อเดินตามใบพร้อมกับไม้เท้าในมือตวัดไปมาอย่างรวดเร็วจนเสียงเงียบไปหลวงพ่อถึงได้หยุดและให้ทุกคนเอาใบฉายไปส่องดูแล้วกลับมารายงานคุณประเสริฐเกิดชาวบ้านส่องใบฉายไปตามทางที่มีเสียงฝีเท้าวิ่งก็มองเห็นรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าคนธรรมดาสักสองเท่า เยียบไปบนฝุ่นเห็นชัดเจนเป็นรอยวิ่งตามกันไปพอพ้นเขตประชา้ารอยเท้าก็หายไปเฉยเยเมื่อกลับมารายงานหลวงพ่อท่านก็หัวเราะฮือฮือฮือมันไปแล้วท่านเท้าจะตูโรกบาลท่าลงมาไล่พวกผีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นบริวาร น, นอกอ่านอกคอของท่านไปผลแล้วแล้วมันจะไม่กลับมาอีกแล้ว รุ่งเช้าหลวงพ่อฉันเช้าแล้วก็รำลาชาวบ้านออกเดินทางกลับวัดที่ลบบุรีมีคนมาขอของดีกันนั่นไปหมดหลวงพ่อเสกสายสินกลุ่มใหญ่ให้กำ น, นันตัดแบ่งกันไปเป็นได้มงคลผูกข้อมือเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านกำนันบุญพาชาวบ้านขนผลไมกรากไม้ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องสยทานไปทอดพัะป่าถวายที่วัด แล้วก็รายงานว่าตั้งแต่เหตุการณ์คืนนั้นแล้วชาวบ้านไผ่ขอดอนก็อยู่กันอย่างสงบไม่มีว่แววพวกผีมารบกวนอีกเลยและนี่ถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยไว้คงจะตายกันหมดคุณประเสริฐผู้เล่าเรื่องนี้เองก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ารอยเท้าที่ใหญ่ว่าคนธรรมดามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ปรากฏอยู่จนเช้าให้ชาวบ้านได้เห็นกันก่อนก่อนที่จะอันตรธ า, านหายไปในตอนสายของวันนั้น ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพระอริยะด้วยหลวงพ่อป้องสุปฏิปันโนครับเรื่องนี้คุณจเจริญเล่าว่าสมัยมหาสงครามเอเชียบุรพาคุณจเจริญรับราชการเป็นนายสิบทหารเสนารัก์ประจำภาคเหนือแสามปีกว่า อยู่ในมณฑลที่หนึ่งลำปางโดยออกไปถูแถวแถวเชียงรายแม่สายแล้วก็รัชเชียงตงุงต่อมาคุณเจริญป่วยหนักก็เลยถูกส่งมารักษาที่ลำปางแล้วก็กรุงเทพหลังจากทุลาดีแล้วก็ถูกส่งไปอยู่โรงพยาบาลทหารลบบุรีต่อมาก็มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล น, นั้นแล้วก็บางครั้งบางคราวก็มีโอกาสว่างก็ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเช่นตามภูเขา ตามหมู่บ้านต่างๆวันหนึ่งเวลาเช้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งมาบินธบาตในค่ายทหารตามบ้านข้าราชการผู้ใหญ่คุณเจริญได้เห็นในระยะอันใกล้ก็ได้พิจารณาดูก็เกิดความเลื่อมใสใจก็คิดว่าพระภิกษุรูปนี้ต้องเป็นพระกรรมฐานแน่นอนแล้วก็เดินตามท่านไปในระยะห่างๆท่านไปนั่งอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งมีหนองเล็กๆเขาเรียกตลุกน้า แล้วก็ลงมือฉันพัตตาหารคุณเจริญก็นั่งรออยู่ห่างๆพอได้โอกาสก็เข้าไปกราบนมัสการแล้วก็เรียนถามท่านว่าออพระกุณเจ้ามาจากไหนครับอัตมามาจากไหนก็ไม่ทราบคุณเจริญก็อธิบายว่าที่ถามนั่นไม่ใช่สถานที่เดิมอย่างที่พระกุณเจ้าตอบแต่หมายถึงว่าพระกุณเจ้ามาจากภูเขาลูกไหนหรือว่ามาจากที่แห่งใดท่านก็บอกว่ามาจากภูเขาสามร้อยอด มีถ้ำอันสงบสงัดไม่มีใครรบกวนถ้ามูมีเวลาก็ไปเที่ยวบังศีคุณเจรินก็คิดอยู่ในใจว่าพระอยู่ป่าอยู่เขาองเดียวเนี่ยจะต้องมีอะไรดีเป็นแน่แท้จากนั้นท่านก็เดินขึ้นไปทางถ้ำคุณเจรินก็เดินตามไปพลางขอร้องให้ท่านโปรดกรุณาเป่าหัวให้ด้วยมูจะให้เป่าเพื่อประสงค์อะไรละ่ะเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็นึกละอายแล้วก็กลัวด้วยก็ตอบท่านไปว่า เพื่อเพื่ความเป็นสิริมงคลครับท่านก็เหลียวมาเป่าทุ้บทุท้ทสามทีเหมือนกระถ่มน้ําลายรถหัวการเป่าหัวนี่ไม่ช่วยให้ขนฉลาดไปได้หรอกนอกจากจะเย็นหัวหน่อยหนึ่งเท่านั้นเนี่ยคนเราจะให้ฉลาดกันจริงๆมันต้องเป่าหูไม่ใช่อย่างที่หมู่เข้าใจนี่หรอกไม่ว่าฝ่ายพุทธจักรอาณาจักรยังต้องมีโรงเรียนสอนศินลธรรมสอนวิชาการให้รู้ให้เข้าใจให้ขนเฉลียวฉลาด ก็เรื่องเป่าหูเนี่ยนะคือไม่ใช่เป่าหัวหัวกระหูแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันก็จริงแต่คนไม่เข้าใจก็เลยเอาแต่เป่าหัวคนที่ฉลาดในคติโลกเป็นข้าราชการผู้ใหญ่หรือว่าฉลาดในคดีธรรมเป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะการได้ถูกเป่าหูของผู้รู้ทั้งหลายต่างหากไม่เหมือนอย่างที่หมู่เข้าใจคุณเจริญได้ฟังคําอธิบายก็รู้สึกว่าพระภิกษุรูปนี้พูดจาเฉลียวฉลาดจริงๆ จากนั้นแกก็ลากลับต่อมาก็ได้ขึ้นไปหาท่านอีกผมไม่เคยเห็นพระบวชแล้วออกมาปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐ า, านตามป่าตามถ้า ม, มาก่อนเลยครับท่านบวชมากี่พันศาแล้วครับก็บวชมาเรื่อยๆบวชใหม่ๆก็อยู่ตามวัดได้เรียนป ร, ริยัติธรรมตรีโทอยู่ห้าพันศา จากนั้นก็ได้จาริกเจริญสมณธรรมตามป่าบ้างภูเขาบ้างถ้ำป่าช้าหลายแห่งจนกระทั่งมาถึงที่นี่ถ้าที่สําคัญสําคัญที่ผ่านมาใน28ถ้ำส่วนถ้าธรรมดาในไม่นับในจํานวน28ถ้ำถ้ำที่แรงดีที่สุดก็คือถ้าสิงโตทางอารันเยประเทศจากนั้นคุณเจริญก็มีความเลื่อมใสในตัวท่านมากขึ้นเป็นลำดับ กลยช่วยเป็นภารกิจประจำวันเช่นคอยรับบาด ท, ท่านมาส่งถึงถ้ำพร้อมกับจับจัดน้ําฝนถวายท่านทุกเช้าวันหนึ่งคุณจเจริญกระหายน้ําขณะที่ไปหาท่านที่ถ้ำอยู่เป็นชั่วโมงก็เลยขอน้ําท่านดื่มท่านก็รินใส่ฝากระติกบอกให้อ้าปากขึ้นแล้วก็เทน้ําลงปากของคุณจเจริญคุณจเจริญก็นึก ในใจต่อไปว่าจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วเพราะกันดานน้ําเวลาหิวก็ไม่มีจะกินท่านก็พูดขึ้นว่าการเดินน้ําร่วมกับคฤรืหัดนั้นเกิดโทษนะปากคฤรืหัดเป็นสันนิธิคือทานอาหารแล้วไม่ค่อยได้ล้างปากเศษอาหารติดอยู่ในปากเวลากินน้ําร่วมภาชนะเดียวกันก็ทําให้ติดภาชนะนั้นพระอยู่ตามป่าตามถาม้าต้องรักษาธรรมวินัยให้ดี เมื่อคุณเจริญลากลับก็เห็นหินใหญ่ลักษณะเป็นแอ่งดีฝนตกมาก็จะเป็นที่เก็บน้ำได้ก็พยายามสกัดได้ลึกประมาณหนึ่งเมตรยาวสองเมตรลงไปก้นบ่อยอย่างดูอ่าก็ราวๆจมูกด้วยภารกิจที่จะต้องมีงานทำเยอะคุณเจริญก็ไม่ได้ขึ้นไปหาท่านราวๆสิบวันเช้าหนึ่งท่านออกบินทบาทที่ค่ายทหาร แล้วก็บอกกับคุณเจริญบอกว่ามูไปเที่ยวที่ธรรบางสิไม่อดน้ําเหมือนเมื่อก่อนแล้วแองที่หมูธรรมนะฝนตกลงมาเต็มล้นเลยวันก่อนเมื่อคุณเจริญไปส่งบาทท่านที่ตีนเขาท่านก็พูดบอกว่าเมื่อคืนนี้ลองกําหนดอาโปธาตคือท่าน้นํากําหนดอโปธาตดูก็รู้สึกเย็นเฉียบไปทั่วสารพางกายเลยทีเดียวละ วันนี้ท่านพูดว่าน้ำเต็มก็เลยขึ้นไปส่งถึงถ้ำเห็นน้ำฝนเต็มแอ่งจริงๆจึงแน่ใจว่าพระภิกษุรูปนี้มีดีอย่างอัศจรย์จริงๆก็เลยเพิ่มศรัทธาให้คุณเจริญเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นวันหนึ่งท่านออกบิณฑบาตแล้วก็ทำพัฒกิจใกล้โรงอาหารในค่ายท่านเห็นข้าวสุก ข, ข้าวแดงตกเกลื่อนกราดมากมายท่านก็พูดเป็นเชิงว่าชีวิตข้าเปลือกนี่มากกว่าชีวิตข้ากล่อง ชีวิตเข้ากล้องมากกว่าชีวิตข้าวสารชีวิตข้าสารมากกว่าชีวิตเข้าสุกชีวิตเข้าสุกนั้นยาวกว่าชีวิตคนเพราะมันมีอายุเช้าชั่วเที่ยงส่วนชีวิตสัตว์นะมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นหมดลมที่ไหนก็หยุดกันที่นั่นสกลกายก้อนเนื้อนี่อยู่ได้แต่แค่ลมหายใจถ้าหมดลมก็หมดสภาพหากคนพิจารณาอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์แก่ตนไม่น้อย ที่ว่านี้ก็เพราะเข้าเปลือกนะเป็นธรรมชาติที่มีตามีจมูกเมื่อปนอยู่ใต้ดินอยู่ในดิ น, น, ดนได้รับความชุ่มชื้นก็พอจะผลิตตางามขึ้นมาแล้วก่อต้นออกรวงฉันใดก็ดีเข้าเปลือกก็เหมือนเหมือนกับชีวิตร่างกายเราส่วนความชุ่มชื้นก็เหมือนพระธรรมของพระพุทธเจ้าบุคคลน้อมกายน้อมใจเข้ามาพิจารณาธรรมก็เหมือนเข้าเปลือกปนอยู่ในดิน พระสงฆ์ก็เหมือนผู้ปรับหน้าดินให้เรียบดีเมื่อชาวนาเอาเมล็ดพืชหวานลงไปก็จะทำให้พืชแตกงอกงามฉันนั้นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เหมือนบุคคลพรวนดินให้ฟูควรแก่การเจริญงอกงามแก่ต้นข้าวในนาแล้วก็หมู่ต้นไม้ทั่วไปคือทำให้ปัญญาเจริญขึ้นถ้าตัวเราทำอยู่ได้อย่างนี้ พ่อซึ่งยังมีชีวิตอยู่เห็นลูกปฏิบัติตัวซื่อตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านก็จะมีปิติยินดีสักปานใดวันนั้นมีนายทหารพัานเอกมาฟังธรรมท่านด้วยก็ได้พูดว่าเออพระรูปนี้สําคัญจริงๆืออจากนั้นคุณเจริญก็ได้ส่งน้ําให้ท่านเสร็จแล้วก็ออกไปเดินที่หน้าธรรมแล้วก็ติดตามเอาบาดไปส่งที่ตีนเขาทําอย่างนี้ อยู่อีกหลายวันอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็โจษกันว่าพระรูปนี้ฉันอาหารไม่เป็นที่เป็นทางเมื่อคุณเจริญได้ยินพวกเขาพูดกันอย่างนั้นก็ได้นำเนื้อความไปเรียนท่านแล้วถามท่านว่าเพราะเหตุใดท่านก็บอกว่าเพื่อทำจิตใจให้ตกแต่มันไม่่อยจะตกสักทีนั่งฉันมาหลายที่แล้วคุณเจริญก็เลยเรียนท่านว่าจะสร้างที่ฉันพตรตหารในท่านสักที่หนึ่งเอาตรงไหนถึงจะเหมาะ ท่านก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ชี้ไปตรงเนินข้างหน้านวนแล้วคุณเจริญก็ไปที่เนินนั้นเห็นเป็นที่เส้นไหวผ้ผีเพราะอยู่ใกล้ศาลเจ้าพอ่อแล้วก็ที่เส้นสวงมากเกินไปก็เรียนท่านว่าพระคุณเจ้ากรุณาเลือกที่ใหม่เะครับเพราะว่าที่นั่นใกล้กับศาลเจ้าพ่อของเขาทำไปเถอะพระบอกก็ทำได้พระกเจ้าพ่ออยู่ด้วยกันไม่เป็นไรหรอกเฮะพระกเจ้าเพื่อนกะ ต่อมาคุณเจริญก็ได้บอกขอปีกไม้ชาวบ้านที่เขาทิ้งๆเอามาปลูกได้ยาวสักแปดสอกมุงหลังคาด้วยใบายจากพื้นเป็นไม้กระดานเก่าๆแล้วท่านก็แนะว่ารงอกไก่ไปหาปี๊บสักห้าหกใบผ่าแล้วก็มุงถึงจะดีคุณเจริญก็ออกเที่ยวตามหาตามบ้านก็ไม่ได้บังเอิญไปพบสังกะสีเก่าๆของศาลเจ้าพ่อตกอยู่ในเลน คุณเจริญก็กลับไปกรมทหารเอาลูกน้องสองคนมาช่วยกันงมเอาสังกะสีมาล้างแล้วไปตากแดดบังเอิญมีผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วก็ถามว่าในแกรื้สังกสีทําไมอ่ะคุณเจริญก็บอกว่างมได้จากเลนนั่นแหละมาหลุดลงไปเป็นของสารเจ้าพ่อจะเอาไปไหนไม่ได้เด็ดขาดสารเจ้าพ่อของแกขึ้นทะเบียนหรือเปล่าว่ะชายผู้นั้นไม่พอใจทันทีเสร็จแล้วก็บอกว่าเออจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็เถอะแต่จะเอาสังกสีไปไหนไม่ได้เด็ดขาดทีเดียว จะยังไงก็ตามผมจะเอาไปมุงหลังคาให้พระไม่ได้นําไปที่อื่นนี่ไม่ได้ถ้าเอาไปต้องเดือดร้อนตายกันหมดบ้านเท่านั้นแหละเพราะนี่เป็นของเจ้าฟอจะของใครก็แล้วแต่ผมจะเอาไปมุงหลังคาให้พระให้ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เห็นดีกันดิพูดเท่านั้นเขาก็พละออกไปสู่หมู่บ้านสักพักผู้ชายผู้นั้นก็เดินกลับมาได้ยินเสียงกลองดังสนั่นอ่าคุณเจริญก็นึกในใจว่าเขาคงตีกลองเผาผีกันเพราะว่ามันบ่ายมากแล้ว สักครู่หนึ่งก็เห็นชายช ก, กันสักสามสิบคนเดินออกจากหมู่บ้านตรงมาในมือมีตะขอตะขอฉายอ่าคือตะขอฉายนี่ก็สสำหรับสงควางเวลานวดข้าวบางก็ถือคันเหลาอ่าคือไม้หัวแหลมท้ายแหลมใช้หาบเข้าฟ้อนแรกๆ ก, ก็คิดว่าพวกนี้คงจะออกไปหาปลากันดูไปดูไปก็เห็นจะผิดท่าแล้วเพราะบางคนก็ถือตะพดมาตรงเข้ามา ลูกน้องของคุณเจริญก็เตรียมจะสู้นะคุณเจริญก็บอกลูกน้องว่าปล่อยเขาดีกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องมากไปพวกหนึ่งก็มาล้อมคุณเจริญอีกพวกหนึ่งไปล้อมสังกสีไว้คุณเจริญเห็นผิดท่ามากไปก็เลยหยิบเสื้อขึ้นมาสวมชายคนหนึ่งก็ถามว่าจะให้หรือไม่ให้สังกสีของเจ้าพอ่อะคุณเจริญก็บอกว่าจะผิดจะถูกอะไรก็พูดกันได้นี่แค่สังกสีจะเอาเอาไปเราล้างให้เรียบร้อยแล้ว พูดเท่านั้นต่างก็ไปล้อมสังกสีแล้วก็รีบยกไปจนหมดสักครู่ก็เห็นคนอีกสามสิบคนออกมาใช้โยโห่ร้องคุณเจริญก็เลยกลับค่ายทหารวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเข้ามาบิณธบาตในข่ายทหารอีกคุณเจริญเอาน้ําไปถวายท่านก็ได้ถามว่าสังกสีหาได้ไหมคุณเจริญก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท่านทราบท่านก็พูดบอกว่าเออเรายอมให้นะดีแล้ว ถ้าไม่ยอมมันก็ต้องมาเอาชีวิตเราพวกถือผีถือเจ้านี่ไม่ใช่เล่นนะตัวเขามันเป็นคนแต่ไปเอาผีมาเป็นสาธรณะใจก็เลยเป็นผีไปเขายึดผีบ้านผีเรือนเป็นที่พึ่งพอถึงปีก็ทําการเส้นไหว้บวงสรวงผีกันใหญ่พวกเนี้ยผีดิบตัวเป็นคนมีชีวิตแต่ใจเป็นผีไปแล้วเรียกว่าว่ายผีกันที่ไหนก็ไปกันที่นั่นถือไปจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานไม่รู้หมดสิน้น พ่อแม่มันโง่มันก็สอนลูกให้โง่ตามไปด้วยพากันรับเวียนรับกรรมต่อๆไปพอมันตายไปก็ได้แต่นรกไปเป็นเปรตเพราะมันเป็นเปรตตั้งแต่ปัจจุบันแล้วเอบแล้วหลวงพ่อจะทํายังไงถึงจะพ้นจากพวกนี้ไปได้ล่ะครับมันก็ต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยถึงจะพ้นจากพวกเหล่านี้ได้พระรัตนตรัยจะช่วยคุ้มครองรักษาไว้แล้วก็มีเทพเจ้าผู้บริสุทธิ์บอกปักรักษาอีกแล้ว การเข้าถึงพรตัตนไตรันั้นทำยังไงครับต้องมีศีลห้าก่อนก่อนจะเข้าถึงได้เพราะผู้มีศีลห้าอย่างมั่นคงแล้วเท่ากับมีทรัพย์นับแสนในศีลแต่ละข้อนั้นทําให้เราแสนที่จะสบายจริงๆไม่ต้องห่วงใยที่จะไปสร้างอากุศลอีกคุณเจริญก็ลาท่านกลับแล้วไปหาปี๊บมาทํำอกไก่วนเสร็จเสร็จแล้วคุณเจริญก็นิมนต์ท่านไปฉันพตรตทหารที่ศาลาน้อยนั้นในวันรุ่งขึ้น หลวงพ่อได้ปรารภถึงสถานที่ถ้าทำไม่ถูกก็เป็นบุญกุศลทั้งนั้นถึงเป็นที่ไม่ใหญ่โตก็ยังเป็นที่ที่เรียกว่าสบายกายสบายใจพอสำเร็จกิจได้ก็เป็นบุญแล้วสถานที่นั้นท่านแบ่งไว้เป็นสามสถานด้วยกันคือหนึ่งพุทธมหาเตโชที่มีเดชะมีอำนาจมหาก็คือโบสถ์สองธรรมมหาลาโพที่ทำบุญให้ทานคือสลา ได้ฟังทำทำบุญตักบาตรสสังฆมหาสุขโขที่ที่ประสงค์พักพิงอาศัยคือกุฏิวิหารทั้งสามสถานที่นี้เป็นที่ใหญ่ๆทั้งนั้นการสร้างวัดนั้นถ้าสร้างให้ถูกส่วนถูกที่แล้ววัดนั้นจะมีความเจริญมากจากนั้นคุณเจริญก็ได้ตักน้ําส่งท่านพอเสร็จแล้วท่านก็กลับไปถ้ำดังเดิมรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ได้พูดกับทหารว่าเมื่อคือนนี้พระกับคารวาตลองวิชากันอยู่ตั้งค่อนคืน ทำให้เกิดแสงสว่างสวัยปรากฏแก่ชาวบ้านแถวนั่นเป็นที่น่าอาศัศจรรย์มากคุณเจริญก็นำความนี้ไปกราบเรียนท่านทุกประการเสร็จแล้วก็ถามท่านว่าเออที่จริงผมลากรับตั้งแต่บ่ายแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้ล่ะครับโอ้เท พ, พ, พเจ้าเขาเปล่งและสมีไม่ใช่เป็นของแปลกหรอกปฏิบัติ ด, ดีเขาไม่เห็นเป็นของอศัศจรรย์อะไรเพราะความจริงเขาก็มีอยู่อย่างนี้แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเท่านั้น มันเป็นของประจําโลกพอคนมาเห็นเข้าก็เลยคิดว่าอัศจรรย์แปลกประหลาดไปถ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่มีอะไรกะรอกคุณจเจริญฟังแล้วก็ค่อยคลายใจลงจากนั้นก็ลากลับค่ายทหารวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเข้ามาบินทบาทในค่ายอีกแล้วก็นำไปฉันที่สลามีพวกทหารตามท่านมารออยู่ที่ค่ายหลายคนคุณจเจริญเดินมาทีหลังเพื่อเอาน้าผลมาถวายท่าน หลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าคำนั่นมาแล้วพวกทหารก็เหลียวดูก็เห็นเป็นคุณเจริญทหารก็ขานท่านว่าเ อ, อหมู่เจริญนะครับไม่ใช่คำนัน่นนั่นแหละคำนั่นเจริญต่างคนต่างก็นิ่งกันไปเรื่องนี้น่าคิดนะท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีแล้วท่านมีอะไรดีจริงๆพูดคาไหนเป็นคํานั้นแล้วถ้าหากพวกเราพบพระดีๆหากไม่สํารวมให้ดีแล้ว เกิดท่านเรียกเปรต้นมาหรือตัวจันรายมาในชีวิตก็คงจบกันข้อนี้ต้องสารเสรนญกำนันเจริญเป็นนันมากที่รอบรู้ในการศึกษาชานิดสัมมาทิฏฐิหากเดี๋ยวนี้มีพระทุดงที่มีอิทธิอัศจรรย์ทั้งด้วยอิทธิปฏิหารและเทศนาปฏิหารแล้วคนคงแห่กันไปขอเลขขอหวยดูดวงกันวุ่นวายแน่เผลอๆนักบริหารนักการเมืองคงนาขบวนไปรดน้ำมนต์สะดอกคราะหกันบ้างแนแน แล้วคนเหล่านั้นก็ต้องผิดหวง100ังร้อยเปอร์เซนจริงๆเมื่อทหารพากันงงในคําของหลวงพ่อว่าคุณเจริญเป็นกานันบางคนอาจจะนึกกันว่าหลวงพ่อพูดเล่นบางคนคิดว่าท่านเพอ้อเจอไปมากแล้วทหารบางคนก็คิดว่าท่านศักดิ์สิทธิ์เกินจะดาวได้อย่างไรเสียก็ควรจะรอคําตอบต่อมาอีกสักอาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อได้สั่งให้คุณเจริญไปหาแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าน้าผลก็ได้ฉันเท่านี้แหละ คุณจเจริญสงสัยก็เรียนถามท่านว่าหมายถึงอะไรครับเพราะน้ําเรามีเยอะครับน้ํามีอยู่แต่ไม่มีคนจะนํามาถวายหมู่จะต้องกลับบ้านไปเป็นกำนันแล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลพระปฏิบัตินักหรอกที่มาก็หาแต่เครื่องรางของขลังกันเท่านั้นที่จะมาอย่างหมู่นี่หายากบางทีก็มาขอหวยบางคนก็จะมาขอพระองค์เล็กๆอยากจะได้ แต่พอพบพระจริงๆเขาก็ไม่ไหว้พระกันแถมยังไม่รู้จักพระซะอีกเรียกไปอยากได้พระแต่พอเจอเขาก็ไม่อยากได้คราวนึงมีคนมาขอพระอาตมาก็ถามว่าจะเอาพระไปทำอะไรเขาก็บอกว่าจะเอาไปบูชาอาตมาก็เลยว่าพระรูปที่นั่งอยู่นี่เอาไหมล่ะฉันข้าวจุหน่อยนะพวกเขาฟังแล้วก็ลุกไปหมดเลย คุณเจริญดีใจที่หลวงพ่อพูดว่าจะได้กลับบ้านเพราะว่ามาอยู่ที่นี่สามปีกว่าแล้วเสร็จแล้วคุณเจริญก็ลาหลวงพ่อกลับเข้าถึงค่ายพักก็ประมาณสี่โมงเช้าพวกทหารก็พูดว่าผมดีใจด้วยที่หมูจะได้กลับไปทำหน้าที่กำนันที่บ้านนะครับทางกองบังคับการบอกว่าให้หมูเจริญปลดออกจากนายสิบไปเป็นกานันตาบลสามชุกอาเภอสามชุกดวนครับ หลังจากลาหลวงพ่อกลับแล้วไม่ได้พบหลวงพ่ออีกแล้วแต่ว่าใจก็คิดถึงท่านเสมอมาฟังเรื่องของหลวงพ่อป้องสุปฏิปันโนกันต่อนะครับหลังจากที่คุณเจริญจากมาสี่ปีมาเป็นกำนัน ก็คิดว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็เตรียมผ้าไตรตั้งไว้ตั้งใจจะไปถวายท่านแล้วก็ได้นำเนื้อกวามไปบอกคนมีเงินคนหนึ่งชวนเขาไปด้วยแต่เขาไม่มีเวลาก็เลยบริจาคเงินห้าร้อยบาทให้เพื่อเป็นค่าเดินทางต่อมาคุณเจริญก็ไปไม่ได้อีกเพราะติดราชการวันหนึ่งหลวงพ่อท่านเดินทางมาหาคุณเจริญเองที่สามชุกพอถึงบ้านท่านก็เรียก กำนันเจริญกำนันเจริญบังเอิญคุณเจริญไปทำกิจการเสียทางบ้านก็ระเบบอกว่ากำนันไม่อยู่หลวงพ่อก็เดินไปพักอยู่ใต้ต้นทองควาวหลังวัดใหม่คือวัดวิมโลโพคารามเป็นทุ่งนาหน้าตลาดสามชุกเมื่อคุณเจริญมาถึงก็ได้ทราบว่ามีพระอะไรไม่ทราบมาหามีกรดมีบาดไม่เหมือนพระหัววัดห่มผ้าสีคมข ำ, ค, ำคุณเจริญก็ไปหาท่านท่านนอนตะแคงอยู่ คุณเจริญเห็นก็จําได้ทันทีว่าเป็นหลวงพ่อป้องก็รู้สึกปิติอิ่มใจดีใจมากเข้าไปหาแล้วก็กราบเท้าท่านแล้วก็เรียนถามท่านว่าหลวงพ่อมาจากไหนนะครับโอ้มาจากป่าล้านเพชรบูรณ์คุณเจริญก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่เพราะนานๆจะได้ปฏิบัติหลวงพ่อจากนั้นก็เข้าไปในบ้านเอาผ้าใยเพื่อถวายท่านพอมาถึงท่านก็ให้ คุณเจริญทอดเป็นผ้าป่าหากิ่งไม้มาสะเอาผ้าผาาหลวงพ่อก็ถามว่าคำนั้นจะถวายทั้งใจเหรอครับท่านสังกติยังไม่มีเมื่อคุณเจริญครี่ดูก็จริงขาดสังกติไปผืนหนึ่งคุณเจริญก็กลับไปบ้านแล้วไปสามชุกซื้อสังกติมาสามร้อยบาทท่านก็ให้ถวายเป็นผ้าป่าอีกคุณเจริญก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยการทําบุญคราวนี้ขอให้ได้กับผู้หญิงที่ คุณจเจริญรักอยู่นั้นผู้หญิงคนนี้เธอเป็นเจ้าของที่ดินมากมายหลวงพ่อถามว่าจะเอาอย่างงั้นจริงเหรอครับหลวงพ่อกำนันทาบุญเอากรมเนี่ยคุณจเจริญรู้สึกดีใจใหญ่คิดว่าทมคราวนี้ความปรารถนาจะสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วหลวงพ่อก็ชักผ้าป่าเสร็จแล้วก็ให้พรสั้นๆว่าขอความตั้งใจของท่านจงสาเร็จเถิดจากนั้น คุณเจริญก็เรียนท่านว่าเออตอนที่จะเอาผ้าไปถวายหลวงพ่อนั้นได้ไปบอกชวนคนมีเงินคนหนึ่งแล้วเขาให้เงินมาทําบุญด้วยครับเออกำนันได้เงินที่ไม่บริสุทธิ์มาเนะ่ะเขาเป็นผีเจ้าเข้าสงนี่เออหลวงพ่อทําไมถึงมาที่นี่ล่ะครับก็กำนันจะถวายทานแต่ไม่มีเวลาก็เลยมาซะเองให้ไปบอกข่าวกับชาบ้านที่ว่า พระท่านมาอยู่ที่นี่ว่างั้นคุณเจริญก็ออกไปบอกชาวบ้านและคนในตลาดสามชุกแล้วก็แวะไปบอกในอำเภอได้ว่ามีพระที่ท่านอยู่ตามป่าตามถาม้ำตามเขามาหลายสิบปีท่านเป็นพระที่ไม่เหมือนพระธรรมดาในอำเภอก็พูดเชิงปฏิเสธว่าเคยเห็นมาแล้ว่ะพระธูดงอมีเยอะคุณเจริญก็เลยลากลับมาหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่ากำนันทําไม่ถูกบอกข่าวบุญกุศลแล้วไปนั่งต่ําว่าเขาด้วย คุณเจริญก็ยอมรับเพราะไปบ้านในอำเภอนั้นมีอยู่สองชั้นคุณเจริญนั่งอยู่ชั้นล่างในที่ต่ำานในอำเภอรจริงๆต่อแต่นั้นคุณเจริญก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรอีกเพราะรู้ว่าท่านรู้เหมือนตาเห็นหรือว่ารู้แม้กระทั่งจิตใจผู้อื่นด้วยคุณเจริญจะพูดหรือแม้แต่จะคิดอะไรก็เป็นไปได้วยความระวังเกรงจะเกิดบาปวันรุ่งขึ้นคุณเจริญก็ออกไปบอกข่าวอีกจากนั้นก็มีคนมาทําบุญกันมาก แล้วต่อมาก็ลดลงลดลงจนบางวันเหลือสองสาคนคุณเจริญก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าหออลวงพ่อช่วยให้คนมาทำบุญเยอะๆไม่ได้หรือคบโอ้ได้สิทำยังไงดีครับเออเอากรามหยดใส่เข้าไปหน่อยเดีย๋ยวมันก็มากันหึงเหมือนกับแมลงวันชอบของเหม็นพอได้กลิ่นของเหม็นมันก็มากันคลื่นครันแต่พระไม่ทำหรอก ต่อมาคุณเจริญก็ได้นํำมาผู้ชายคนหนึ่งมาฟังทำจากท่านเขาก็มาดูดูแต่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสอะไรอยู่สักประเดี๋ยวก็ลาไปนะคุณเจริญก็ขอร้องหลวงพ่อบอกว่าเออหลวงพ่อกรุณาช่วยโปรดเขาด้วยเถอะครับคุณอาภัพช่วยอะไรไม่ได้เขาบวชตั้ง30มสิพรรษาเป็นถึงพระคู่สวดแล้วตอนนั้นเขาเขียนจดหมายติดต่อกับผู้หญิงจนรักกันตกลงกันได้แล้วก็สืกออกมาได้กัน ท่านพูดยังกตาเห็นวันรุ่งขึ้นท่านก็ได้อธิบายการทวีบุญให้กับคุณเจริญพังเช่นเรื่องของต้นไม้ที่ควรแก่การเอามาบำเพ็ญบุญมีต้นบุญใบบุญเปลือกบุญลูกบุญแก่นบุญคุณเจริญพอเข้าใจได้ว่าท่านต้องการแก่นขนุนมายอมผ้าคุณเจริญเองไม่มีต้นขนุนเลยก็เลยนําเอาเรื่องนี้ไปบอกญาติซึ่งมีสวนขนุนอยู่แล้วเข้าไปในสวนด้วยกัน ได้พบต้นขนุนปลายมันตายแห้งหมดแล้วส่วนตอนกลางยังดีอยู่ก็ตัดเอาคนเท่านั้นนมาส่วนกลางต้นเอาปักไว้ขนุนต้นนี้ก็ให้ดอกออกผลให้กินมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วสิ่งที่น่าแปลกประหลาดก็คือเดิมทีบ้านนี้ไม่ค่อยจะมีกินมีใช้อะไรต่อมาทุกๆอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งคุณเจริญได้นําน้ํามาจะส่งให้หลวงพ่อท่านก็บอกว่านกแร้งมันมาเกาะอยู่ไร่มันมากเหลือเกิน กำนันช่วยไล่มันไปให้อยู่ต้นยางหน้าอำเภอเทีคุณเจริญก็ออกไปโห่ไปไล่ตบมือตบไม้เท่าไหร่มันก็ไม่ไปก็กลับมาท่านก็บอกว่าเออเป็นถึงกำนันแล้วไล่แรงยังไม่ไปอีกจากนั้นท่านก็หยิบคานหาบน้ําทําท่ายองยองแอบแอบพอใกล้ต้นไม้นั้นท่านก็ยกไม้คานขึ้นไขายกับพรานยกธนูจะยิงสัตว์แรงพอเห็นหลวงพ่อทําอย่างนั้นก็บินไปกันหมด ไปเกาะต้นยางนาอำเภอโน่นจริงๆด้วยวันหนึ่งมีผู้หญิงหาบน้ํามาถวายท่านเป็นทั้งน้ําดื่มน้ําสงด้วยเธอก็บอกว่าน้ําคนดีชั้นบริสุทธิ์ค่ะขอถวายน้ํานี้แด่หลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็บอกไปว่าน้ําของโยมไม่บริสุทธิ์จริงตอนหาบมาก็ให้คนอื่นดื่มก่อนแล้วแถมยังดื่มในถังซะอีกด้วยหญิงคนนั้นก็นิ่งอยู่คุณเจริญก็กระซิบถามว่าจริงเหรอที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ย เธอก็บอกอืมจริงค่ะรุ่งขึ้นก็ได้เรียนถามเรื่องต่างๆในอดีตที่ผ่านการเดินธุดงมาท่านเล่าว่ามีพระเล็กกับพระใหญ่ทางกรุงเทพรูปหนึ่งได้ป ร, รียนห้ารูปหนึ่งได้ป ร, รียนสามได้ออกเดินธุดงตามป่าตามถาม้าเสร็จแล้วก็มีญาติโยมบอกว่ามีพระอยู่ที่ถ้าสิงโตอยู่มานานแล้วพระรูปหนึ่งก็พูดขึ้นว่าท่านได้เรียนแต่ไม่เคยปฏิบัติเลย ยากจะอยู่ปฏิบัติกับท่านด้วยหลวงพ่อก็ให้ท่านไปอยู่กันในถ้ำหนึ่งอยู่ได้ไม่กี่วันหลวงพ่อได้รู้จากนิมิตว่ามีเสียงทะเลาะกันในถ้าท่านก็เลยออกไปเยี่ยมอ่าท่านก็ถามว่าเออท่านอยู่กันในถ้าอะไรกันบ้างเออสวดมนต์ครับสวดอะไรกันสวดขับยักษ์พูดผีปีศาจครับโอ้แล้วอย่างอื่นล่ะเขียนรูปพระพุทธรูปยืนที่ผนังถ้ำพอเขียนเสร็จก็กลายเป็นรูปผีเสื้อยักษ์ไปครับ โอ้ท่านไม่รู้หรือว่าอยู่ป่าอยู่ถ้าเนี่ยห้ามสวดมนต์ขับพูดผีปีศาจห้ามเขียนอะไรในถ้ำแม้แต่พื้นดินคราวนี้เป็นกรรมของท่านแล้วอา้าวท่านไม่ได้เป็นอรหันต์แล้วจะรู้ได้ยังไงครับจากนั้นก็เดินเข้าไปนอนในถ้าส่วนหลวงพ่อก็เดินออกมาปากถ้าพระเล็กก็เกิดสะดุดใจว่าทําไมหลวงพ่อถึงพูดอย่างนั้นก็เลยรีบเดินตามมาจะเรียนถาม ก็พอดีมีหินก้อนใหญ่เท่ากระบุงตกลงมาหน้าถ้ำพระเล็กตกใจกลัวรีบไปดึงพระใหญ่ออกมาจากที่นอนพอทั้งคู่ออกจากปากถา้ำหินก็ถล่มทลายปิดปากถ้ำทั้งหมดบริขารทุกชิ้นเอาออกมาไม่ทันเหลือแค่สบงกับอังสะเท่านั้นเองต่อมามีพระเขมนรูปหนึ่งอวดวิชาว่าเก่งลงเสื้อยันตัวแดงๆปืนยิงไม่ออกอยู่แถวขาวพระเนีย ได้ออกมาขายพายันหลอกเอาเงินชาวบ้านชาวบ้านหลงเชื่อเขาเช่ า, ชากันมากมายทหารรู้ข่าวก็เอาปืนกลเบามายิงกรอกเข้ามาในถ้ำพิสูจน์ว่าจะยิงออกหรือไม่ออกส่วนพระอวดวิชานั้นท่านแอบอยู่ในกำบงังเสื้อทันก็เลยรอดจากลูกปืนมาได้ทหารก็พูดกับชาวบ้านว่าอีกหน่อยจะลองดีกับพระอยู่ป่าอยู่ถ้าอีกหลวงพ่อได้ยินข่าวก็เลยออกจากที่นั่นมาทางป่าลานเพชรบูรณ์คุณจเจริญถามว่าหลวงพ่อบินทบัติที่ไหนครับ มันก็บอกว่าบินทบาทกับชาวบ้านที่ตัดใบลานขายโดยพักปักกรดอยู่ข้างทางข้างทางช้างเดินแล้วไม่ถูกช้างกวนเด้อครับพอช้างมันเดินมาถึงก็โอบล้อมมันมาสักหกสิบเชือกตอนสักสี่ทุ่มเสร็จแล้วพอถึงแล้วมันก็ย่อเข่าลงยกงวงชูขึ้นสามครั้งแล้วถอยหลังไปตัดทางใหม่ตัวต่อต่อไปก็ทําอย่างนั้นอ่ะอ้าวหลวงพ่อมีอะไรดีเหรอครับไม่ได้มีวิชาดีอะไรหรอก แล้วหลวงพ่อทํำยังไงล่ะครับก็แผ่เมตตาให้มั น, น่ะสีช้างมันทําไมถึงรู้ล่ะครับแล้วก็ทําวางเคารพหลวงพ่อได้อาก็เพราะมีเทวดารักษาอยู่ในวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเล่าว่าได้ตามไปดูช้างโขลงนั่นอีกไปห่างมันสักสี่วาในป่าลานมีลูกช้างเผือกชื่อหนึ่งแต่ถูกเอาใบไม้พ่นย้อมให้ตัวดําแม่ช้างเห็นก็ร้องขึ้นช้างทั้งหมดก็ครูเข้ามาล้อมลูกช้างเผือกไว้หลวงพ่อก็พูดว่า ามาดูลูกเองมันสวยดีอบอบปากมากร้อช้างได้ฟังแล้วก็ออกไปหากินตามเดิมอา้าวแล้วทำไมช้างมันรู้คำพูดของพ่อละครับกดเทวดารักษาอยู่ให้ผู้บริสุทธิ์สุขสบายช้างไม่ทำร้ายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายึดมั่นในระรตะนัรไรถึงเวลาน่าจะตายแต่ก็ไม่เป็นอันตราย จากนั้นท่านก็ได้ออกเดินทุดงไปเรื่อยๆไปถึงบ้านหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีมีพระสามเณรสี่ห้ารูปติดตามท่านไปด้วยพอ ร, รุ่งขึ้นก็เที่ยวบินทบาตฉันเสร็จแล้วก็เตรียมเดินทางต่อไปออกเดินไปได้หน่อยก็เห็นควายผงหนึ่งข้างหน้าเมื่อควายเห็นพระเขามันก็บึงเข้าหาทำท่าจะทำอันตรายท่านก็บอกให้พระเ น, นรีบขึ้นต้นไม้ ควายเปลี่ยวสองตัววิ่งออกมาจากฝูงตรงมาหาท่านหลวงพ่อก็หลบแอบพนาเสียพอควายวิ่งเข้ามาใกล้ท่านก็นึกในใจว่าเออกรรมตามมาทวงแล้วใช้นี่เขาไปดีกว่าคิดอย่างนั้นท่านก็ลุกขึ้นยืนเพื่อใช้กรรมเก่าเสียในขณะที่ควายเบียดเปลี่ยวเขาครบคู่นั้นก็พุ่งตรงเผชิญหน้ากับท่านพอดิบพอดีเมื่อหลวงพ่อท่านยืนขึ้นในขณะนั้นควายตัวใหญ่ทั้งคู่หันตัวกลับชนกันคอหักตายเลย ชาวบ้านแตกตื่นพากันมาดูสภาพความเป็นไปเต็มไปหมดแล้วก็อาราธนาขอให้หลวงพ่อและคณะปักหลดที่นั่นก่อนต่างก็วิจารณ์กันไปสรุปกันว่าหลวงพ่อรูปนี้เก่งจริงๆพระและสามเณรต่างก็ลงจากต้นไม้มาด้วยจิตใจระทึกเจ้าของควายก็บอกว่าควายสองตัวนี้ไม่ขายเนื้อให้ใครละพวกเรามาช่วยกันถือเนื้อแจกจ่ายกันให้ทั่ววันพรุ่งนี้จะได้มาทําบุญด้วยกันเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องควายคู่นี้ให้ฟังมันตายซะก็ดี มันเห็นพระเห็นเจ้าไม่ได้หากท่านผ่านมาในทุ่งนี้มันเห็นเข้าล้วเป็นต้องขับทุกทีบางรูปรถูกขับแ้วจนเข็ดไม่มาอีกไม่รู้มันเป็นอะไรก็มันคุณเจริญก็เรียนถามว่าเพราะอะไรควายถึงได้ชนกันเองตายหมดหลวงพ่อมันตกจใจสิเออผมว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นนะฮะเทพเจ้าเขาโกรธอ้าวทาไมถึงรุนแรงขนาดนั้น่ะ ก็มันคิดจะทำ้ร่ผู้ปฏิบัติธรรมก็เลยหักคอเสียคุณจะริญนรู้สึกกลัวรู้สึกเกรงแล้วก็ศรัทธามั่นขึ้นในกรรมทั้งหลายนึกสำรวจตัวเองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ตั้งใจไว้ทีเดียวว่าหากมีสติไม่ลุ่มหลงแล้วอกุศลกรรมเท่าที่เคยรู้เคยฟังเราจะไม่ทำเด็ดขาดรุ่งขึ้นชาวบ้านมาทำบุญต้มเนื้อแกงเนื้ อ, อมาถวายล้วนแต่เป็นพังผืดทั้งสิน้นพระก็ฉันไม่ค่อยจะเข้า แต่ปรารถนาจะเอานิพพานอ่มันเป็นของไม่ควรกันเลยหลวงพ่อท่านได้เตือนว่าทำนั้นก็ดีชอบทำบุญเลี้ยงพระแต่น้ํานี่ยไม่กรองให้ดีซะก่อนคุณเจริญนึกดูก็จริงเพราะชอบเลี้ยงพระสอบนักธรรมสนามหลวงแล้วน้ําที่ถวายก็ไม่ได้กรองตามที่หลวงพ่อพูดจริงๆคุณเจริญได้ความรู้ความเข้าใจโดยตรงและจําได้แล้วได้ปฏิบัติมาจนทุกวันนี้หลวงพ่อได้เล่า ถึงคราวไปแถวแถวสกลนครฝั่งขูงจนข้ามไปฝั่งควากราวแล้วก็เดินไปตามแนวที่ราบมองเห็นป้ายเขียนไว้ว่าอันตรายห้ามคนพักในบริเวณนี้แม้จะเป็นพระภิกษุสามาเณรก็ห้ามแต่ก็ไม่ได้บอกว่าด้วยเหตุใดจึงบอกให้พระเนนลงกรดะ ท, ที่นั่นเลยลองพักดูสักทีดูว่ามันจะมีอะไรขึ้นให้ปากกดใกล้ๆกัน ตกเย็นทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วต่างก็จุดเทียนเพื่อดูหนังสือในกรดตกสี่ทุ่มก็มีเสียงดังมาจากชายป่าดังครูนครูนสนั่นป่าไปหมดแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีพระเนนกลัวกันตัวสัน่นยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีร้องเรียกให้หลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงพ่อออกมายืนนอกกรดเดินไปที่กรดสามเณรที่กําลังร้องลั่นท่านก็บอกหยุดนะเสียงนั้นก็แตกตัวตรุมที่กรดพระกรดเนนพระเนนก็สลบกันหมดเสียงก็เงียบลง หลวงพ่อก็เอาน้ำมาลูบหน้าพระเนนแล้วดับเทียนจนหมดทุกรอดอีกชั่วโมงเศษผ่านไปพระเนนก็ฟื้นคืนสติต่างก็เล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อฟังทุกรูปได้ยินเหมือนๆกันท่านก็เลยปลอบให้จำวัดกันเสียหลวงพ่อท่านทำสมาธิพิจารณาหายเหตุก็ได้ปรากฏเห็นมีปีศาจ ต, ตัวหนึ่งร่างกายใหญ่โตมากหน้าตาน่ากลัวพิลึกอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วท่านได้พิจารณาต่อไปว่า เห็นว่าสถานที่นี้เคยเป็นที่รบทับจับศึกล้มตายกันเป็นอันมากปีศาจตัว น, นี้ก็อยู่และตายในเหตุการณ์นั้นด้วยก็เลยเฝ้าอยู่ที่นี่หวงแหนที่อยู่ท่านก็เข้าสมาธิเอาจิตไปขอเจ้าปีศาจว่าอย่ามัวมาหวงที่อยู่เลยขอให้อัตมาเสเถอะชาวบ้านเขาจะได้ทํามาหากินถ้ามัวหวงอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ไปปุดไปเกิดรอกปีศาจไม่ยอมท่านก็เพียนเทสให้ปีศาจฟัง ให้เห็นคุณโทษนานาประการจนข้อนสว่างหลวงพ่อก็เข้าเตโชทาตเผาทรมานปีศาจนั้นเรียกว่าต้องใช้ไม้แข็งปราบให้มันรู้จักดีจากชั่วเหมือนจะเกลี้ยนเด็กดื้อให้ทําดีปีศาจถึงได้ยอมแล้วอนุญาตว่าจะเอาไปทํำอะไรก็เอาไปเถอะพระคุณเจ้าหลวงพ่อรับแล้วให้ศีลให้พรปีศาจนั้นก็ไปจุติยังพบอื่นด้วยกุศลนั้นจากนั้นมาที่ตรงที่ท่านและพระเนนปกักตรก็ถูกสร้างขึ้นมา ส่วนพื้นราบรอบๆนั้นก็มีคนมาจับจองทำมาหากินกันจนหมดอยู่สุขสบายกันทุกประการการจาริกสแสวงหาโมกธรรมแถบฝั่งขูงหลวงพ่อได้ปักโลดอยู่ริมภูเขาลูกหนึ่งตกกลางคืนก็นั่งทำวัดปรากฏเด็กสี่คนเป็นผู้หญิงสอยกสองคนชายสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากันในผงไม้ทำจิตอยู่สามคืนก็เลยมองหาเหตุก็ปรากฏว่าผีตนหนึ่งนำเด็กไปซ่อนไว้เองคิดเอาค่าไถ่สินบน ซึ่งได้หากินอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วชาวบ้านเคยบนบานด้วยเครื่องสองเวยแล้วก็มันก็เอาเด็กมาคืนให้ในคราวนี้ชาวบ้านไม่ได้บนบานสองเวยมันก็เลยยังคงเอาเด็กมาซ่อนไว้หลวงพ่อทําจิตขอให้มันปล่อยโดยบอกมันว่าเด็กผู้หญิงนะ่ะเขาเป็นคนให้ข้าวให้น้ําส่วนเด็กชายยังบวชยังเรียนสร้างกุศลได้มากก็ปล่อยก็ไปเถอะเดี๋ยวจะตายซิเปล่าหน้าเด็กก็ดํากันหมดแล้วมันก็ไม่ฟัง หลวงพ่อก็เข้าเตโชทาตทรมานมันถึงได้ยอมแล้วเจ้าผีได้ท้าหลวงพ่อถ้าท่านแน่จริงเชื่อว่าเป็นศิทธิ์าคดแล้วให้ขึ้นมาหาที่อยู่ของเราอยู่บนหน้าผาชั้นกลางไม่สูงไม่ต่ำนักมาให้ตรงอย่าให้เพลี้ยงทีเดียวหลวงพ่อรับคําท้าแล้วก็กําหนดที่อยู่ของเด็กเอาไว้บ้านเด็กอยู่ทางทิศใต้รุ่งขึ้นเชา้าหลวงพ่อไปบินทบาทชาวบ้านหมู่นั้นก็กราบเรียนหลวงพ่อว่าอย่าได้มาบินทบาทแถบนี้เลย เขาเสียใจกันไม่มีใครเขาจะมีกระจิตกระใจใส่บาดรักหลงพ่อก็ถามว่ามันเรื่องอะไรกันระโยมชาวบ้านก็บอกว่าลูกๆเขาหายไปสามวันแล้วจะไปเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้หากันทั่วแลกระโยมหากันทั่วหมดแล้วขอรับไปหาอีกทีสิตามขอบรั้วนั่นแหละมีอยู่ในโพรงไม้เล็กๆชาวบ้านไม่เชื่อเพราะหากันแล้วหากันอีกก็ไม่เห็นท่านก็ย้ำอีกอ บอกก็ให้ไปหากันสิบอกให้ไปหาก็ไปหาท่านพูดแล้วก็เลยไปไปบินทบาทหมู่บ้านอื่นเสร็จแล้วก็ผ่านกลับมาชาวบ้านก็ได้ออกไปยังที่ท่านแนะไว้ได้พบเด็กในโพรงไม้มาขามจริงๆก็ช่วยกันนําออกมาต่างวิพากวิจารณ์ว่าผีมันมาซ่อนไว้แน่ๆต่างก็พาเด็กมาหาหลวงพ่อที่กรดเด็กอยู่ในอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงอาการก็หวาดกลัว ชาวบ้านขอให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้ท่านก็บอกว่าอาตมาไม่ใช่หมอน้ำมนต์น้ํากลลอะไรถ้าอยากจะให้หายก็เอาน้ําล้างบาทนี้ให้ดื่มเสียชาวบ้านก็ทําตามเด็กก็ทุเลาจนหายดังเดิมก็ลาท่านกลับไปเมื่อชาวบ้านไปกันหมดแล้วหลวงพ่อก็ออกเดินทางขึ้นสู่หน้าผาที่ผีมันท้าไว้หลวงพ่อขึ้นไปตรงจุดไม่มีผิดเพี้ยนพอใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปถึงที่อยู่ของมันแล้วมันก็ผลักหลวงพ่อร่วงลงมาจากหน้าผาสูงทันที หลวงพ่อท่านเล่าว่าท่านกำหนดสติไม่ทันก็ร่วงปลิวลงมาพร้อมกับมันกลิ้งก้อนหินตามมาอีกก้อนหนึ่งด้วยพอท่านตกถึงพื้นล่างหินก็กระแทกที่นิ้วเท้าด้านซ้ายกระดูกแตกหลวงพ่อกำหนดสติไว้ทันส่วนผีก็เข้าที่ของมันหลวงพ่อได้กำหนดจิตไม่ให้มันเข้าไว้ได้ท่านก็ร้องถามมันว่านี่อะไรกันนะ่ะถึงได้มาทำกันอย่างนี้น่ะพระมาด้วยใจบริสุทธิ์นะไมาได้คิดจะทำร้ายใครนี่มาทำฉันให้ดีนะ ถ้าไม่ดีเดี๋ยวจะลำบากนะนิ้วแตกหักขนาดนี้จะจะรักษาได้ไหมผีมก็บอกได้หลวงพ่อก็บังคับมันอีกว่าอย่าให้ปวดนะแล้วภายในเจ็ดวันต้องให้หายด้วยพูดเท่านั้นหลวงพ่อก็ได้เอาดินมาใส่แผลหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาผ้าพัานไว้จากนั้นท่านก็ขึ้นไปหามันอีกบนหน้าผาพอถึงมันกำลังอยู่ในรูเลื่อมๆใหญ่ๆแปลกกว่ารูอื่นๆหลวงพ่อมองเข้าไปก็ เห็นตัวมันแดงๆที่หลวงพ่อตั้งชื่อมันว่าพวกผีบังบดจากนั้นมาเจ็ดวันแผลและอาการก็หายสนิทคุณเจริญก็ถามว่านิ้วแตกอย่างนี้ปวดหรือเปล่าหลวงพ่อไม่ปวดรอกเพี้ยนแค่แสบนิดหน่อยเท่านั้นท่านก็ได้แสดงธรรมว่าถ้าคนไม่มีศีลธรรมไม่เชื่อคุณพระรัตนารายเที่ยวไปตามถ้ำตามภูเขาแม้คืนนึงก็ไม่ควรพักดีไม่ดีจะเกิดเพศภัยกับตนเองได้ แต่ถ้ามีศีลดีแล้วเทพ ย, ยดาก็ยังช่วยปกปักรักษาได้ถึงมีภัยก็หนักเป็นเบาต่อมาชาวบ้านก็ร่ำลือกันว่าหลวงพ่อรูปนี้ดีจริงๆแล้วต่างก็พากันมารดน้ำมนต์ขอหวยขอของขลังกันมากๆไม่เป็นอันที่จะทำจิตทำใจอะไรได้ท่านก็เลยย้ายไปทางเหนือริมน้ำขงเป็นอ่าว ไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านเพราะว่าคนเขากลัวกันเป็นส่วนมากไกลาจากหมู่บ้านเป็นสถานที่สงัดดีการบินธบัดก็ได้อาหารพอเป็นพอไปพอฉันแล้วอาหารเหลืออยู่บ้างก็ได้ให้ทานแก่ปลาเต่าตะภาพต่างก็พากันมากินเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอีกหลายวันผ่านไปชาวบ้านรู้ว่ามีพระมาอยู่ที่นี่ก็พากันมาหาของดีจากหลวงพ่ออีก ยังไม่ทันมาถึงก็ได้พบพวกสัตว์เหล่านั้นกำลังกินอาหารอยู่เป็นจำนวนมากต่างก็ดีใจรีบกลับไปบ้านไม่เป็นห่วงของดีจากพระเลยเสร็จแล้วต่างก็กลับมาอีกพร้อมกับนำเครื่องจับสัตว์นานาช น, นิดมาด้วยแล้วก็ได้สัตว์เหล่านั้นไปเป็นจำนวนมากรุ่งขึ้นหลวงพ่อไปบินดสบบาดเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งก็ได้ยินเสียงพายุพัดมาเสียงนี้ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีหลวงพ่อเหลียวไปดูก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติ พอใกล้มามากท่านก็เลี่ยงออกไปนอกทางเสียได้ยินเสียงพูดจากอากาศว่าไอ้พวกนี้สำคัญจริงๆมันเอาควายพาหะของกูไปเจ็บใจนักจะต้องเล่นงานให้สำคัญหลวงพ่อได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเงียบหายเข้าไปในหมู่บ้านที่มาจับปลาจับเต่านั่นเองหลวงพ่อเดินเข้าถึงหมู่บ้านก็เห็นชาวบ้านปิ้งย่างปลาเป็นจานวนมากส่วนเต่าตภาพก็เจาะกระดองแล้วแขวนไว้ท่านเห็นอย่างนั้นก็พูดขึ้นว่าโยม ที่แล้วก็แล้วไปเถอะที่เหลืออยู่ก็ปล่อยเขาไปเถอะชาวบ้านได้ยินหลวงพ่อพูดก็ตอบขึ้นว่าพระไม่ฉันเหรอเดี๋ยวไม่ใส่บาทเลยหลวงพ่อได้เดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบินทบาทเสร็จแล้วจึงกลับมาอีกสองสามวันพวกชาวบ้านหมู่บ้านนั้นก็เกิดท้องร่วงกันหมดทั้งบ้านทั้งเกิดไฟไหม้อีกด้วยจึงนับว่าเป็นโกงเควียนกรรมเควียนที่ได้ชำระกันอย่างน่าเวทนา หลวงพ่อเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ท่านก็ย้ายไปที่อีกแห่งหนึง่งใกล้บึงใหญ่เป็นที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมกว่าก่อนต่อมาอีกสิบวันก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพวกตามควายที่หายได้ผ่านมาแล้วแวะถามหลวงพ่อให้ท่านดูให้เพราะเชื่อว่าพระธุดงต้องมีคุณวิเศษมากมายเป็นที่บำบัดทุกข์ของคนที่มาหาได้หลวงพ่อก็บอกว่าอาตมาไม่ใช่หมอดูแต่ว่าควายของพวกโยมเนี่ยมันตายแล้ว หากต้องการค้นหาก็สังเกตดูว่านกแร้งมันเกาะอยู่แถวไหนนั่นแหละเป็นต้องได้พบแน่ๆพวกหาควายก็ลาไปพอออกไปไม่ไกลนักก็ได้พบนกแร้งอยู่ใกล้ๆหนองน้ําก็เข้าไปดูก็ไม่มีจึงลองงมดูก็เจอกระดูกข้าจริงๆนกแร้งจะลงงมกินก็ไม่ได้ก็ได้แต่จับดูอยู่เท่านั้นเองภายหลังเจ้าของควายได้สืบทราบว่าใครคือตัวการพวกขโมยก็รู้ว่าหลวงพ่อบอกมันก็เลยจะเอาเรื่องหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านทราบเหตุการณ์ก็เลยย้ายไปอีกทางเขาวงพระจันทร์ไกลออกไปอีกมากท่านได้พบพระรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าท่านเป็นโรคผอมเหลืองปฏิบัติธรรมไม่สะดวกท่านก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เตือนว่าท่านอย่าฉันอาหารที่เขาเส้นส้วงสิเพราะคนที่เขามาหาท่านเขาเอาเครื่องเส้นส้วงมาถวายท่านตามทางที่เขามานะั้นมีสารเจ้าพ่ออยู่เยอะเขาก็เอามาให้ฉันหลายครั้งแล้ว ท่านฉันแล้วก็เกิดผอมเหลืองขึ้นถ้าหากว่าท่านเลิกฉันของเหล่านั้นเสียท่านก็จะหายพระรูปนั้นรู้แล้วก็ทำตามก็หายเป็นปกติต่อมาท่านได้เดินทางมาทางอารัญยประเทศสแสวงหาถ้ำที่เหมาะเหมาะแล้วก็ได้พบนายทหารวัยชาราคนหนึ่งได้แนะนำว่าการจะหาถ้าที่ไหนปฏิบททัติธรรมจะให้เหมาะเกินถ้ำสิงเป็นไม่มีเขาลูกนี้มีถ้ำสักร้อยแห่งเห็นจะได้มีอยู่เป็นชั้นเป็นเชิง หลวงพ่อก็เลยเข้าไปที่นั่นเสาะหาถ้ำที่เหมาะใจในถ้ำกลางเนี่ยเป็นที่เห็นว่าทําการขูดกลาวได้ก็ได้ถ้าชั้นกลางถ้านั้นคืนหนึ่งท่านได้นิมิตไปว่าเทพพญดาผู้หญิงเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเดิมที่ถ้เนี้ยฉันอยู่มาก่อนต่อมาภิกษุหกรูปมาเจริญพระกรรมาฐานในถ้านี้ฉันก็เลยย้ายไปอยู่อีกทางหนึ่งเสียฉันมีลูกหนึ่งคนแล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไทรตอนที่เข้าถ้าชั้นบน ท่านเห็นหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ดีใจจังเลยถ้าหลวงพ่อว่างก็นิมนต์ขึ้นมาเที่ยวข้างบนบ้างวันรุ่งขึ้นท่านออกบินทบาตไกลสักหกกิโลเมตรพอกลับมาฉันพัฒกิจแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านทเทพปิยดาองค์นั้นโดยไปหาไม้พระ อ, องค์มาพาดกับต้นไทเอารากไทรมามัดให้นั่นเสร็จแล้วท่านก็เอากลดแล้วก็ขวดน้ําขึ้นไปด้วยพอป่ายปีนขึ้นไปถึงชั้นบนก็ได้เห็นลานไทรร่มรื่นดีสีเดียวเหมือนมีใครมากวาดไ ว, ว้ก่อนแล้ว ท่านก็ได้แขวนกรดใต้ตนใส่นั้นขณะที่ทํากรรมฐานอยู่นั้นท่านได้นิมิตมีผู้มาบอกว่าถ้าข้างล่างไปอยู่ไม่ได้หรอกมียักษ์เขาอยู่กันในถ้านั้นแล้วนิมิตใหม่ว่าถ้าที่ต่ําว่นั้นลงไปยังมีดินทรายละเอียดอ่อนดีเคยมีพระอรหันต์องค์หนึ่งเข้าไปปรินิพานในถ้า น, นั้นทั้งยังมีธรร ม, มาะเก่าๆอยู่อีกด้วยท่านอยู่ลานทรายได้เจ็ดวันถึงได้ลงเทพยาดาได้ปรวรณากระหลวงพ่ออีกว่า ถ้าพระกุญเจ้ามีเหตุขัดข้องอะไรขอขอให้บอกเลยฉันจะช่วยรุ่งเช้าท่านได้ออกบินทบาทบ้านใกล้ๆกันนั้นแล้วถามเรื่องถ้ำจากโยมโยมแถบนั้นได้พาท่านขึ้นไปดูถ้ำหลังจากทำพัฒกิจเสร็จแล้วก็ออกไปเดินดูถ้ำที่ได้นิมิตเห็นแล้วก็ได้ไปพบธรรมมาตุเก่าๆแต่ไม่มีศพอยู่ในถ้ำแล้วก็เดินต่อไปอีกได้พบรอยเทพป ย, ยดาอยู่บนทรายอ่อนๆในถ้ำนั้นด้วย เป็นรอยของหญิงอายุสักสิบกปีรอยเหยียบเดินไปใหม่ๆน่าอาัศจรรย์ไม่เคยเห็นมาก่อนท่านได้อธิษฐานเอามือลูบรอยเท้านั้นพอยกมือขึ้นก็ปรากฏรอยเกิดขึ้นใหม่อีกทําอย่างนี้ถึงสามครั้งก็ยังปรากฏอยู่โยมที่ตามไปด้วยเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยกลัวไม่ยอมออกทางเจ้าหลวงพ่อเลยท่านเดินชมถ้ำต่างๆมากมายแล้วก็ลงมาที่กรดของท่านเรื่องของหลวงพ่อป้องยังไม่จบนะครับแต่เวลาหมดแล้ว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 สมัยมหาสงครามเอเชียบูรพาคุณเจริญรับราชการเป็นนายสิบทหารเสนารักษ์ประจำภาคเหนือสีสามปีกว่าอยู่ในมณฑลที่หนึ่งลำปางโดยออกไปถูแถวแถวเชียงรายแม่สายแล้วก็รัฐเชียงตงุงต่อมาคุณเจริญป่วยหนักก็เลยถูกส่งมารักษาที่ลำปางแล้วก็กรุงเทพหลังจากทุเลาดีแล้วก็ถูกส่งไปอยู่โรงพยาบาลทหารลบบุรี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 คุณเจริญก็อธิบายว่าที่ถามนั้นไม่ใช่สถานที่เดิมอย่างที่พระคุณเจ้าตอบแต่หมายถึงว่าพระกุญเจ้ามาจากภูเขาลูกไหนหรือว่ามาจากที่แห่งใดท่านก็บอกว่ามาจากภูเขาสามร้อยยอดมีถ้ำอันสงบสงัดไม่มีใครรบกวนถ้ามูมีเวลาก็ไปเที่ยวบางสีคุณเจริญก็คิดอยู่ในใจว่าพระอยู่ป่าอยู่เขาองเดียวเนี่ยจะต้องมีอะไรดีเป็นแน่แท้ จากนั้นท่านก็เดินขึ้นไปทางถ้ำคุณเจริญก็เดินตามไปพลางขอร้องให้ท่านโปรดกรุณาเป่าหัวให้ด้วยมูจะให้เป่า เ, เพื่อประสงค์อะไรล่ะเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็นึกละอายแล้วก็กลัวด้วยก็ตอบท่านไปว่าเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลครับท่านก็เหลียวมาเป่าทุทุทุสามทีเหมือนกับถมน้ำลายรถหัว การเป่าหัวนี่ไม่ช่วยให้คนฉลาดไปได้หรอกนอกจากจะเย็นหัวหน่อยนึงเท่านั้นเนี่ยคนเราจะให้ฉลาดกันจริงๆมันต้องเป่าหูไม่ใช่อย่างที่หมู่เข้าใจนี่หรอกไม่ว่าฝ่ายพุทธจักรอาณาจักรยังต้องมีโรงเรียนสอนศีลธรรมสอนวิชาการให้รู้ให้เข้าใจให้คนเฉลียวฉลาดก็เรื่องเป่าหูเนี่ยนะคือไม่ใช่เป่าหัว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 นินกระทั่งมาถึงที่นี่ถ้ำ ท, ที่สำคัญสาคัญที่ผ่านมาใน28ถ้มส่วนถ้ธรรมดาในไม่นับในจำนวน28ถ้ำถ้ำ ท, ที่แรงดีที่สุดก็คือถ้าสิงโตทางอารันญยญประเทศจากนั้นคุณเจริญก็มีความเลื่อมใสในตัวท่านมากขึ้นเป็นลำดับก็เลยช่วยเป็นภารกิจประจำวันเช่นคอยรับบาทท่านมาส่งถึงถ้ำพร้อมกับจับจัดน้าฝนถวายท่านทุกเช้า วันหนึ่งคุณเจริญกระหายน้ําขณะที่ไปหาท่านที่ถ้ำอยู่เป็นชั่วโมงก็เลยขอน้ําท่านดื่มท่านก็ดินใส่ฝากระติกบอกให้อ้าปากขึ้นแล้วก็เทน้ําลงปากของคุณเจริญคุณเจริญก็นึกในใจต่อไปว่าจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วเพราะกันดานน้ําเวลาหิวก็ไม่มีจะกินท่านก็พูดขึ้นว่าการดื่ม น, น้ําร่วมกับคฤรืหัดนั้นเกิดโทษนะปากคฤรืหัดเป็นสันนิธิ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 อ่าก็ราวๆจมูกด้วยภารกิจที่จะต้องมีงานทําเยอะคุณเจริญก็ไม่ได้ขึ้นไปหาท่านเราวาสิบวันเช้าหนึ่งท่านออกบินธบาติที่ค่ายทหารแล้วก็บอกกับคุณเจริญบอกว่าหมูไปเที่ยวที่ธรรมบางสีไม่อดน้ําเหมือนเมื่อก่อนแล้วแองที่หมูทำเนะี่ยฝนตกลงมาเต็มล้นเลยวันก่อนเมื่อคุณเจริญไปส่งบาด ท, ท่านที่ตีนเขาท่านก็พูดบอกว่า เมื่อคืนนี้ลองกำหนดอาปโปาธาตคือท่าน้ำกำหนดอาปโปาธาตดูก็รู้สึกเย็นเฉียบไปทั่วสารพางกายเลยทีเดียวละวันนี้ท่านพูดว่าน้ำเต็มก็เลยขึ้นไปส่งถึงถ้ำเห็นน้ำฝนเต็มแอ่งจริงๆจึงแน่ใจว่าพระภิกษุรูปนี้มีดีอย่างอัศจริงๆก็เลยเพิ่มศรัทธาให้คุณเจริญเลื่อมสายมากยิ่งขึ้น วันหนึ่งท่านออกบินธบัตแล้วก็ทําพัฒกิจใกล้โรงอาหารในค่ายท่านเห็นข้าวสุกข้าวแดงตกเกลือนกราดมากมายท่านก็พูดเป็นเชิงว่าชีวิตข้าวเปลือกนี่มากกว่าชีวิตข้าวกล่องชีวิตข้าวกล้องมากกว่าชีวิตข้าวสารชีวิตข้าวสารมากกว่าชีวิตข้าวสุกชีวิตข้าวสุกนั้นยาวกว่าชีวิตคนเพราะมันมีอายุเช้าชั่วเที่ยงส่วนชีวิตสัตว์นั้มีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้น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 จากนั้นคุณเจริญก็ได้ส่งน้ำให้ท่านเสร็จแล้วก็ออกไปเดินที่หน้าถ้ำแล้วก็ติดตามเอาบาตไปส่งที่ตีนเขาทาอย่างนี้อยู่อีกหลายวันอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็โจทย์กันว่าพระรูปนี้ฉันอาหารไม่เป็นที่เป็นทางเมื่อคุณเจริญได้ยินพวกเขาพูดกันอย่างนั้นก็ได้นำเนื้อความไปเรียนท่านแล้วถามท่านว่าเพราะเหตุใดท่านก็บอกว่าเพื่อทาจิตใจให้ตก แต่มันไม่ค่อยจะตกสักทีนั่งฉันมาหลายที่แล้วคุณเจริญก็เลยเรียนท่านว่าจะสร้างที่ฉันพัตาหานในท่านสักที่นึงเอาตรงไหนถึงจะเหมาะท่านก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ชี้ไปตรงเนินข้างหน้านวนแล้วคุณเจริญก็ไปที่เนินนั้นเห็นเป็นที่เส้นไหวผ้ผีเพราะอยู่ใกล้ศาลเจ้าพอ่อแล้วก็ที่เส้นสวงมากเกินไปก็เรียนท่านว่าเอาพระคุณเจ้าการุณาเลือกที่ใหม่นะครับ เพราะว่าที่นั่นใกล้กับศาลเจ้าพ่อของเขาทําไปเถอะพระบอกว่าทาได้พระกับเจ้าพ่ออยู่ด้วยกันไม่เป็นไรหรอกนะพระกับเจ้าเพื่อนกันต่อมาคุณเจริญก็ได้บอกขอปีกไม้ชาวบ้านที่เขาทิ้งๆเอามาปลูกได้ยาวสักแปดสอกมุงหลังคาด้วยใบายจากพื้นเป็นไม้กระดานเก่าๆแล้วท่านก็แนะว่า ตรงอกไก่ไปหาปี๊บสักห้าหกใบผ่าแล้วก็มงุงถึงจะดีคุณเจริญก็ออกเที่ยวตามหาตามบ้านก็ไม่ได้บังเอิญไปพบสังกสีเก่าๆของศาลเจ้าพ่อตกอยู่ในเลนคุณเจริญก็กลับไปกรมทหารเอาลูกน้องสองคนมาช่วยกันงมเอาสังกสีมาล้างแล้วไปตากแดดบังเอิญมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ถามว่าในแกรื้สังกสีทําไมอ่ะ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 จะของใครก็แล้วแต่ผมจะเอาไปมุงหลังคาให้พระให้ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เห็นดีกันดิพูดเท่านั้นเขาก็พละออกไปสู่หมู่บ้านสักพักผู้ชายผู้นั้นก็เดินกลับมาได้ยินเสียงกรองดังสนัน่นอ่าคุณเจริญก็นึกในใจว่าเขาคงตีกรองเผาผีกันเพราะว่ามันบ่ายมากแล้วสักครู่นึงก็เห็นชายชะกันสักสามสิบคนเดินออกจากหมู่บ้านตรงมาในมือมีตะขอตะขอฉายอ่า คือถ้าขอฉายนี่ก็สําหรับสงความเวลานวดข้าวบ้างก็ถือคันเหลาอ่าคือไม้หัวแหลมท้ายแหลมใช้าหาบข้าวฟ้อนแรกๆก็คิดว่าพวกนี้คงจะออกไปหาปลากันดูไปดูไปก็เห็นจะผิดท่าแล้วเพราะบางคนก็ถือตะพดมาตรงเข้ามาลูกน้องของคุณเจริญก็เตรียมจะสู้นะคุณเจริญก็บอกลูกน้องว่าปล่อยเขาดีกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องมากไปพวกหนึ่งก็มาล้อมคุณเจริญอีกพวกหนึ่งไปล้อมสังกสีไว้ คุณจเจริญเห็นผิดท่ามากไปก็เลยหยิบเสื้อขึ้นมาสวมชายคนหนึ่งก็ถามว่าจะให้หรือไม่ให้สังกะสีของเจ้าพ่อะคุณจเจริญก็บอกว่าจะผิดจะถูกอะไรก็พูดกันได้นี่แค่สังกะสีจะเอาเอาไปเราล้างให้เรียบร้อยแล้วพูดเท่านั้นต่างก็ไปล้อมสังกะสีแล้วก็รีบยกไปจนหมดสักครู่ก็เห็นคนอีกสามสิบคนออกมาชายโยโห่ร้องคุณจเจริญก็เลยกราบค่ายทหาร วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเข้ามาบินธบาตในค่ายทหารอีกคุณเจริญเอาน้ำไปถวายท่านก็ได้ถามว่าสังกสีหาได้ไหมคุณเจริญก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท่านทราบท่านก็พูดบอกว่าเออเรายอมให้นะดีแล้วถ้าไม่ยอมมันก็ต้องมาเอาชีวิตเราพวกถือผีถือเจ้านี่ไม่ใช่เล่นนะตัวของมันเป็นคนแต่ไปเอาผีมาเป็นสาระใจก็เลยเป็นผีไป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 กิจได้ก็เป็นบุญแล้วสถานที่นั้นท่านแบ่งไว้เป็นสมสถานด้วยกันคือ 1. พุท ธ, ธมหาเตโชที่มีเดชะมีอำนาจมหาก็คือโบสถ์ 2. ธรรมมหาลาโภที่ทำบุญให้ทานคือสลาได้ฟังธรรมทำบุญตักบาตรสสังฆมหาสุขโขที่ที่ประสงค์พักพิงอาศัยคือกุฏิวิหารทั้งสามสถานที่นี้เป็นที่ใหญ่ๆทั้งนั้น การสร้างวัดนั้นถ้าสร้างให้ถูกส่วนถูกที่แล้ววัดนั้นจะมีความเจริญมากจากนั้นคุณเจริญก็ได้ตักน้ําสงฆ์ท่านพอเสร็จแล้วท่านก็กลับไปถ้มดังเดิมรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ได้พูดกับทหารว่าเมื่อคืนนี้พระกับคาราวาะลองวิชากันอยู่ตั้งค่อนคืนทําให้เกิดแสงสว่างสวัยปรากฏแก่ชาวบ้านแถวนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์มากคุณเจริญก็นําความนี้ไปกราบเรียนท่านทุกประการเสร็จแล้วก็ถามท่านว่าเอ จริงผมลากลับตั้งแต่บ่ายแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้ล่ะครับโอ้เทพเจ้าเขาเปล่งรัศมีไม่ใช่เป็นของแปลกหรอกปฏิบัติ ด, ดีเขาไม่เห็นเป็นของอัศจรรย์อะไรเพราะความจริงเขาก็มีอยู่อย่างนี้แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเท่านั้นมันเป็นของประจำโลกพอคนมาเห็นเข้าก็เลยคิดว่าอัศจรรย์แปลกประหลาดไปถ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่มีอะไรกันหรอก คุณเจริญฟังแล้วก็ค่อยคลายใจลงจากนั้นก็ลากหลับค่ายทหารวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเข้ามาบินธบาตในค่ายอีกแล้วก็นําไปฉันที่สลามีพวกทหารตามท่านมารออยู่ที่ค่ายหลายคนคุณเจริญเดินมาที่หลังเพื่อเอาน้ําผลมาถวายท่านหลวงพ่อก็พูดึว่ากำนันมาแล้วพวกทหารก็เหลียวดูก็เห็นเป็นคุณเจริญทหารก็ขานท่านว่าเออหมู่เจริญนะครับไม่ใช่กำนัน นั่นแหละคำนั้นเจริญต่างคนต่างก็นิ่งกันไปเรื่องนี้น่าคิดนะท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีแล้วท่านมีอะไรดีจริงๆพูดคำไหนเป็นคำนั้นแล้วถ้าหาพวกเราพบพระดีๆหากไม่สํารวมให้ดีแล้วเกิดท่านเรียกเปรตขึ้นมาหรือตัวจันรายมาในชีวิตก็คงจบกันข้อนี้ต้องสารเสริญกำนันเจริญเป็นนันมากที่รอบรู้ในการศึกษาชนิดสัมมาทิฏฐิ หากเดี๋ยวนี้มีพระธุดงที่มีอิทธิอัศจรรย์ทั้งด้วยอิทธิปาฏิหารและเทศนาปาฏิหารแล้วคนคงแห่กันไปขอเลขขอหวยดูดวงกันวุ่นวายแนะ่เพอเผลอนักบริหารนักการเมืองคงนําขบวนไปรดน้ำมนต์สะดอกคราะกันบ้างแน่แล้วคนเหล่านั้นก็ต้องผิดหวังร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเมื่อทหารพากันงงในคําของหลวงพ่อว่าคุณเจริญเป็นกํานันบางคนอาจจะนึกกันว่าหลวงพ่อพูดเล่นบางคนคิดว่าท่านเพ้อเจอไปมา้ แล้วทหารบางคนก็คิดว่าท่านศักดิ์สิทธิ์เกินจะดาได้อย่างไรเสียก็ควรจะรอคําตอบต่อมาอีกสักอาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อได้สั่งให้คุณเจริญไปหาแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าน้ําผลก็ได้ฉันเท่านี้แหละคุณเจริญสงสัยก็เรียนถามท่านว่าหมายถึงอะไรครับเพราะน้ําเรามีเยอะครับน้ํามีอยู่แต่ไม่มีคนจะนํามาถวายมูจะต้องกลับบ้านไปเป็นกํานันแล้ว คนอื่นเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลพระปฏิบัตินักหรอกที่มาก็หาแต่เรื่องรางของขลังกันเท่านั้นที่จะมาอย่างหมู่นิหายะบางทีก็มาขอหวยบางคนก็จะมาขอพระองค์เล็กๆอยากจะได้แต่พอพบพระจริงๆเข้าก็ไม่ไหว้พระกันแถมยังไม่รู้จักพระซะอีกเรียกไปอยากได้พระแต่พอเจอเขาก็ไม่อยากได้คราวนึงมีคนมาขอพระอาตมาก็ถามว่าจะเอาพระไปทําอะไร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 วันหนึ่งหลวงพ่อท่านเดินทางมาหาคุณจเจริญเองที่สามชุกพอถึงบ้านท่านก็เรียกกำนันจเจริญกำนันจเจริญบังเอิญคุณจเจริญไปทํากิจการเสียทางบ้านก็เลบอกว่ากำนันไม่อยู่หลวงพ่อก็เดินไปพักอยู่ใต้ต้นทองควาวหลังวัดใหม่คือวัดวิมโลโพคารามเป็นทุ่งนาหน้าตลาดสามชุก เมื่อคุณเจริญมาถึงก็ได้ทราบว่ามีพระอะไรไม่ทราบมาหามีโกรธมีบาดไม่เหมือนพระหัววัดห่มผ้าสีครค่ำๆคุณเจริญก็ไปหาท่านท่านนอนตะแคงอยู่คุณเจริญเห็นก็จําได้ทันทีว่าเป็นหลวงพ่อป้องก็รู้สึกปิติอิ่มใจดีใจมากเข้าไปหาแล้วก็กราบเท้าท่านแล้วก็เรียนถามท่านว่าหลวงพ่อมาจากไหนนะครับโอมาจากป่าลานเพชรบูรณ์ คุณเจริญก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่เพราะนานๆจะได้ปฏิบัติหลวงพ่อจากนั้นก็เข้าไปในบ้านเอาผ้าไตรเพื่อถวายท่านพอมาถึงท่านก็ให้คุณเจริญทอดเป็นผ้าป่าหากิ่งไม้มาสะเอาผ้าผ้าหลวงพ่อก็ถามว่าคำนั้นจะถวายทั้งไตรหรอือครับท่านสังคติยังไม่มีเมื่อคุณเจริญคลี่ดูก็จริงขาดสังกติไปผืนหนึ่ง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 คุณเจริญก็เลยลากลับมาหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าคำนั้นทําไม่ถูกบอกข่าวบุญกุศลแล้วไปนั่งต่ําบักเขาด้วยคุณเจริญก็ยอมรับเพราะไปบ้านในอำเภอนั้นไม่อยู่สองชั้นคุณเจริญนั่งอยู่ชั้นล่างในที่ต่ำบ้านในอำเภอจริงๆต่อแต่นั้นคุณเจริญก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรอีกเพราะรู้ว่าท่านรู้เหมือนตาเห็นหรือว่ารู้แม้กระทั่งจิตใจผู้อื่นด้วย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 พอได้กลิ่นของเหม็นมันก็มากันคลื่นครั้นแต่พระไม่ทำหรอกต่อมาคุณเจริญก็ได้นํำมาผู้ชายคนหนึ่งมาฟังธรรมจากท่านเขาก็มาดูดูแต่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมสายอะไรอยู่สักประเดี๋ยวก็ลาไปนะคุณเจริญก็ขอร้องหลวงพ่อบอกว่าเออหลวงพ่อกรุณาช่วยโปรดเขาด้วยเถอะครับคนอาภัพช่วยอะไรไม่ได้เขาบวชตั้งสามสิบปันศาเป็นถึงพระคู่สวดแล้วตอนนั้นเขาเขียนจดหมายติดต่อกับผู้หญิงจนรักกัน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 แถมยังดื่มในถังซะอีกด้วยหญิงคนนั้นก็นิ่งอยู่คุณเจริญก็กระซิบถามว่าจริงเหรอที่หลวงพ่อท่านพูดเน่ะเธอก็บอกอือจริงค่ะรุ่งขึ้นก็ได้เรียนถามเรื่องต่างๆในอดีตที่ผ่านการเดินทุดงมาท่านเล่า ว, ว่ามีพระเล็กกับพระใหญ่ทางกรุงเทพรูปหนึ่งได้ป ร, รียนห้ารูปหนึ่งได้ป ร, รียนสามได้ออกเดินทุดงตามป่าตามถ้ำเสร็จแล้วก็มีญาติโยมบอกว่ามีพระอยู่ที่ถ้ำสิงโต อยู่มานานแล้วพระรูปหนึ่งก็พูดขึ้นว่าท่านได้เรียนแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยอยากจะอยู่ปฏิบัติกับท่านด้วยหลวงพ่อก็ให้ท่านไปอยู่กันในถ้าหนึ่งอยู่ได้ไม่กี่วันหลวงพ่อได้รู้จากนิมิตว่ามีเสียงทะเลาะกันในถ้าท่านก็เลยออกไปเยี่ยมท่านก็ถามว่าเออท่านอยู่กันในถ้ำอะไรกันบ้างเออสวดมนต์ครับสวดอะไรกัน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 รูปหนึ่งอวดวิชาว่าเก่งลงเสื้อยันตัวแดงๆปืนยิงไม่ออกอยู่แถวขาวพะเนียนได้ออกมาขายพะยันหลอกเอาเงินชาวบ้านชาวบ้านหลงเชื่อก็เช่ า, ชากันมากมายทหารรู้ข้าวก็เอาปืนคนเบามายิงกรอกเข้าไปในถ้ำพิสูจน์ว่าจะยิงออกหรือไม่ออกส่วนพระอวดวิชานั้นท่านแอบอยู่ในกำบังเสื้อทันก็เลยรอดจากลูกปืนมาได้ทหารก็พูดกับชาวบ้านว่าอีกหน่อยจะลองดีกับพระอยู่ป่าอยู่ถ้าอีก หลวงพ่อได้ยินข่าวก็เลยออกจากที่นั่นมาทางป่าลานเพชรบูรณ์คุณเจริญถามว่าหลวงพ่อบินทบาต ท, ที่ไหนครับท่านก็บอกว่าบินธบาติกัเชาวบ้านที่ตัดใบลานขายโดยพักปากรดอยู่กระทั่งางทางช้า ง, า, ง า, งางเดินแล้วไม่ถูกช้างกวนหรอครับพอช้างมันเดินมาถึงก็โอบล้อมมันมาสักหกสิบเชือกตอนสักสี่ทุ่ม แล้วพอถึงแล้วมันก็ยอ่อเข่าลงยกงวงชูขึ้นสามครั้งแล้วถอยหลังไปตัดทางใหม่ตัวต่อต่อไปก็ทําอย่างนั้นอ่ะอ้าวหลวงพ่อมีอะไรดีเหรอครับไม่ได้มีวิชาดีอะไรหรอกแล้วหลวงพ่อทํำยังไงล่ะครับก็แผ่เมตตาให้มันนะสิช้างมันทําไมถึงรู้ล่ะครับแล้วก็ทําความเคารพหลวงพ่อได้อ้าวก็เพราะมีเทวดารักษาอยู่ในวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเล่า ว, ว่าได้ตามไปดูช้างขโขลงนั่นอีก ไปห่างมันสักสี่วาในป่าลานมีลูกช้างเผือกชื่อหนึ่งแต่ถูกเอาใบไม้พ่นย้อมให้ตัวดำแม่ช้างเห็นก็ร้องขึ้นช้างทั้งหมดก็กรูกเข้ามาล้อมลูกช้างเผือกไว้หลวงพ่อก็พูดว่าข้ามาดูลูกเองมันสวยดีอบอบปากมากหรอกช้างได้ฟังแล้วก็ออกไปหากินตามเดิมอา้าวแล้วทําไมช้างมันรู้คําพูดหลวงพ่อล่ะครับกดเทวดารักษาอยู่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 พระและสามเณรต่างก็ลงจากต้นไม้มาด้วยจิตใจระทึกเจ้าของควายก็บอกว่าควายสองตัวนี้ไม่ขายเนื้อให้ใครละพวกเรามาช่วยกันถือเนื้อแจกใจกันในทั่ววันพรุ่งนี้จะได้มาทําบุญด้วยกันเสร็จ แ, แล้วก็เล่าเรื่องควายคู่นี้ให้ฟังมันตายซะกด็ดีมันเห็นพระเห็นเจ้าไม่ได้หากท่านผ่านมาในทุ่งนี้มันเห็นเข้าแล้วเป็นต้องขับทุกทีบางรูปรถูกขับแล้วจนเข็ดไม่มาอีกไม่รู้มันเป็นอะไรของมัน คุณจเจริญก็เรียนถามว่าเพราะอะไรควายถึงได้ชนกันเองตายหมดอ่ะหลวงพ่อมันตกจใจสิเออผมว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นนะฮะเทพพระเจ้าเขาโกรธอ้าวทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นก็มันคิดจะทำร้ายผู้ปฏิบัติธรรมก็เลยหักคอเสียคุณจเจริญรู้สึกกลัวรู้สึกเกรงแล้วก็ศรัทธามั่นขึ้นในกรรมทั้งหลาย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 แต่น้ํานําไม่กรองให้ดีเสีก่อนคุณจเจริญ น, นึกดูก็จริงเพราะชอบเลี้ยงพระสอบนักธรรมสนามหลวงแล้วน้ําที่ถวายก็ไม่ได้กรองตามที่หลวงพ่อพูดจริงๆคุณจเจริญได้ความรู้ความเข้าใจโดยตรงและจําได้แล้วได้ปฏิบัติมาจนทุกวันนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงคราวไปแถวแถวสกลนครฝั่งโผงจนข้ามไปฝั่งภาคลาวแล้วก็เดินไปตามแนวที่ราบมองเห็นป้ายเขียนไว้ว่า อันตรายห้ามคนพักในบริเวณนี้แม้จะเป็นพระภิกษุสามาเณรก็ห้ามแต่ก็ไม่ได้บอกว่าด้วยเหตุใดจึงบอกให้พระเนนลงกรดเสียที่นั่นเลยลองพักดูสักทีดูว่ามันจะมีอะไรขึ้นให้ปากกรดใกล้ๆกันตกเย็นทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วต่างก็จุดเทียนเพื่อดูหนังสือในกรดตกฝี่ทุ่มก็มีเสียงดังมาจากชายป่าดังครูนครูนสนันป่าไปหมดแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกที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 ท่านก็เข้าสมาธิเอาเจิตไปขอเจ้าปีศาจว่าอย่ามัวมาหวงที่อยู่เลยขอให้อัตมาเสเถอะชาวบ้านเขาจะได้ทํามาหากินทามัวหวงอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ไปปุดไปเกิดรอกปีศาจไม่ยอมท่านก็เพียนเทศให้ปีศาจฟังให้เห็นคุณโทษนานาประการจนค้อนสว่างหลวงพ่อก็เข้าเตโชาทาตเผาทรมานปีศาจนั้นเรียกว่าต้องใช้ไม้แข็งปราบให้มันรู้จักดีจักชั่วเหมือนจะเกลียนเด็กดื้อให้ทําดีปีศาจถึงได้ยอม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 หลวงพ่อได้ปักหลดอยู่ริมภูเขาลูกหนึ่งตกกลางคืนก็นั่งทําวัดปรากฏเด็กสี่คนเป็นผู้หญิงซอยสองคนชายสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากันในพรงไม้ทําจิตอยู่สามคืนก็เลยมองหาเหตุก็ปรากฏว่าผีตนหนึ่งนําเด็กไปซ่อนไว้เองคิดเอาค่าไถ่สินบนซึ่งได้หากินอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วชาวบ้านเคยบนบานด้วยเครื่องสังเวยแล้วก็มันก็เอาเด็กมาคืนให้ในคราวนี้ชาวบ้านไม่ได้บนบานสังเวย มันก็เลยยังคงเอาเด็กมาซ่อนไว้หลวงพ่อทำจิตขอให้มันปล่อยโดยบอกมันว่าเด็กผู้หญิงนะเขาเป็นคนให้ข้าวให้น้ำส่วนเด็กชายยังบวชยังเรียนสร้างกุศลได้มากก็ปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวจะตายซิปเปล่าๆหน้าเด็กก็ดำกันหมดแล้วมันก็ไม่ฟังหลวงพ่อก็เข้าเตโชทาทรมานมันถึงได้ยอมแล้วเจ้าผีได้ท้าหลวงพ่อถ้าท่านแน่จริง เชื่อว่าเป็นสิทธิ์าคตแล้วให้ขึ้นมาหาที่อยู่ของเราอยู่บนหน้าผาชั้นกลางไม่สูงไม่ต่ำนักมาให้ตรงอย่าให้เพลียงทีเดียวหลวงพ่อรับคําท้าแล้วก็กําหนดที่อยู่ของเด็กเอาไว้บ้านเด็กอยู่ทางทิศใต้รุ่งขึ้นเช้าหลวงพ่อไปบินธบาตชาวบ้านหมู่นั้นก็กราบเรียนหลวงพ่อว่าอย่าได้มาบินธบาตแถบนี้เลยเขาเสียใจกันไม่มีใครเขาจะมีกระจิตกระใจใส่บาทรรอกหลวงพ่อก็ถามว่ามันเรื่องอะไรกันละโยมชาวบ้านก็บอกว่า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 นิ้วแตกอย่างนี้ปวดหรือเปล่าหลวงพ่อไม่ปวดรอกเพ่งจะแสบนิดหน่อยเท่านั้นท่านก็ได้แสดงธรรมว่าถ้าคนไม่มีศีลธรรมไม่เชื่อคุณพระรัตนายเที่ยวไปตามถ้ำตามภูเขาแม้คืนหนึ่งก็ไม่ควรพักดีไม่ดีจะเกิดเพศภัยกับตนเองได้แต่ถ้ามีศีลดีแล้วเทพพญดาก็ยังช่วยปกปักรักษาได้ถึงมีภัยก็หนักเป็นเบา ต่อมาชาวบ้านก็ร่ํำลือกันว่าหลวงพ่อรูปนี้ดีจริงๆแล้วต่างก็พากันมารดํามนขอหวยขอของขลังกันมากๆไม่เป็นอันที่จะทําจิตทําใจอะไรได้ท่านก็เลยย้ายไปทางเหนือริมน้ํำขงเป็นอ่าวไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านเพราะว่าคนเขากลัวกันเป็นส่วนมากไกลจากหมู่บ้านเป็นสถานที่สงัดดีการบินทบาทก็ได้อาหารพอเป็นพอไป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 เงียบหายเข้าไปในหมู่บ้านที่มาจับปลาจับเต่านั่นเองหลวงพ่อเดินเข้าถึงหมู่บ้านก็เห็นชาวบ้านปิ้งย่างปลาเป็นจำนวนมากส่วนเต่าตภาพก็เจาะกระดองแล้วแขวนไว้ท่านเห็นอย่างนั้นก็พูดขึ้นว่าโยมที่แล้วก็แล้วไปเถอะที่เหลืออยู่ก็ปล่อยเข้าไปเถอะชาวบ้านได้ยินหลวงพ่อพูดก็ตอบขึ้นว่าพระไม่ฉันเหรอเดี๋ยวไม่ใส่บาตรเลยหลวงพ่อได้เดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบิณฑบาตเสร็จแล้วจึงกลับมา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 แล้วแวะถามหลวงพ่อให้ท่านดูให้เพราะเชื่อว่าพระทุดงต้องมีคุณวิเศษมากมายเป็นที่บำบัดทุกข์ของคนที่มาหาได้หลวงพ่อก็บอกว่าอตาตจะมาไม่ใช่หมอดูแต่ว่ากไายของพวกโยมเนี่ยมันตายแล้วหากต้องการค้นหาก็สังเกตดูว่านกแร้งมันเกาะอยู่แถวไหนนั่นแหละเป็นต้องได้พบแน่ๆพวกหากวายก็ลาไปพอออกไปไม่ไกลนักก็ได้พบนกแร้งอยู่ใกล้ๆหนองน้าก็เข้าไปดูก็ไม่มี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 หลวงพ่อก็เตือนว่าท่านอย่าฉันอาหารที่เขาเส้นสวงสิเพราะคนที่เขามาหาท่านเขาเอาเครื่องเส้นสวงมาถวายท่านตามทางที่เขามานะั้นมีสารเจ้าพ่ออยู่เยอะเขาก็เอามาให้ฉันหลายครั้งแล้วท่านฉันแล้วก็เกิดผอมเหลืองขึ้นถ้าหากว่าท่านเลิกฉันของเหล่านั้นเสียท่านก็จะหายพระรูปนั้นรู้แล้วก็ทาตามก็หายเป็นปกติต่อมาท่านได้เดินทางมาทางอารัญญประเทศ แสวงหาถ้ำที่เหมาะเหมาะแล้วก็ได้พบนายทหารวัยชราคนหนึ่งได้แนะนําว่าการจะหาถ้ำที่ไหนปฏิบัติธรรมจะให้เหมาะเกินถ้ำสิงเป็นไม่มีเขาลูกนี้มีถ้ำสักร้อยแห่งเห็นจะได้มีอยู่เป็นชั้นเป็นเชิงหลวงพ่อก็เลยเข้าไปที่นั่นส่อหาถ้ำที่เหมาะใจในถ้ำกลางเนี่ยเป็นที่เห็นว่าทําการขูดกลาวได้ก็ได้ถ้ำชั้นกลางถ้ำนั้นคืนนึงท่านได้นิมิตไปว่าเทพพญดาผู้หญิงเข้ามาหา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 แล้วนิมิตใหม่ว่าถ้าที่ต่ำวันนั้นลงไปยังมีดินทรายละละเอียดอ่อนดีเคยมีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งเข้าไปปรินิพานในถ้ำนั้นทั้งยังมีธรรมะเก่าๆอยู่อีกด้วยท่านอยู่ลานทรายได้เจ็ดวันถึงได้ลงเทพยดาได้ประวรณากับหลวงพ่ออีกว่าถ้าพระกุญเจ้ามีเหตุขัดข้องอะไรขอขอให้บอกเลยทั้นจะช่วยรุ่งเช้าท่านได้ออกบิณฑบาตบ้านใกล้ๆกันนั้นแล้วถามเรื่องถ้จากโยม โยมแถบนั้นได้พาท่านขึ้นไปดูถ้ำหลังจากทำพัตตกิจเสร็จแล้วก็ออกไปเดินดูถ้ำที่ได้นิมิตเห็นแล้วก็ได้ไปพบธรรมะเก่าๆแต่ไม่มีศพอยู่ในถ้ำแล้วก็เดินต่อไปอีกได้พบรอยเทพพญดาอยู่บนทรายอ่อนๆในถ้ำนั้นด้วยเป็นรอยของหญิงอายุสักสิบกปีรอยเหยียบเดินไปใหม่ๆหน้าอาัศจรรย์ไม่เคยเห็นมาก่อนท่านได้อธิษฐานเอามือลูบรอยเท้านั้นพอยกมือขึ้นก็ปรากฏรอยเกิดขึ้นใหม่อีก ทำอย่างนี้ถึงสามครั้งก็ยังปรากฏอยู่โยมที่ตามไปด้วยเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยกลัวไม่ยอมออกห่างเจ้าหลวงพ่อเลยท่านเดินชมถ้ำต่างๆมากมายแล้วก็ลงมาที่กรดของท่านมาเล่าเรื่องของการผจญภัยของหลวงพ่อป้องสุปฏิปันโนกันต่อ ว่าคือนั้นท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำไม่ทราบว่าตัวอะไรมาเล่นกันอยู่หน้าถ้าเสียงดังซ่าซ่าอยู่ดังอยู่นานจะทําจิตใจบ้างก็คอยแต่ทําเสียงรบกวนท่านก็เลยเตือนแปลว่าพระมาเนี่ยไม่ได้มากินมานอนมาเล่นนะพระมาเพื่อแสวงหาธรรมะไม่เกรงใจกันบ้างเลยท่านเตือนเท่านั้นเสียงก็หายไป เมื่อเสียงนั้นเงียบหายไปเหลือเพียงความวิเวกวังเวงของธรรมชาติแท้ๆจนกระทั่งห้าทุ่มเสร็จได้ยินเสียงคนเริ่มคุยกันในถ้ำอีกจับสาระไม่ได้เลยพยายามฟังดูก็ยังไม่รู้ว่าเขาพูดกันได้เรื่องอะไรคืนที่สองก็ได้ยินคุยกันอีกเสียงเริ่มชัดขึ้นฟังได้ถนัดสรุปเขาคุยกันว่าเขาไปเที่ยวตีนเขาเมื่อวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจอะไรปล่อยให้เขาคุยกันไปตามเรื่อง คืนที่สามก็ได้ยินเสียงมันคุยกันอีกฟังดูก็รู้ว่าวันนี้ไปทางตีนเขาทิศใต้ไปทํากิจอันจําเป็นของพวกมันเองรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็ออกไปบิบินทบาททิศใต้ตามเสียงนั้นพูดกันก็ปรากฏว่าชาวบ้านเจ็บไข้กันแทบทุกบ้านนอกจากนั้นยังมีวัวควายเจ็บป่วยด้วยบ้างก็ตายไปมีชาวบ้านบอกหลวงพ่อว่ามาบินทบาทที่เนี่ยไม่มีใครใส่ร้องเขาเจ็บไข้กันมาก ท่านก็เลยไปบินทบาทอีกหมู่บ้านหนึ่งได้พอควรแล้วก็กลับมาทางนั้นคืนที่สี่หลวงพ่อก็ทําจิตไปขอบินทบาทพวกปีศาจนั้นว่าอย่าไปเที่ยวรบกวนชาวบ้านให้เขาลําบากกันเลยทําให้เขาเจ็บป่วยตายมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่าได้เบียดเบียนเขาเลยมันเป็นบาปท่านขอร้องนานาประการปีศาจมันก็ไม่ยอมโดยอาการนิ่งเสีอไม่พูดไม่บอกอะไร ท่านพยายามขอร้องอยู่จนถึงเที่ยงคืนเห็นท่ามันนิ่งอยู่ไม่ยอมแนะ่ท่านก็เข้าเตโชทาตอีกไปเผาปิศาจจนในที่สุดมันยอมอย่างนั้นชาวบ้านก็มีอาการดีขึ้นแล้วหายเป็นปลิดทิ้งคราวนี้พวกเขาก็พูดกันว่าเออเมื่อวานนี้มีพระรูปหนึ่งบินทบาตพอวันนี้พวกเราหายกันหมดเลยโอ้ท่านเก่งจริงๆต่างก็มาศรัทธาเลื่อมใสกันเป็นอันมาก หลวงพ่อได้ขึ้นไปบนยอดเขาได้พบก้อนหินใหญ่มาคมากร้อนหนึ่งก็ตั้งจิตอธิษฐานหากมีบุญบารมีในการเข้าถึงสัจธรรมก็ขอให้ผลักก้อนหินก้อนนี้พังลงมาเสร็จแล้วท่านก็ถีบก้อนหินนั้นจนพังลงมาอย่างง่ายดายเหมือนปาฏิหารตกกลางคืนท่านก็นิมิตปรากฏเป็นเทพพยดาที่รักษาภูเขาอยู่โกรธมากทั้งบอกว่าจะเอาชีวิตให้จงได้โทษกระเพาะทำหินเขาให้พังลงมา จากนั้นหลวงพ่อก็ปวดศีรษะเหมือนมีใครจะมาเอาชีวิตไปอย่างนั้นแต่ก็มีนิมิตเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งได้ออกมากาะให้การรับรองไว้ว่าพระรูปนี้ท่านไม่เวียนไปเป็นขนันหัสแล้วท่านไม่ศึกแล้วท่านบวชตลอดชีวิตอย่าได้เอาโทษอันเป็นบาปเลยถ้าท่านบรณาภาพคือตัวเ ท, เ ท, เ, ทเทวดานะนะถ้าตายไปนี่จะเข้าถึงมหาอาก ล, ลกรรม ในเวลานั้นเองอาการปวดก็หายเป็นปิดทิ้งทันทีต่อมาได้อาศัยถ้ำและภูเขาวลูกนี้เป็นที่เจริญสมมธรรมบาเพ็ญเพียรได้อย่างสะดวกสบายมาตลอดหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าภูเขาวลูกนี้เป็นสถานที่ที่ทำจิตทำใจได้ดีมากท่านจาริกมาหลายต่อหลายถ้ำแล้วไม่ดีเหมือนกับภูเขาวลูกนี้เลยนี่เป็นเรื่องที่หลวงพ่อป้องท่านได้เมตตาเล่าความรู้ให้แก่คุณเจริญ ผู้ที่ปรารถนาจะไปดูถ้าดูภูเขาลูกนี้บ้างซึ่งอยู่กลางดงติดกับอารัญญประเทศเรียกว่าภูเขาสิงโตมีถ้ำมากมายเป็นร้อยถ้ำแต่ถ้ำที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยชื่อถ้ำสีหะบัญชรไม่สูงไม่ต่ำนักอยู่หน้าผาชั้นกลางภูเขาลูกนี้เป็นหินล้วนไม่มีดินถิน่นี้มีสัตว์ชุกชุมมากที่นี้มาถึงเรื่องของการที่ท่านมาอยู่สามชุก คือวันต่อๆมามีคนรู้จักกิติศศว่าท่านเป็นพระดีมากขึ้นคนดีคนไม่ดีก็มักจะแวะมาหาท่านยามที่เดินผ่านมาทางนี้วันหนึ่งในยวนกินเหล้าได้ที่แล้วก็เดินผ่านมาแวะเข้าไปหาคุณเจริญก็อยู่ที่นั่นด้วยในยวนก็พูดด้วยอาการเมาเรื่องพระผมกินเหล้านี่บาปไหมครับอ้าวบาปสิบาปยังไงครับ โทษของสุรามันทําให้มืนเมาขาดสติทําชั่วได้ก่อการทะเลาะวิวาทได้ขาดการนับถือยำเกรงผมว่าไม่บาปอะ่ะผมเมาผมก็ทําบุญให้ฐานได้แต่ถ้าผมไม่เมาแล้วผมไม่ชอบทําบุญถึงทําก็ทําแค่บาทสองบาทแต่ถ้าผมมาผมทําเป็นร้อยนงพ่อนะ่ะจะว่าเมาเป็นบาปได้ยังไงฮะทําบุญมากกว่าอีกไม่มีเหตุผลนี่ก็นั่นสิ คนดีหรือบ้าละ่ะทําได้ตอนขาดสตินั่นน่ะเวลาดีๆอยู่ไม่เมาความดีกลับไม่ทำในโยนพูดอีกหลายเรื่องอย่างคนเมาอ่าอย่างที่มันฑิตทั้งหลายเขาว่ากันนั่นแหละในโยนเมาอย่างมีสติคือเมาเพื่อสังคมเมาเหล้าไม่เมารักคนไม่กินเหล้าก็ไม่เห็นหมดกิเลสอ่าอะไรอย่างเนี้ยเถียงอย่างโวนอย่างนี้หลวงพ่อก็บอกอย่ามาพูดกับพระอย่างนี้นะ มันเป็นเสน่ห์จันไรท่านพูดเท่านั้นแล้วก็หยุดในโยนก็พละไปตามภาษาคนเมาพรำไปตลอดทางต่อมาไม่กี่วันในโยนก็เป็นโรคจิตจริงๆคุ้มดีคุ้มร้ายหลงหลงลืมลืมแล้วก็เป็นคนบ้าไปในที่สุดไทยเราถ้ามีพระอย่างหลวงพ่อไว้วัดละรูปละรูปนี่จะถือว่าเป็นมหาลาภจริงๆเหตุการณ์น่าสลดใจต่างๆเช่นพระ ป, ป่ากระถิน ง, งานบวชจะได้ไม่มีการกินเหล้าในวัดกันเสียที มู่ญาติก็เอานายโยนมาทําพิธีขอขามาท่านท่านก็บอกว่ามันเป็นกรรมเขาทําเองอาตมาไม่เคยไปทําโทษใครทั้งนั้นน่ะใครถามใครได้อันนี้เป็นของตัวเขาเองอยู่มาคืนหนึ่งคุณเจริญกับกำนันถมกําลังนั่งฟังหลวงพ่อท่านแสดงธรรมเทศนาอยู่เวลาสักสี่ทุ่เห็นจะได้มีนายเต้าเข้ามาหาหลวงพ่อโดยไม่ดูหน้าดูหลังอะไรเลยนายเต้ามาถึงก็บอกว่า หลวงพ่อทาน้ำมนต์รถให้ผมทีผมเป็นกองปราบผมได้ฆ่าคนมาพูดเหมือนคนทั้งหลายที่เคยใช้ให้พระทำโน่นทานี่แล้วถวายปัจจัยเป็นทายาทานนั่นแหละรายนี้ก็อยากจะให้หลวงพ่อเป็นลูกจ้างหรือว่าคนใช้เช่นเดียวกันหลวงพ่อก็บอกว่าเอเจ้านี่ไม่รู้จักอะไรเลยไม่ดูกาละเทสะพระท่านกำลังแสดงเทสแสดงธรรมอยู่ก็มาตัดธรรมวินยัย ไม่รู้จักบาปกรรมเลยอ้าวผมตัดทำวินัยอะไรไม่ทราบเสียงเริ่มไม่พอใจอ่าดังลั่นแบบนักเลงหัวไม้ทั่วไปก็พระท่านเทศอยู่เป็นบทเป็นเกณฑ์มีสาระเจ้าผมมาพูดขัดให้พระลดน้ำมนต์อาตมาไม่ใช่หมอน้ำมนต์หมอกนอะไรอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกอาทำไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปพระตามวัดดีๆกว่าท่านมีถมไปท่านนี่ นี่ทำไมคิดถึงพระเหลืองเนะีเป็นรู้เรื่องกันแน่เลยพระบ้าพระบอมไม่มีสาระประกาศอารมณ์มาด้วยความโกรธชนิดตักคอกใส่หูหลวงพ่อก็บอกว่าคนดีก็ไปอยู่ตามคนดีคนบ้าก็อยู่ตามคนบ้าก็าแล้วกันอูด่ากูว่าอยู่แนี่ยเห็นไหมนะ่ะพระเร็วๆแล้วทาไมเฉยซะละมันปรีก็ไปจะชกหลวงพ่อด่ารุนแรง จากนั้นมันก็ออกไปคุณเจริญได้ยินเสียงมันด่าตลอดทางจนหายเข้าไปในตลาดสามชุกหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้กรรมนะกรรมกําแก่แก้ไม่ไหวนายเต้าเองก็ได้เที่ยวพนทนาไปทั่วเมื่อคืนกูด่าพระใต้ต้นทองหลางท่าไม่มีดีไม่เห็นพูดอะไรทำอะไรกูได้แถมยังกลัวกูซะอีกกำนันถมก็อยู่นี่ไม่เห็นทาอะไรกูนี่ถ้ากำนันพูดอะไรไม่ถูกหูเป็นเห็นดีกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย คุยก้อย่างทนงอง์อาจคุณเจริญในชาวบ้านได้ยินอย่างนี้แล้วก็รู้สึกหนักใจในกรรมของเขาต่างคนต่างรอดูว่าพระรูปนี้ถ้าใครทำกรรมกับท่านขนาดนี้แล้วผลจะเป็นยังไงบ้างต่อมาอีกสามวันทางวัดหนองผักนาคเขาจัดงานมีมหรสพคกครื้นแต่ในเต้ากลับได้ทกกุกถูกตีหัวเลือดอาบกลับมา อีกไม่นานพอแผลหายสนิทก็ถูกกล่าวหาว่าปล้นฆ่าเจ้าทรัพยตายที่ศรีประจันตำรวจมาจับเอาไปประหลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่จะยืนยันยังไงก็ไม่อาจจะทัดทานได้เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาจำหน้าได้บ้านที่ถูกปล้นนี้เป็นญาติใกล้ชิดของนายเต้าเองผู้ชี้ตัวนายเต้าเคยเลี้ยงนายเต้ามาตั้งแต่ยังเล็กได้เป็นพยานว่าเห็นนายเต้าถนัดในคืนนั้นเพราะเป็นญาติกันจะจำผิดได้ยังไงก็แปลกคน ที่คนปล้นมันหน้าตาเหมือนกันในเต้าไม่มีผิดเพี้ยนพอคดีตัดสินในศาลพยานจำเลยมีมากมายเป็นข้าราชการสำคัญน้ำพันในอำเภอสามชุกยืนยันว่าในเต้าในคืนนั้นไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปปล้นใครเขาอยู่กับประหลาดอำเภอที่สามชุกแต่ศาลก็สั่งติดคุกตลอดชีวิตคุณเจริญชักเชื่อกรรมทําให้รู้ว่าการสร้างกรรมกับผู้บริสุทธิ์จะได้รับทุกข์ใช่แต่เท่านี้ในชาตินี้ก็หาไม่ ภายหน้าพบหน้าจะไปทรมานในอบายภูมิอีกไม่รู้ขนาดไหนความเย่อหยิ่งโอหังจนเกินขอบเขตไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหลงตนว่ามียศมีอำนาจวาสนาซึ่งไม่ผิดกับกายเป็นมนุษ ย, ย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานคดีในเต้านี้เป็นข่าวใหญ่สำหรับชาวบ้านและคุณเจริญที่อยู่ในเหตุการณ์ของคืนมานนั้นทำให้ทุกคนเกรงกลัวบาปกรรมอีกไม่ใช่น้อย จากนั้นหลวงพ่อก็ดำรีจะเดินทางไปทางสมุทรสงครามคุณเจริญก็ตระเตรียมข้าวของไปสามภาระจำเป็นไปออกติดตามไปส่งท่านในบ่ายวันนั้นโดยสารเรือจากหน้าตลาดสามชุกไปที่ประตูน้ําัวพระพยาผู้เดินทางต่างก็รีบเร่งไปลงเรือต่อส่วนคุณเจริญกับหลวงพ่อค่อยๆเดินไปพอถึงต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่า เ, ออ เ, ออเดี๋ยวหยุดก่อนกำนันเดี๋ยวค่อยไป ไปเถอครับหลวงพ่อเดี๋ยวไม่ทันเรือเรือมันใช้น้ําหรือน้ํามันนะ่ะใช้น้ํามันนะครับแล้วสักครู่ก็ชวนท่านอีกหลวงพ่อก็ไม่ขัดพอเดินมาถึงท่าเรือคนกําลังยืนรออยู่เป็นอันมากรอเรือที่กําลังเติมน้ํามันอยู่ก็ทําให้คุณเจริญรู้สึกอศัศจรรย์ใจหลวงพ่อมากอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรือแล่นมาถึงวัดโพครานหลวงพ่อก็บอกว่าแถบทางเหนือเมืองนี่มีโรงจักเก่าๆไหม มีครับข้างโรงจักมีศาลาไหมมีครับข้างศาลามันมีตรอกทางเดินไหมมีครับหลวงพ่อบอกให้เรือจอดท่าใกล้ๆวัดชัยนาวานัดได้นั่งพักที่ศาลาริมน้ําครู่หนึ่งท่านก็บอกว่ากำนันลองไปทางทิศตะวันออกมีต้นไม้ใบละเอียดที่มีกิ่งถูกตัดแล้วชี้ไปทางทิศตะวันออกมีหรือเปล่าไปดูนีคุณเจริญก็ออกไปสํารวจดูพบว่ามีจริงๆ หลวงพ่อส่งปลดและบาทให้คุณเจริญแล้วก็ไปหยุดพักกันใต้ต้นไม้นั้นพอเช้าตรู่ล้างหน้าแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าดินตรงนี้ดีปลูกพืชผลไม้งามเพราะดินมันเป็นทรายซ้อนๆกันขึ้นมาพอตอนกลางคืนจะมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเหมือนกับเป็นที่รองลมคุณเจริญได้ฟังแต่ไม่ได้เชื่อตามไปด้วยอีกทั้งที่ตรงนั้นมีแต่ป่าไม่มีบ้านคนเลยก็เลยไม่สนใจ หลวงพ่อก็บอกอีกว่านอกจากดินดีแล้วต่อไปจะเป็นที่ปลูกอาคารใหญ่โตนะคุณเจริญก็ยิ่งไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ท่านเคยบอกเคยแนะนําอีกมากมายหลายแห่งคุณเจริญไม่เคยเชื่อแล้วก็คิดอะไรเลยแล้วก็ทั้งที่ตรงป่าชาวัชัยนาวาดนั้นท่านบอกว่าต่อไปจะมีโรงเรียนใหญ่ที่นี่มีนักเรียนมาเรียนกันมากมายแล้วต่อมาก็มีโรงเรียนสหวิทย์จริงๆ ในตอนเช้าท่านออกบินธบัตหมู่บ้านแถววัดชัยนาว่าแล้วญาติโยมก็ติดตามมาทำบุญสักยี่สิบคนเป็นพวกที่อยากจะเจอพระดีด้วยกันทั้งสิน้นต่างก็ได้ระบายความในใจไว้ให้ฟังว่าตั้งแต่อ้อนตะออกลูกเต้าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วยังไม่เคยเจอพระดีๆเลยในสมัยนั้นพระเอาจริงเอาจังในธรรมวินยัยดูจะหายากสักหน่อยชนิดเตตะก้อต่อนกเขายาวสีกาเลี้ยงปากระดานั้นมีเยอะ ทญาติโยมคงจะเอือมระอาก็เลยเปิดหัวใจเหมือนกันญาติโยมก็ถามว่าหลวงพ่อมาจากไหนครับก็ไม่รู้ได้ว่ามาจากไหนอ้าวแล้วหลวงพ่อจะไปไหนล่ะครับก็ไปเพียงลมหมดหมดลมที่ไหนก็หยุดต่างก็งงในคำตอบไปครู่หนึ่งาหากสมัยนี้คงเอาไปตีเป็นหวยใต้ดินแน่ญาติโยมก็ถามว่าหลวงพ่อไปว่ว้พระบาทมาหรือครับ เออพระบาทก็ติดมานี่ไงท่านก็ชี้ไปที่เท้าท่านหรือว่าหลวงพ่อไปไหว้พระท่านเออก็นนี่ไงนะพระท่านท่านก็เอามือแตะที่สะโพกท่านเองญาติโยมยิ่งงงมากขึ้นต่างก็ได้แต่พูดวิจารณ์กันไปต่างๆนานานะถังที่คุณเจริญยืมชาวบ้านมาตักน้ําไว้ก็เต็มถังสังกะสีญาติโยมก็บอกว่านั่นไงครับน้ำมนในถังสังกสีนั่น ธรรมดาน้ําน่ะเป็นของรับแขกถ้าโยมนึกว่าเป็นน้ํามนต์ก็เป็นได้นึกว่าน้ํากินก็เป็นน้ํากินนึกว่าเป็นน้ําอาบมันก็เป็นน้ําแค่อาบอย่ากโยมได้ฟังแล้วก็แบ่งน้ํากันไปจนหมดสักครู่ชาวบ้านกลุ่มใหม่ก็พากันมาเป็นแถวมาขอน้ํามนต์คุณเจริญก็บอกพวกเขาให้เข้าใจว่าน้ําที่กลุ่มเอามาทําบุญนั้นเอาไปเอาไปน่ะก็เป็นน้ําในถังนี้แหละ คุณจะเดินไปตักมาเองไม่ได้ทําเป็นน้ำมนอะไรหรอกมันน้ําธรรมดาเมื่อพวกเขากลับไปแล้วก็ได้เตรียมตัวเดินทางต่อไปถังน้ํานั้นคุณเจริญเทน้ําออกแล้วก็เอาถังคืนในพวกชาวบ้านคุณเจริญได้ยินเขาพูดกันว่าพอพวกหลังมาถึงได้บอกว่าน้ําที่พวกทําบุญเอามานั้นน่ะไม่ใช่น้ำมนแต่อย่างไรมันน้ําธรรมดานี่แหละน้ําจากแม่น้ำไม่ได้ปลูกได้เศกคนที่ไปแบ่งเอามาจากคนที่ไปทําบุญคนนึงก็เลยเอาน้ํานั้นเททิ้ง ประกฏว่าเทเท่าไหร่น้ำก็ไม่ออกไม่ออกจากขันกลายเป็นเรื่องศักดิก์สิทธิ์ึ้นไปอีกพวกเขายังไม่ทันมากันคุณเจริญก็ออกเดินทางเสียแล้วลงเรือคนไฟจนถึงยิวยายก็ขึ้นฝั่งพกักที่สถานีรถไฟครู่หนึ่งหลวงพ่อใช้คุณเจริญให้ไปดูว่าแถบทางใต้มีใบไม้ละเอียดกิ่งหักอยู่แต่ไม่ขาดมีไหมคุณเจริญก็ไปหาดู แล้วก็เห็นว่ามีจริงๆก็จึงกลับมาเรียนท่านบอกว่ามีครับแล้วก็ท่านก็ส่งกรดส่งบาทให้เอาไปที่นั่นผูกรดยังไม่ทันมืดคุณเจริญก็ลาไปหาอาหารรับประทานในตลาดพอกลับมาหลวงพ่อก็บอกว่ามีคนมาขอหวยกันเยอะเมื่อก่อนนี้ก็มีพระลุกขมูลมาปักกฏอยู่ที่นี่ทําให้เสียเพราะว่าเที่ยวบอกหวยบอกเบอร์ให้ชาวบ้านงมงายกันหมด ไม่มีใครมาขอฝังธรรมปฏิบัติธรรมกันเลยเมื่อเขาไม่ได้ก็กลับไปอย่างรู้สึกผิดหวังรุ่งเช้าท่านได้เล่าว่าในคัมภีร์ใบลานเก่าๆมีกระทาชายนายหนึ่งเที่ยวตามพระไปพระมาอย่างกำนันนี่แหละคราวหนึ่งก็ไปพบหินดำเงินดำในที่สุดก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากมายแต่กระทาชายอย่างกำนันนี่ไม่รวยหรอกเพราะว่าไม่มีปรินซี เป็นเพียงซื่อๆไม่เหมือนคนในขมพีจากนั้นก็ย้ายไปขึ้นรถไฟพอถึงสถานีรถไฟราชบุรีก็ตกเย็นนั่งที่สถานีครู่หนึ่งแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าไปดูแถบโน้นนี้พลางชี้มือให้ไปว่าที่นั่นน่ะเป็นหลุมบ่อมากมีต้นไม้ใบก้นโกรนอยู่ไหมคุณเจริญไปดูก็เห็นว่ามีจริงๆก็เลยมากราบเรียนท่านท่านก็ให้บาทแล้วก็กรดเสร็จแล้วก็ไปพักกันที่นั่น พอรุ่งเช้าท่านออกไปบินทบาตในตลาดราชบุรีได้อาหารพอสมควรแล้วก็กลับท่านฉันแล้วคุณเจริญก็เอาบาทท่านไปล้างอย่างเคยแล้วก็เอาไปตากแดดให้พออุ่นๆจึงเก็บวันนั้นขณะที่คุณเจริญนั่งดูบาทอยู่มีสามล้อเครื่องผ่านมาคันหนึ่งสักครู่พวกสามล้อก็พากันมาเต็มไปหมดมาบอกว่าเขาว่าพระกระโยมกําลังลองวิชากันไฟลุกท่วมบาทไปหมด ต่างก็เอาพระเครื่องของตนออกจากคอให้หลวงพ่อช่วยเสกให้ด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าเออคนมามากๆอย่างนี้ดีเดี๋ยวจะให้ของดีอ่อก็คือจะเทศให้ฟังเสร็จแล้วก็ให้คุณเจริญในอาราธนาศีลห้าจะเทศพอคุณเจริญอาราธนาศีลห้าเท่านั้นพวกสามล้อก็พากันลากลับกันหมดหลวงพ่อก็ปรารบบอกว่าเออพระเข้าบ้านก็หวังโปรดพวกชาวบ้านเท่านั้น เพื่อให้เขาอยู่สุขสบายปลอดภัยทุกอย่างทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ก็เข้าไม่ถึงพระสู้สามชุกไม่ได้นายพรานก็เที่ยวหายิงสัตว์พระธุดงก็เที่ยวโปรชาวบ้านพรานป่าเข้าป่าก็ไล่จับสัตว์แต่พระทุดงเนี่ยก็จะไปเที่ยวสอนเที่ยวบอกชาวบ้านไม่ได้ไปหลอกลวงให้ชาวบ้านงมงาย มีอาแปะคนหนึ่งเป็นคนถือศีลกินเจได้นำอาหารเจมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อถามดูว่าแกกินมาสิบแปดปีแล้วอ่าหลวงพ่อก็บอกเออเออุตส่าห์ปฏิบัติไปอย่างนี้แหละดีหลวงพ่อฉันอาหารนั้นนิดหนึ่งแล้วก็คืนให้ไปจากนั้นก็ออกเดินทางไปสมุทรสงครามไปพักที่สวนน้งคุณเจริญโดยปลูกกระท่อมเล็กๆให้หลวงพ่ออาศัยอยู่วันนึงได้มีคนสวนเอาชมพู่มาถวายคราวนั้นฉันไม่หมด คุณเจริญก็คิดจะเก็บเอาไว้ดูว่าท่านคงชอบหลวงพ่อท่านก็พูดออกมาเลยว่าของที่รับประเคนแล้วค้างคืนเอามาฉันอีกไม่ได้นะมันเป็นสันนิธิคุณเจริญก็ให้ภรรยารุ่งขึ้นจะได้มาถวายอีกภรรยาก็เลยเก็บรวมกับของใหม่ที่ยังไม่ได้ถวายรุ่งขึ้นก็เอาสมภูรมากราบท่านอีกพอท่านลงมือฉันท่านก็คัดเอาของเก่าออกบอกว่าของเหล่านี้เป็นของเมื่อวาน ส่วนของใหม่นี้ท่านฉันจนหมดลูกเก่าท่านคืนหมดคุณจเจริญ น, นําเรื่องนี้ไปบอกชาวบ้านเขาก็บอกว่าของเก่าจุกมันก็เหี่ยวใครก็รู้อ่าฉันเองก็รู้ไม่ใช่ตาหลวงพ่อหรอกแกเห็นว่าเก่าทิแต่ว่าคุณจเจริญเชื่อว่าท่านไม่ได้ดูที่หัวจุกหรอกต่างก็มีเหตุผลก็เลยทดลองกันใหม่เอาของที่ท่านแยกไว้เด็ดจุกให้สั้นลงแล้วปนของใหม่เด็ดจุกให้เท่าๆกันแล้วก็ทําตําหนิไว้ จากนั้นก็พากันมาพิสูจน์ทุกคนก็ยกประเคนท่านทั้งหมดเป็นจํานวนมากแล้วก็นั่งคอยเฝ้าดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจความอัศจรรย์ที่ได้ปรากฏในสายตาหลายคู่ทําให้ชาวบ้านเลื่อมใสเป็นอย่างมากซึ่งที่จริงท่านไม่ได้ทำเพื่ออวดเพื่อลาบสการะอะไรทั้งสิน้นแต่เพื่อความบริรสุทธิ์ในศีลในข้อวัดอันพึงสะอาดหมดจดของพระในพระพุทธศาสนาโดยจริงใจเดี๋ยวนี้คงจะดูหาดูยากมากจะออกอวดจะเป็นส่วนมาก บางรูปเรียกของในย่า ม, มาแจกได้แบมือมันก็อยู่ในมือแล้วแต่มันมาจากย่มของท่านเองบังก็มีกระดิ่งกระพรวนเอาไม้มาหันควงไปควงมามันดังวงวงก็ขลังแล้วเป็นเสียงจากสวรรค์นวนที่จริงกระดิ่งนั้นหาซื้อแถวเสาจิงชา้าหรือตลาดแบรกระดินที่ไหนก็ดังต่อมาคุณเจริญก็ได้เอาส้มที่ชาวบ้านฝากไว้ให้ท่าน ถ, ถวายท่าน ในวันต่ อ, ตอมาเมื่อท่านฉันเหลือแลว้วก็เอารวมประของใหม่อีกถวายท่านท่านก็เลือกออกทุกทีคุณเจริญก็สิ้นสงสัยตั้งแต่บัดนั้นวันต่อมามีนายคำเป็นคนจีนไม่มีสมบัติอะไรช่วยทำสวนรับจ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาศัยอยู่ในสวนของชาวบ้านได้ข่าวหลวงพ่อก็คิดมาขอพรจากท่านพอได้โอกาสก็เข้ามาหาเออหลวงพ่อกรุณาให้พรผมบางเะครับช่วยอะไรระยม ขอให้ผมรวยมั่งผมมันจนไม่มีสมบัติอะไรกับเขาเลยก็ต้องช่วยตัวเองก่อนสิมันเป็นกรรมของเรานี่ผมมีกรรมอะไรครับก็เมื่อบวชเป็นพระถูกสังฆาธิเศษไม่ใช่เหรอท่านชี้ไปที่ในคำผมไม่เข้าใจครับในคำทำหน้าตื่นคงไม่เข้าใจว่าตนทําผิดในวินัยข้อไหนในคำอยู่วัดตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่มีความรู้ในพระธรรมวินัยเลยต่อมาบวชเน้นที่สุดก็บวชพระ จะรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขียนจดหมายใส่บาทให้คนรักหยิบเอาไปเวลาผู้หญิงตอบก็ใส่ลงในบาทพอรักสุกงอมก็ศึกออกมาอยู่กินกันมีลูกโดยการคนหนึ่งเป็นผู้หญิงพอคลอดออกมาก็มีฟันซี่หนึ่งขึ้นมาด้วยนี่ละ ก, กรรมลนะแล้วจะแก้ยังไงดีครับต้องไปอยู่กรรมก่อนสิขอขมาแต่สงเสียนะแล้วจะทํามาหากินเจริญได้ พูดแล้วท่านก็นิ่งเฉยในคว่ารู้สึกทั้งกลัวและศรัทธาก็ลุกขึ้นไปเอาละมุดกับมะพร้าวมาถวายท่านก็บอกว่าผลไม้นี่ไม่บริสุทธิ์เจ้าของเขาเฝ้าสวนให้เขาจะเอาของนี่มากินมาให้ใครไม่ได้หรอกมะพร้าวนี่อยู่สวนผู้อื่นนะสวนยอดของมันโอนมาในสวนที่ในคำเฝ้าแต่เขาถือสิทธิ์เอาเองแล้วท่านก็สั่งให้ในายคำวางไว้ที่นั่งไม่ให้ประคริน คุณเจริญก็ใช้ในคำไปเอามะพร้าวในสวนของคุณเจริญเองในคำก็ปิดมะพร้าวอ่อนทิ้งลงมาสองลูกหลวงพ่อท่านก็ห้ามว่าอย่าทิ้งลงมาน้ำมันเปรี้ยวต้องเอาปากคาบลงมาเรื่องของชีวิตในคำนี้จะจบลงอย่างคับแค้นซึ่งไม่ได้ข่าวคราวเลยว่าเขากลับไปบวชแล้วอยู่กรรมให้บริสุทธิ์หรือเปล่าต่อมาบ่ายวันหนึ่งหลวงพ่อใชใ้คนมาตามคุณเจริญไปหาแล้วก็บอกว่า เมื่อคืนนี้มีนิมิตว่ามีควายขวิดกันใหญ่เขาเกะ ก, กะไปหมดคุณจเจริญฟังแล้วไม่เข้าใจอะไรก็ลากลับวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายท่านก็ใช้คนมาตามอีกแล้วท่านก็เล่าอีกว่าควายมันขวิดกันยังไม่หยุดเลยเออแล้วมันจะดีหรือร้ายแล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้บอกอีกได้แต่ น, นิ่งในสมัยนั้นมีหวยกอขอหวยออกทุกเย็นมันออกคอควายถึงสามงวดติดๆกันนะ คุณเจริญรู้ภายหลังก็เลยหมดโอกาสคุณเจริญทําบุญถวายทานในใจก็ปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตให้จงได้ต่อมาคุณเจริญจำเป็นต้องมาทําหน้าที่ยังสามชุกก็กราบลาขออุว่าจากท่านด้วยท่านก็บอกว่าที่สามชุกก็นักเลงไก่เยอะไก่มันยังไม่ทันตีกันเลยแต่คนมันฆ่ากันซะก่อนแล้ว กำนันก็ชอบไปห้ามเขานักงวดนี้ต้องขอเอาตัวรอดก่อนนะอย่าไปยุ่งกับเขานักเลยคุณเจริญคิดอะไรไม่ออกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกแล้วลาท่านกลับสุพรรณพอเรือถึงตลาดปลู ก, ก็มีนักเลงไก่ลงเรือมาได้กัรกลุ่มหนึ่งคุณเจริญกำลังนอนเหยียดอยู่ด้วยความง่วงนักเลงไก่ก็ปล่อยไก่ข้างขาของคุณเจริญแล้วก็พูดว่าไก่เราตัวละร้อยช่งใครจะเอาตีนมาเขี่ยเล่นไม่ได้นะ คุณเจริญก็นึกเฉลียวใจไว้ไอ้นี่ผู้จบคนก็เลยหดขาเสียพวกนักเลียงไก่ด้วยกันเห็นที่ว่างก็เลยลงนอนพวกมันที่นอนก่อนก็กระแสะที่ให้ส่วนคนนั่งอยู่ก็ทําท่าขยับตัวคุณเจริญคิดว่าเขาจะเอายาออกมาสูบใจก็คิดจะขอต่อยาจากเขาด้วยแต่ก็งดไว้เพราะเป็นคนไม่รู้จักกันที่แท้มันเอามีดออกมาแทงคนที่นอนหลับอยู่ดังจึ๊บคนนอนร้องสุดเสียงดิ้นอยู่ มือมีดชักออกมาจะซ้ำอีกทีคนเจ็บก็วิ่งไปทางท้ายเรือกุมท้องร้องอยู่กลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปหมดมือมีดบังคับไม่ให้ร้องทาร้องจะแทงซ้ำอีกคนเจ็บก็นอนบิดอยู่ด้วยความปวดทุกขเวทนามือมีดก็ไม่เกรงใครร้องท้าทุกคนในเรือไข่เกงไครแน่เข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมันมีมีดมันบอกว่ามีดกุ๊กขังว่ามีดหลงพ่อเดิมอีกแทงใครเป็นตายทุกคนถึงจะเข้าน้อยก็รักษาไม่หาย ทุกคนในเรือต่างก็งงงันเงียบไปหมดคุณเจริญก็นึกในใจว่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันคงแทงใครเข้าอีกถ้ามันไปแทงนายท้ายเรือด้วยแล้วทีนี้ไม่ต้องไปถึงไหนกันคุณเจริญดูเชิงอยู่ครู่หนึ่งผู้โ ด, ดยสารอยู่ในความสงบไม่มีใครกล้าพูดหรือเดินไปไหนแล้วทางมือมีดสิทธิ์หลวงพ่อหันไปขู่อีกแทบหนึง่งคุณเจริญก็ชายชาติทหารเนีกยกำลังหนุ่มก็โดดเข้าล็อกแย่งมีดกันตัวต่อตั ว, ตวมันสู้สุดฤทธิ์แล้วมีดก็เป็นของคุณเจริญ จากนั้นเท้าบ้างมือบ้างที่คุณเจริญมอบให้ชุดหนึ่งมันก็สุดลงไปกองกระท้องเรือคุณเจริญจําได้ว่าก่อนมันจะสุดลงไปกองนั้นแกตบอกหูมันครั้งสุดท้ายหูมันฉีกเกือบหลุดจากทัดดอกไม้เลือดไหลาอาบเลยทีเดียวเสร็จแล้วทุกคนก็ร่วบเหมือนจับมัดพอเรือจอดท่าก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตารวจส่วนคนเจ็ดน่ะตายก่อนถึงโรงพยาบาลคุณเจริญได้รับคําชมเชยจากบริษัทเดินเรือ พร้อม ท, ทั้งทําบัตรพิเศษให้ลงเรือบริษัทนี้พรีตลอดชีวิตเนี่ยเครื่องรางของขลังมาจากพระลงมีดลงยนันยิ่งทําให้คนเก่งในทางผิดผิดนำความหายณนะมาสู่ตัวและคนอื่นมากต่อมากเก่งเท่าไหร่ก็ทําให้ห่างศีลธรรมกันมากขึ้นนะมีแต่โทษอย่างเดียวเมื่อคุณจะเดินมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ทํำกิจตามหน้าที่ของกำนันตามเดิมสมัยนั้นโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมเป็นอันมาก เพราะว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงเสือเล็กเสือใหญ่มากมายกองปราบก็ถูกส่งไปทํางานเป็นจํานวนมากมีทั้งจ่าชั้นเลมร้อยตํารวจเอกยอดยิ่งเป็นต้นเสือนกเสือปลาทั้งหลายถูกยิงทิ้งมามากต่อมาแต่คอรัปชันนั้นไม่มากเท่ายุคปัจจุบันคือสมัยนั้นปล้นบ้านเดี๋ยวนี้ปล้นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียววันต่อมามีคนทางเมืองการมานำมาส ก, การหลวงพ่อหลว ง, งพ่อก็ถามว่าทางโน้นมีทำไหม มีครับถ้ำเยอะครับเมืองการถ้ำเยอะจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เตรียมตัวไปอยู่เมืองกาญจนบุรีออกเดินทางไปครั้งนี้โดยรถไฟถึงเมืองกาญจนาบุรีแล้วก็เดินต่อไปพักถ้ำเขาพระถ้ำนี้ลักษณะพิเศษใหญ่โตดูคล้ายๆโบสถ์มีบานประตูปิดบานใหญ่มากเลยต่อมาคุณเจริญคิดถึงท่านก็เลยลาราชการไปเยี่ยมท่านพอ ร, รู้ว่าท่านไปกาญจนบุรีก็ตามไปสืบหาจนพบแล้วอาศัยอยู่ปฏิบัติอยู่กับท่านด้วย วันหนึ่งท่านก็สั่งว่ากำนันไปหาหมอฟันทีคุณเจริญก็ออกไปในหมู่บ้านไปตามหมอฟันคุยกันแล้วก็นัดเจอกันที่ถ้ำวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อฉันพัะตาหารแล้วคุณเจริญก็เรียนหลวงพ่อว่าวันนี้หมอฟันก็จะมาที่นี่ครับพอถึงเวลาหมอฟันก็มาตามนัดหลวงพ่อเห็นหมอฟันเดินมาท่านก็ถามคุณเจริญว่านี่เริหมอฟันน้องกำนันใช่ครับพอหมอฟันมาถึงกราบหลวงพ่อเขาก็เรียก คุณเจริญออกไปนอกถ้าแล้วกระซิบว่าผมถอนไม่ได้หรอกผมเห็นหลวงพ่อแล้วกลัวบอกแล้วก็กลับไปวันนี้คุณเจริญออกตามหาหมอฟันอีกไปจกนกระทั่งได้หมอแก่คนนึงตกลงกันแล้วคุณเจริญก็ลากลับถามราคาเท่าไหร่ก็ไม่บอกรุ่งขึ้นท่านฉันแล้วก็พาลงเรือมาบ้านหมอระหว่างทางก็ได้คุยกันกับท่านด้วยประการต่างๆดูท่านจะเน้นเรื่องศีลทานอย่างมาก คุณจเจริญฟังอยู่ด้วยอาการสงบพอเรือจอดท่าหน้าวัดก็ขึ้นจากเรือวัดนั้นมีโบสถ์มีพระประธานองค์ใหญ่องค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงร่ำลือว่าขรังศักดิ์สิทธิ์ใครบนอะไรมกักจะได้ผลเห็นทันตาก็เลยมีผู้มาแก้บนกันมากมายคุณจเจริญก็เรียนหลวงพ่อว่าเออนิมนหลวงพ่อเข้านมัสการพระพุทธปฏิมากรในโบสถ์ก่อนนะครับเอออย่าไปเลยทาไมล่ะครับเขาจะลาบากเขากาลังกินกันใหญ่ คุณจเจริญก็ถามต่อว่าใครกันครับผมไม่เห็นมีเลยพวกผู้ผีสิมันกินเครื่องเส้นเห็นอยู่ในโบสถ์ถ้าพระเข้าไปเขาก็ต้องหลีกหนีไปเสียพวกผีนี่ก็คือพวกติดตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ดีกว่านี้ก็เลยมาคอยรับเอาค่าถ่ายค่าสินบนค่าจ้างอาศัยกินอยู่กับคนทุศีลนี่แหละถ้าใครให้มันกินดีมันก็ดีด้วยถ้าใครทําให้มันกินไม่ดีมันก็เล่นงานเอา ถ้ามันไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะหาใครมาอุทิศให้มันกินจากนั้นก็เดินไปถึงบ้านหมอหมอเตรียมเครื่องมือรออยู่แล้วก็ถอนให้เลยคุณเจริญนึกถึงคราวที่ปฏิบัติท่านอยู่คราวก่อนท่านก็บอกกับคุณเจริญบอกว่าควันของเราจ ะ, สะเสด็จออกแล้วนะคุณเจริญก็ถามว่าอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้ไปที่ผ้าเล็กๆผืนหนึ่งที่ที่นอนของท่านคุณเจริญหยิบดูไม่เห็นมีอะไรมีแต่เลือดติดกรังอยู่นิดหน่อยก็เลยบอกท่านว่า ไม่เห็นมีโอ้เขาเสด็จไปแล้วคราวนี้คุณเจริญเตรียมสําลีไว้รับฟันสามซี่ที่ถอนออกแล้วก็นําไปล้างน้ําเสร็จแล้วก็เอาผ้าห่ออย่างดีรีบพาหลวงพ่อกลับถ้าพอถึงกลางทางแก่ห่อดูพ ร, กรากฏวพรฟันไม่ได้อยู่ในผ้าเสียแล้วคุณเจริญแปลกใจมากก็บอกให้หยุดเรือพากลับไปที่บ้านหมอเพราะคิดว่าลืมไว้ที่โ น, น่นหลวงพ่อก็ถามว่าจะไปไหนอ่ะคุณเจริญก็เล่าให้ท่านฟังอ่าว่าฟันไม่อยู่แล้ว ท่านก็บอกว่าก็หอแล้วมันก็อยู่ในหอนั่นแหละลองเปิดดูสิก็เปิดดูอีกทีปรากฏว่าฟันอยู่ครบสามซี 4, จ่จริงๆคุณจเจริญดีใจอย่างมากถึงถ้าท่านก็ให้บททานที่เผาจากไม้เอามาใส่แผลฟันที่เลือดอยังไหลยอยู่พอเอาผงทานใส่เลือดก็หยุดทันทีต่อมาวันหนึ่งท่านก็บอกว่าถ้า น, นี้เหมาะดีทุกอย่างใครจะบวชก็บวชได้กำนันบวชเป็นตาประขาว ศีลแปดก็จะดีมากพระจะช่วยเสร็จแล้วก็ให้คุณเจริญเอาพระขาวมานุ่งมาหม่มกับคุณเจริญก็ทําตามท่านท่านก็สั่งให้คุณเจริญไปยืนกลางถ้ำก็ทําตามแล้วให้เตรียมตัวรับศีลแปดคุณเจริญก็พูดว่าพระเดชพระคุณเจ้ากระผมยังบวชไม่ได้หรอกครับโอ้เอาถ้าบวชไม่ได้ก็ไปเป็นกำนันต่อไปก็ต้องรักษาศีลให้ ด, ดีอย่าโคตอย่าโกงจะได้ปกครองรักษาชาวบ้านให้อยู่เป็นสุข เหมือนกับอยู่กันแบบเคพลย่าพี่น้องของตัวมีเรื่องมีความก็ว่าไปตามจริงผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกจะพูดจะทําอะไรต้องตรงไปตรงมานะเพราะการปกครองคนส่วนมากและมันยากเมื่อหลวงพ่อสอนอย่างนี้ก็ทําให้คุณเจริญห่อเหี่ยวใจคิดกลับไปกลับมาไอ้เรื่องอยากกลับสามชุกหลวงพ่อก็ได้แต่นิ่งอยู่อย่างนั้น คุณเจริญได้อยู่ปฏิบัติหลวงพ่อต่อมาอีกวันหนึ่งก็มีนกหางยาวสองตัวมาเกาะที่ปล่องถ้าพอวันต่อต่อมาก็เกาะต่ำลงมาเรื่อยๆจนถึงพื้นถ้าหลวงพ่อเห็นนกทําอย่างนั้นท่านก็บอกว่าถ้เนี้พระอยู่ได้ท่านก็พูดต่อไปอีกว่ากำนันจะกลับบ้านอยู่เสมอแค่ศีลยังรักษาได้ไม่มั่นเลยมันรักษาไว้เถอะจะได้ไม่ลําบากทานก็เหมือนกันกำนันยังทําแข็งแรงก็เลยต้องมันทำนะ แล้วทำลึกจิตใจให้ผ่องใสไว้ต่อมาท่านก็บอกว่าขอผ้าขาวสักสิบแปดวาหลวงพ่อจะเอาไปทำอะไรครับท่านอธิบายว่าได้มาแล้วเอามาถวายพระก็ได้ห่มก็ได้ทาผ้าปูนั่งปูนอนก็ได้แล้วคุณเจริญก็ลาท่านกราบสามชุกเพื่อทำภารกิจส่วนใจนั้นอยู่ที่ท่านเสมอตั้งใจว่าทศุระเสร็จแล้วจะนำเอาผ้าขาวไปกราบท่านวันนั้นจาไม่ได้ แ, แล้วว่าวันที่เท่าไหร่คุณ จเจริญได้รับโทรเลขจากการจนบุรีมีข้อความว่าถึงกำนันจเจริญตำบลสามชุกยังบัดสุพรรณบุรีพระที่ท่านกำนันพามาอยู่ถ้ำนั้นได้มรณาภาพเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้ตีสามเศษขอให้กำนันไปจัดการเรื่องศพด้วยนายแฝดผู้โทรคุณจเจริญใจเหม่อไปครูใหญ่ใจไม่สั่งงานอะไรเลยดูมันหมุนวนไปหมดความเสียใจกับเสียดายมันกั้มกึ่งกัน ทำให้ตื้อตืเหมือนกับที่พึ่งทางใจของแกได้หมดสิ้นไปแล้วทําให้ภาพอดีตเกิดขึ้นสารพัดในลักษณะของอาจารย์โปรดสิทธิ์คาสั่งสอนน้องท่านช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาเหมือนคําอันศักดิ์สิทธิ์ไปหมดทํางานส่วนรวมปัญหามีสารพัดงานบ้านแทบไม่มีเวลาให้เลยการทํากิจให้สําเร็จทั้งนอกบ้านในบ้านในยากเสียกว่าคําอธิบายแต่สิ่งที่คอยหนุนใจให้ทํากิจจนสําเร็จก็ดูมันจะเป็นคําสอนของท่านนีแหละ เอามานึกมาคิดเอามาใส่ใจไว้ตลอดเช่นเมตตาอดทนซื่อสัตย์ความเสียสละและการทำจิตให้เฉยไม่วุ่นวายคำสอนเหล่านี้เป็นภาพเตือนใจอยู่เสมอคุณจเจริญละงานบ้านงานราชการทั้งหมดรีบไปกรจงน บ, บรุรีพร้อมด้วยผ้าสิบแปดว่าเมื่อถึงถ้ำก็เห็นหีบซึ่งชาวบ้านแถวนั้นได้จัดการเก็บศพท่านเรียบร้อยแล้วคุณจเจริญก็นึกถึงคาพูดของท่านตอนที่นกหางยาวมาเกาะก่อนที่คุณจเจริญจะลาไปสามชุก ว่าทำนี้พระก็อยู่ได้คุณเจริญแบ่งผ้าเป็นส่วนทอดไว้ที่หีบศพนิมนต์พระมาชักบังสุกุลแล้วก็กลับไปพักบ้านนายแฝดก็ได้ต้อนรับคุณเจริญเป็นอย่างดีคืนนั้นนายแฝดก็เล่าให้คุณเจริญฟังว่าเมื่อวันก่อนผมไปตัดไม้ลบพบท่านท่านได้เทศแสดงธรรมให้ฟังเรื่องอริยสัจ ต, ตอนนี้ผมจาไม่ได้หรอกท่านพูดดีเหลือเกิน ขณะที่นั่งฟังก็รู้สึกว่าเห็นมันโล่งหมดเลยของอย่างนี้ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะท่านแสดงธรรมจบท่านก็บอกว่าอาตมาจะหมดอายุแล้วในคืนนี้อุบาสกจงโทรเลขไปหากำนันเจริญตำบลสามชุกสุพรรณบุรีมาจัดงานศพถ้ากำนันไม่มาก็มอบให้ชาวบ้านทิ่นี้จัดการแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าพระเนี่ใช่จะดีแต่เมื่อมีชีวิตแม้สิ้นชีวิตแล้วกระดูกก็ยังดี ท่านพูดต่อไปว่าอาตมาจะต้องหมดอายุในคืนวันนี้เรื่องตายจะไปอยู่ที่ไหนก็ตายในถ้ำนี้ถ้าอื่นในป่าบนถนนบนเรือที่ไหนที่ไหนก็ไม่ผลตายไปได้ผมฟังแล้วเลื่อมใสท่านแต่อีกใจกไม่นึกว่าท่านจะสิ้นอายุขายจริงๆอย่างที่ท่านพูดรุ่งขึ้นขุนเจริญก็จัดข้าวต้มไปกราบที่หีบศพแล้วก็ถามในแฝดบอกว่า อ, อตอนที่ท่านมรณาภาพเนะี่ยท่านอยู่ในลักษณะอย่างไง หลวงพ่อท่านนอนอยู่ในลักษณะนอนตะแคงครับเออพอผมได้เห็นท่านไหวมรณาภาพเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วก็ออกไปบอกชาวบ้านมาถึงบ้านคนมีเงินผู้หนึ่งอายุท่านแก่มากแล้วก็ได้ซื้อหีบไว้สําหรับตนเองเป็นไม้สักราคาห้าร้อยบาทท่านรู้เรื่องแล้วก็รีบถวายหีบศพแด่หลวงพ่อทันทีซึ่งท่านถือว่าเป็นบุญแรงทั้งเป็นการทําบุญต่ออายุแก่ตัวเองอีกด้วยครับ คุณเจริญได้คุยกันนายแฝดรู้เรื่องดีแล้วก็กราบลาศพหลวงพ่อเพื่อเดินทางกลับสามชุกตั้งใจจะหาเงินเตรียมเอาไปไว้ทําศพท่านตามประเพณีและกตเวทิตาคุณในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดอีกไม่นานนักก็มีจดหมายมาถึงคุณเจริญฉบับหนึ่งจากกาญจนบุรีได้อ่านจดหมายของนายแฝดมีความว่าให้ท่านกำนันลงมาที่ถา้าดวนเพื่อหากาหนดทางานศพหลวงพ่อ ซึ่งมีพระเถระผู้ใหญ่ท่านสนใจจะร่วมช่วยบำเพ็ญกุศลด้วยเพื่อให้งานนี้เป็นไปอย่างเชื่อชูเกียรติแก่ผู้ควรเคารพ บ, บูชาคุณเจริญอ่านเนื้อความสั้นๆแล้วก็รีบไปเมืองกาญพอถึงถ้ำก็เข้าไปหาศพหลวงพ่อนามสการแล้วก็ไปบ้านในแฝดในแฝดเล่าว่าพระคุณเจริญกลับสามชุกแล้วนําความนี้ไปปรึกษาท่านพระประหลัดยังเจ้าคณะหมวดแขวงวัดหนองญ้าแล้วก็เล่าเรื่องที่ท่านได้เทศเป็นปัดชิ ม, มกันให้เขาฟัง ท่านพระประหลัดยังสนใจมากจึงได้พาพระลูกวัดมายังถ้ำห้ารูปด้วยกันพอคณะพระมาถึงประตูถ้ำที่ปิดอยู่ก็เปิดออกทั้งสองบานทุกคนก็รู้สึกแปลกใจเพราะบริเวณนั้นไม่มีใครอยู่เลยลมก็ไม่พัดอีกด้วยก็เลยเข้าไปนัมรดการศพหลวงพ่อท่านพระปะหลัดเมื่อได้เห็นความอาัศาจรรย์อย่างนั้นเกศสายตาก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสไปนันมากจึงเอาโกรดเอาบาดบริขารต่างๆของหลวงพ่อไปเก็บไว้ที่วัด ก่อนที่พระปหลัดจะจากไปได้สั่งไว้ว่าถ้าท่านกำนันมาให้ช่วยบอกให้ไปหาอาตมาที่วัดด้วยอาตมาสนใจที่จะฟังเรื่องราวของหลวงพ่อรูปนี้คุณจเจริญฟังคำในแฝดเล่าจนละเอียดละออมากมายไม่อาจจะจำทั้งหมดได้ก็พากันไปไหว้ท่านประลัดยังที่วัดหนองย้าแล้วท่านก็ขอร้องให้เล่าเรื่องของหลวงพ่อให้ท่านฟัง คุณเจริญก็เล่าถวายพอสมควรจากนั้นก็ปรึกษาเรื่องวันบำเพ็ญกุศลกันในที่สุดก็ตกลงกลางเดือนห้าคุณเจริญได้ลาท่านพระประหลัดยังและในแฝดกลับมาสามชุกก่อนถึงกำหนดคุณเจริญได้ออกเดินทางไปยังถ้ำถึงแล้วก็จัดการเปิดถีบศพออกศพหลวงพ่อแห้งสนิทไม่มีกลิ่นเหม็นเลย คุณเจริญก็เอาอัติออกทีละชิ้นทีละชิ้นโดยไม่ยากนักหนังเนื้อมันล่อนเล็บมันติดอยู่กับอัติก็หลุดเป็นเส้นเส้นส่วนกระโหลกศรีรษะก็ลอกเอาหนังออกพอขย่ามันสมองก็ออกมาเป็นก้อนก้อนจนเกลี้ยงก็นาไปล้างน้ําเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหากเสร็จแล้วก็นําอัติบรรจุลงโกดถึงวันนัดคุณเจริญก็ไปถึงวัดเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพรบท่านพระประลัดยังและพระประลัดจูรออยู่แล้ว บังเอิญวันนั้นทายกทา ย, ยิกาที่นั่นเขากําลังทําศพเจ้าคุณพระพุทธรังสีอดีตเจ้าคณะจังหวัดคุณเจริญมีความเห็นว่าเป็นโอกาสอันควรและพอเหมาะที่จะได้นําโกรธหลวงพ่อตั้งคู่กับศพเจ้าคุณจึงได้ขอความเห็นกับกรรมการสักครู่นึงก็มีอุบาทศพคนหนึ่งประกาศว่าศพของท่านเจ้าคุณเป็นผู้ที่เราเคารพนับถือมากจะให้ใครเอาศพอื่นมาตั้งเคียงท่านไม่ได้ คุณจเจริญได้ยินอย่างนี้ก็ล้มความตั้งใจเพราะไม่ทราบจิตใจอันตื้นลึกหนาบางของพวกเขาทั้งยังเป็นคนจรมาจากต่างถิ่นผู้เดียวอีกด้วยคุณจเจริญเน่ยพระประหลัดทั้งสองรูปก็รอให้ศพเจ้าคุณสําเร็จก่อนก็ตกเวลาเที่ยงคืนจากนั้นก็จะจารตั้งศพหลวงพ่อต่อเสร็จอาตีสองมีคนมาร่วมบาเพ็ญกุศลจํานวนมากเพราะว่าศพสองศพติดต่อกันคุณจเจริญก็ถือโอกาสนั้นนิมนต์พระสี่ร้อยรูปเสร็จรวมกุศลแล้วเผาในคืนนั้นเลย รุ่งเช้าพอได้อารุณคุณเจริญไปเก็บอัฐิได้เห็นว่ามีลักษณะที่แปลกมากเป็นเม็ดเล็กๆละเอียดไม่เหมือนของคนทั่วไปที่เห็นกันอยู่ทั้งยังจมลงไปในดินลึกอีกสักหนึ่งนิ้วพูดเห็นจะได้ซึ่งตอนนั้นคุณเจริญเองงงไม่เคยรู้เรื่องพระาธาตุมาก่อนก็คลุกดาดินเอาเท่าทั้งหมดหอ่อพระขาวแบ่งเป็นสองห่อด้วยกันคิดไว้ว่าเราจะหาทำเลที่เหมาะๆสาหรับเก็บอัฐินี้เพราะเป็นของผู้ปฏิบัติดีไม่ควรจะให้ใครเหยียบยำ่ำ เสร็จแลว้วก็นําห่อนึงบัรจุไว้ในเจดีย์กลางน้ําระหว่างแควน้อยกับแควใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่น่ากลัวเป็นอ่าวน้ํานิ่งชาวบ้านทั่วไปบอกว่าเป็นที่อาศัยของนาคบางนังเงือกจร์เข้พรายน้ําเป็นต้นแต่ว่าคุณเจริญได้ลวุยว่ายเข้าไปยังเกาะ น, นั้นโดยไม่ได้นึกหวาดกลัวอะไรเลยใจมั่นอธิษฐานในคุณพระรัตนตรัยและมั่นใจคุณอัศจรรย์ของหลวงพ่อป้องด้วย ทำให้ชาวบ้านที่รอดูอยู่แปลกใจแล้วก็ระทึกใจในการกระทํของคุณเจริญเป็นอันมากต่างคาดกันว่าคุณเจริญเป็นสิทธิเอกผู้ได้ครอบวิชาจากพระอาจารย์ให้มีอิศธานุภาพเป็นอย่างดีก็ได้ส่วนหอกระโลกศีรษะและกี้เท่าอีกอนหนึ่งคุณเจริญได้นำติดตัวมาแล้วเดินทางลงมาทางอายุทยาเพราะคิดไว้ว่าอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะที่สุดที่จะนาเอาไปเก็บไว้ที่นั่น คุณจเจริญมาถึงสีกุกอยุธยามีเจดีย์กลางน้ำสีกุกซึ่งมีแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันเจดีย์เก่าแก่มากบนเกาะกลางน้านี้ไม่มีใครอยากจะจำเป็นกำไกลเข้าไปยุ่งนักก่อนที่จะออกเดินทางข้ามน้ำน้ไปนั้นคุณจเจริญได้บอกแกาชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงความประสงค์ที่จะทำเพื่อไม่ให้เขาเข้าใจผิดว่าออกไปทำอะไรที่นั่นเมื่อทุกฝ่ายเห็นด้วยแล้วคุณจเจริญก็นัด เรือพายลํานึงให้มาในเวลาค่ำค่ำมารับคุณเจริญแล้วออกเดินทางไปด้วยกันผีพายออกจะเป็นคนที่กล้ากว่าอีกหลายคนที่คุณเจริญได้ไปติดต่อท้าทามแล้วก็ปฏิเสธอย่างไรก็ดีพอถึงเวลานั้นเขาดูจะหวาดกลัวไม่ใช่น้อยเหมือนกันคุณเจริญก็คุยถึงเรื่องความอัศจรรย์ของหลวงพ่อให้ฟังเป็นเครื่องชูกําลังใจเขาตลอดเวลาเรือใกล้จะถึงเกาะบัญจุเท่าอัติก็มีลมกันโชกแรงสองครั้ง พร้อมทั้งมีลูกคลื่นที่ลมพัดมาจากซ้ายและขวากระทบกันคลื่นก็วิ่งเข้าหากันกระทบด้วยแรงลมน้ําก็ลอยขึ้นเป็นแผงสูงมากเป็นเรื่องประหลาดจริงๆทําให้ฝีภายใจหานี่เกิดความกลัวเปน็นอันมากแล้วก็คลางออกมาว่าถ้าผมรู้อย่างนี้แต่แรกผมไม่อาสามาหรอกครับคุณเจริญก็ได้แต่ปลอบเขาอย่ากลัวเลยไม่มีอะไรหรอกอนุภาพของผู้ปฏิบัติดีคุณพาะคุ้มครองพวกเราเสมอ คุณเจริญได้ทํากิจเสร็จแล้วโดยเอาห่อพระขาวนั้นใส่ไว้ในโพรงเจดีย์เอาอิดเก่าๆปิดไว้อย่างแข็งแรงแล้วค่อยๆคลานแล้วก็ย่องออกมาจากเกาะลงเรือที่ผีพายรออยู่อย่างกระวนกระวายส่วนตัวของคุณเจริญในะความกลัวแม้แต่นิดนึงก็ไม่เคยปรกากฏพระไตรจีวรคุณเจริญได้นําไปซักหลังจากทําชาปน ก, กิจเสร็จแล้วเอาอัฐิธาติห่อด้วยจีวร น, นั้นพร้อมกับกระโหลกศรีรษะของท่านกลับบ้านเอาไว้บูชา เพราะเป็นของสิริมงคลแก่คุณเจริญและครอบครัวและชาวโลกทั้งปวงต่อมาปีพศ2507คุณเจริญพิจารณาดูว่าของทั้งหมดนี้ควรจะนำม่มอบให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวานเขมโกวัดทุ่งสามกีรม ท, ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอันจะเป็นประโยชน์แก่สาธุชนได้เป็นอย่างมากก็นำมากระโลกอัฐิและบริหารทั้งหมดน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวานเมื่อปีพศ2507 ปี2 5 1 0หลวงพ่อสังวานได้ออกมาจากวัดทุ่งไปอยู่วัดไกรกังวลหรือเขาสารพัดดีที่ชัยนาทเมื่อตั้งสำนักวิปัสนาเสร็จแล้วก็กลับมาอัญเชิญอัฐิและบริหารทั้งหมดไปไว้ที่วัดเขาสารพัดดีด้วยปีพศ .2513 หลวงพ่อได้จัดการบำเพ็ญชาปนากิจกระโหลกหลวงพ่อป้องอีกครั้งหนึ่งที่เมรุทรงไทยประดิษฐ์ขึ้นแล้วเผาด้วยกันทั้งหมดตรงหอสวดมนต์ทรงกลมสามชั้นของวัดไกรกังวล ในการชาปน ก, กิจครั้งนี้หลวงพ่อสังวรได้อธิษฐานขอให้กระดูกศรีรษะทั้งหมดอย่าได้มอดไหม้ไปเพื่อต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกเคารพบูชาแก่ปวงสิทธิ์ภายหลังพอไฟไหม้จนดับแล้วเก็บกระดูกก็ปรากฏว่ากระดูกทั้งหมดอยู่ครบบริบูรณ์ไม่ได้บุกสลายไปไหนเลยซึ่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มากคุณเจริญนี่เป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วมพิธีตั้งแต่เริ่มจัดงานเตรียมการลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อสังวารมาช่วยงานกันมากมีทั้งพลุตะายมีหนังตะลงุง ตรงพระร่วงโรจนาริศคุณเจริญได้อยู่ที่กุฏิเก่าหลวงพ่อสังวาลเชิงเขาเป็นกุฏิตึกสีขาวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของกะโหลกศีรษะและบริขารของหลวงพ่อป้องด้วยทุกอย่างยังอยู่ครบเก็บในตู้กระจกมิชิตบาทเป็นบาทเหล็กหรือเรียกกันสมัยนี้ว่าบาทไหลธรรมดามีถลกบาททําด้วยผ้าธรรมดาทั้งสิ้นก็คุณเจริญอยู่ที่กุฏินั้นนานยังจําได้ติดตาจนกระทั่งปัจจุบันครับนี่คือเรื่องราว บางช่วงบางตอนของหลวงพ่อป้องสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของท่านแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความปรารถนาดีจากผ ม, มอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ผู้ได้รับการยกย่องจาก ประชาชนทั่วไปว่าเป็นแม่ทัพกองธรรมแห่งอีสานปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือน้อยเต็มทีหลวงปู่ลือสุขปุญโยผู้นี้นับว่าเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นผู้หนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้เรื่องของหลวงปู่ลือสุขปุญโยที่นำมาเล่าวันนี้บันทึกไว้เมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ อายุ82ปีบวชได้60พรรษาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูที่พระครูคำพีรภาวนาจารยร์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดป่านาธรรมวานาวาดหรือว่าวัดป่าภูน้อยตำบลป่าไร่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารโยมพ่อท่านชื่อในจันทร์โยมแม่ชื่อนางพันนำสกุลใจทัศ มีพี่น้องสี่คนเป็นชายสองหญิงสองท่านเกิดที่บ้านป่าไร่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเกิดในตอนเช้าใกล้สว่างของวันศุกร์ขึข้น11บอ็ดค่ำเดือนสิบปีมะแมพศ244พสหลวงปู่ลือท่านเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของท่านเป็นชาวไร่ชาวนาชีวิตในปฐมวัยเป็นเด็กเลี้ยงยากเพราะว่าป่วยอยู่เรื่อยก็เลยไม่ได้ทำนาแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนพวกพี่น้องเขา ท่านเล่าว่าสมัยนั้นบ้านป่าไร่เป็นบ้านป่าจริงๆเป็นดงช้างดงเสือแล้วก็มีสัตว์ป่าทุกชนิดเสือเคยมากินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเป็นประจำและเพราะการป่วยไม่หยุดของท่านโยมพ่อโยมแม่ก็เลยอบพยพไปอยู่ที่บ้านป่าชาติซึ่งอยู่ใกล้ๆกันหลวงปู่ลือได้เปิดเผยชีวิตแต่ผลหลังให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้บ้านป่าไร่และบ้านป่าชาติเป็นหมู่บ้านเดียวกันต่อมาคนมากขึ้นก็เลยแยกออกเป็นสองหมู่บ้าน พ่อแม่ของอัตมาได้บนเอาไว้ว่าถ้าหายจากการป่วยจะให้บวชแล้วก็หายป่วยจริงๆหลังจากหายป่วยก็ไปเล่นหมากแข่งหมากข่ากับเพื่อนๆตามประษาเด็กๆระหว่างนั้นก็ไปพบพระธุดงรูปหนึ่งเดินทุดงมาปักกรดอยู่ท้ายหมู่บ้านจึงคิดอยากจะบวชเหมือนท่านหลวงปู่เล่าว่าในที่สุดก็ได้บวชสมใจปรารถนาคือบวชครั้งแรกท่านยังเด็กๆอยู่ เพราะไม่ได้เข้าโรงเรียนเนื่องจากสมัยนั้นที่บ้านป่าชาติและบ้านป่าไร่ยังไม่มีโรงเรียนบวชอยู่ได้ไม่นานก็สึกต่อมาหลวงปู่ได้กลับเข้ามาบวชเป็นครั้งที่สองบวชได้ไม่นานก็สึกออกไปอีกเพราะยังเป็นเด็กอยู่จนแม่บอกว่าแม่ได้บนไว้ถึงสามครั้งนะขอให้บวชอีกเป็นครั้งสุดท้ายอาตมาบวชครั้งที่สามเมื่ออายุได้สิบแปดพอดี มีอาจารย์สอนผู้เป็นน้องเขยของพ่อเป็นคนนําไปบวชแล้วพ่อก็จะขอไปบวช ด, ด้วยแต่แม่ไม่ให้บวชอาตมาก็เลยบวชคนเดียวที่วัดสีเมืองบ้านนาโปง่งตํบลดอนตาลจังหวัดมุกดาหารโดยหลวงพ่อชัยวุฒิเป็นพระอุปชาหลวงปู่ลือได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อบวชเนนแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดบ้านป่าชาติ สมัยนั้นยังไม่มีการสอนพระปริยัติธรรมคือนักธรรมชั้นตรีโทเอกแล้วก็เรียนวิชาพื้นฐานของวิชาบาลีไวยากรในเบื้องต้นหลวงปู่ลือท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อบวชเนนแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดบ้านป่าชาติบ้านป่าชาติกับบ้านโพนสว่างอยู่ห่างกันประมาณห้ากิโลเมตรต้องเดินด้วยเท้าไปเรียนทุกวันเพราะสมัยนั้นยังไม่มีรถ พอฉันอาหารเช้าเสร็จก็ไปกว่าจะถึงก็เพนพอดีพอฉันเพนเสร็จถึงได้เรียนตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมงเย็นพอเลิกเรียนก็เดินกลับถึงวัดก็ประมาณห้าโมงเย็นหลวงปู่ลืออยู่วัดบ้านป่าชาติได้หนึ่งปีพระอาจารย์แก้วผู้เป็นหลานก็ไปรับมาอยู่ที่วัดบ้านพนตำบลบ้านเหล่าอำเภอบุกดาหารท่านจึงได้เรียนวิชาบูญกระจาย กับหลวงพ่อขาวเรียนได้ห้ากันแต่ไม่ได้สอบหลวงปู่เปิดเผยถึงเรื่องเป็นเนรคงแล้วปราบผีปอบว่าท่านอยู่บ้านโพนเป็นเวลาสองปีจึงได้ย้ายไปอยู่กับอาจารย์เถาที่วัดบ้านแวงเพื่อเรียนบาลีกับท่านอาจารย์เถาท่านสอนบาลีสอนนามด้วยการให้ท่องบทและเขียนอ่านการเรียนก็แปลหนังสือเหมือนกับวยากรณ์นี่แหละแต่ไม่ได้สอบ ซึ่งขณะนั้นก็มีพระเนนจากฝังลาวมาจำมาสาอยู่ด้วยโดยไปพักอยู่รวมกันที่ศาลาหลังหนึ่งหลวงปู่ท่านเล่าว่าที่วัดบ้านแหวงแห่งนี้มีพระเนนมาเรียนกันเยอะเช่นพระอาจารย์ก้อนพระอาจารย์เลี่ยมพระอาจารย์เปลี่ยนและพระอาจารย์สำเนียงสำหรับพระอาจารย์เปลี่ยนนั้นเป็นเพื่อนกับท่านพราะมีอายุเท่ากันคืออายุยี่สิบสองปีแต่ว่าหลวงปู่ตอนนั้นยังไม่ได้บวช เป็นพระยังเป็นสา ม, มนเณรอยู่ส่วนพระอาจารย์เปลี่ยนในบวชพระก่อนแล้วต่อมาพระอาจารย์แก้วผู้เป็นหลานก็ชวนท่านไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องที่บ้านป่าไร่ป่าชาติเพราะตั้งแต่ท่านออกจากบ้านไปแล้วไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านของท่านเลยพอกลับไปถึงบ้านป่าไร่ก็ทราบว่าหลวงพ่อทุมผู้เป็นเจ้าวาดมรณภาพไปแล้วแล้วท่านยังโดนโยมพ่อโยมแม่ต่อว่าต่อขานให้อีกว่า ไปอยู่ที่ไหนมาในอายุครบบวชพระแล้วยังไม่ได้บวชอีกคัดเลือกทหารก็ไม่ได้ไปหลังจากไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่แล้วพระอาจารย์แก้วก็นําหลวงพ่อไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุในฝ่ายมหานิกายที่วัดสิลามงคลอยู่ในตัวเมืองมุกดาหารโดยมีหลวงพ่อได้เป็นพระอุปชาพระอาจารย์ยอดเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาพันธ์เป็นพระอนุสาวนาาจารย์ เมื่อบวชพระแล้วหลวงปู่ได้ไปพักอยู่ในกุฏิหลังเดียวกับหลวงพ่อดีต่อมาหลวงพ่อดีได้แนะนําให้ไปอยู่กับหลวงพ่อสายที่วัดบ้านกุดน้ำใสอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้ไปรักษาโยมพ่อของหลวงพ่อสายที่กําลังเป็นบ้าอยู่ซึ่งให้ใครรักษาก็ไม่หายพ่อเป็นผีบ้าข่าพระข่าเนีนยังทำมาให้อัตมารักษาพอรักษาได้ไม่นานเขาก็ตาย หลวงปู่กล่าวว่าขณะที่ท่านอยู่บ้านกุดน้ำใสนั้นได้มีสามเณรหนึ่งรูปอยู่บ้านคํานาหวนใกล้ๆกับมุกดาหารมาหาบอกว่าโยมแม่ให้กลับไปคัดเลือกทหารเสียเพราะคนอื่นเขาคัดเลือกทหารกันหมดแล้วเขาบอกทําไมถึงไม่รู้จักการเวลาบ้างอาตมาก็บอกเขาไปว่าโอ้ยไปอยู่บ้านกุดน้ำใสรู้จักเวลาอยู่แต่ว่ายังหาเวลาไม่ได้ หลวงปู่จำมันสาอยู่บ้านกุดน้ำสายได้สองปีก็กลับมาอยู่วัดศิรามงคลที่มุกดาหารหลวงพ่อดีก็เลยชวนไปจำมันษาที่แขวงสุวรรณเขตประเทศลาวที่อยู่ตรงข้ามกับมุกดาหารหลวงพ่อดีท่านต้องการให้ไปหัดขานหน้าเพื่อจะเปลี่ยนยัติเป็นพระฝ่ยธรรมยุทธ์พอออกพรรษาแล้วจึงได้ข้ามมายังฝั่งไทยไปบวชเป็นพระธรรมยุทธที่วัดหัวเวียงอำเภอาธาตุพนม โดยมีพระสารการมุนีศรีพนมเขตเทศบาลซึ่ชื่อของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆพราท่านบอกอย่างนั้นเป็นพระอุปชาให้ตรงกับปี2478มีพระอาจารย์ทองอโศโกโเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อบวชเป็นพระธรรมยุทธ์แล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านน้ำก่ำใกล้กับอำเภอาธาตุพนมเป็นพรรษาแรกหลวงปู่ลือเล่าว่าการภาวนานั้น หลวงพ่อดีท่านเป็นคนสอนให้เพราะท่านเป็นพระนักปฏิบัติรูปหนึ่งท่านหูไม่ดีต้องพูดเสียงดังๆกับท่านถึงจะรู้เรื่องกันเวลานั้นบ้านน้ําก่ํามีอาจารย์สมบูรณ์เป็นเจ้าวาดพอออกรรษาอาจารย์สมบูรณ์ก็ชวนไปปฏิบัติธทำอยู่ที่ถ้าผาเวทซึ่งเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะผีดุมากท่านบอกว่าเราไปกันสอง